จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งเพื่อมาสนทนาถามตอบคำถามเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติทานศีลภาวนาท่านที่ต้องการจะถามก็เชิญเข้ามาร่วมสนทนาได้เช่นเคยเราก็จะไปที่เด็กน้อยก่อนเด็กนักคูณ เามาเจาะคิ้ออเลยกลับในราช ก, การค่ะพอาจารย์อ่าเป็นยังไงบ้างแล้วคุณนานนี้ไปไหนนะาบ้านแล้วคุณมาเรดูมาดูซีก่นครับมาดูอย่างเป็นสีทีใส่เร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาเรวันนี้เขียนผนังบ้านค่ะพรอาจารย์ก็เลยให้รับผิดชอบด้วยกันเช็ดออกค่ะอือไม่เป็นไรตามสบายสาธุเด็กอ่า วันนี้ไม่มีถามค่ะพระอาจารย์ปฏิบัติโอเคปฏิบัติีปฏิบัติชอบนะสุปฏิปัโนโนนะค่ะพระอาจารย์โอเคเอาไปที่จะมาจัดเจ้าที่กราบนมัสการพระอาจารย์ครับว่ายังไงบ้างถ้าวันนี้มาส่งกันบ้านครับมี่การบ้านไม่มีคําถามครับเอาส่งมาเลย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 มีกรรมเป็นที่เพื่องาสายเราทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรนั้นๆสืบไปเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนีทน้ทุกวันทุกวันเถอดอย่าลืมนะธรรมะนี้จะมีคุณค่าจะรักษาใจเราไม่ให้ทุกเวลาที่เราเจอกับความแก่ความเจ็บความตาย เกี่ยวกับการพลาดพาดจากกันเพราะเราเรียว่ า, าเป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นกับทุกคนอ่างองนงกายเรามีอะไรบ้างมีผมข น, ขนเล็บฟันหนัง<ม>เนื้อเอ็นกระดูกย่อในกระดูกม้าหั ว, หวใจตับผังผืดไตปอดชาใหญ่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 น้ําเสเลดน้ําดีเยี่่นในสมองศีรษะอาหารเก้าอาหารใหม่ใส้น้อยใส้ใหญ่ปอดใลผังผืนตับหัอวใจมา้ามเยี่่นในกระดูกกระดูเอ็นเนื้อหนังฟันเล็บขวนห่วเวลาก็าประกวรทางงามก็ประกวนอะไรกันดรอาจาศจสองใช่เห็นห ตัดใครจะสวยกวอากันตัดใครจะสวยกวอากันนะครับอารมณ์แล้วก็เหมือนกันใช่ไหมทุกคนไม่คว<ช>รจะได้ไม่มีไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีใครคนจะได้น้ำรางวันกันใช่ไหมครับ <laughs> โอเคยันพวกตัดกรรมฐารตัดศีลเนี่ยพวกตามตา์บอร์ดทั้งนั้นเลยนะใช่ไหมไม่ไม่เห็นอาการสามสิบสองเลยเห็นแค่เห็นแค่ผมขอนเลือกฟันหนังนะครับ เราเป็นคนฉลาดเราไม่ได้เป็นคนตามบอดเราต้องเห็นความจริงนะความจริงนี้จะทำให้เราไม่หลงทำให้เราอยู่คนเดียวได้ไม่เหงาเราไม่ทุกข์เวลาอยู่กับใครมันต้องต้องมีปัญหากันใช่รับอยู่คนเดียวได้สบายกว่าโอเคมีคำถามอะไรไหม ไม่มีครับแม่ไม่ไร้บ่าเรื่องปฏิบัติอยู่ค่ะยไม่มีคํ า, า, ยยาถามกับอาจารย์ยังไปที่คุณตะวันคกราบขอบคุณพระอาจารย์ประเทศฮอลแลนด์สวรรค์พระคุณสุขามพระช่างครับเป็นยังไรบ้างดีมากเลยครับอ่ามีคําถามไหมวันนี้ไม่มีครับไม่มีอ่ะ แล้วคุณแม่มีไหมอ่าพระอาจารย์เจ้าคะเมื่อวานเนี้ยอดีว่าโยมก็ฟังที่พระอาจารย์อธิบายเรื่องขนันธ์5โดยเฉพาะตัวสัญญากับตัวสังขารนะคะอืมค่ะแล้วก็คือที่พระอาจารย์บอกว่าไอ้ตัวสังขารเนี้ยตัวเนี้ยต้องเปลี่ยนใช่ไหมคะพระอาจารย์อันนี้ค่ะตัวเปลี่ยนเป็นสัญญาด้วยสัญญาเปลี่ยนสัญญาด้วยสัญญ า, ญญาแล้วก็ที่ให้ที่ให้มองทุกสิ่งว่ามัน ไม่ล wow ะไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ว่าเราก็ต้องแตกสลายก่อนของที่เราคือก็เป็นของเราเป็นใจรับอันนี้คือใหเปลี่ยนสัญญาเปลี่ยนคอนเซปต์ของของตัวนี้ใช admitted, ่ไหมคะพระอาจารย์เพือที่ว่าจะได้เบิดขาใช่ไหมคะพระอาจารย์ใช่จะได้เห็นความจริงเลยจะได้ไม่ไปยุ่งกับมันว่ามันเป็นทุกข์ถ้าเราไปอยากได้เขามาเป็นของของเราพอได้มาแล้วเขาเดี๋ยวห่อยท้อใจเราไปกระทุกเวลาอยู่กับเราแล้วคุยกันไม่รุ่เรื่องกับทุก เราก็สั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้เขาจะดีเขาจะไม่ดีมันก็บังคับเขาไม่ได้ไห้เห็นเป็นตายลักมันจะได้ไม่มีความอยากที่จะไปยุ่งกับเขาเห็นว่าเป็นทุกข์ทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์แต่เราไปเห็นกับตาเราปัดเห็นว่าเป็นสุขพ ไ, ได้เขามาแล้วได้แฟนมาแล้วจะมีความสุขกเป็นงไง ในลูกเลาจะมีความสุขยังไงได้อะไรมันมามันมีทุกติดตัวมากับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคนไม่เป็นวัตถุเข้าของเงินทองอะไรมันเป็นทุกหมดเพราะมันไม่เที่ยงมันเป็นตายรักอันมองเห็นนี่ะนี่คือการมามาปเปลี่ยนเป็นสัญญาเรามาักจะไป ม, มองว่าเป็นชายเป็นหญิงเป็นชายหน้าตาดีก็ไม่ดี อย่างเงี้ยมันเราก็ทําให้เกิดความรักความชังขึ้นมาปล่อยความกลัวขึ้นมาปล่อยความหลงขึ้นมาเราทําให้เกิดความอยากอยากล้วพอไม่ได้ดังใจยอยากก็ทุกข์เมื่สัญญาเราสังขารมันก็จะมันก็จะมันก็จะไม่อยากพอรู้ว่าเป็นทุกข์มันสังขายก็ไม่เอาเกว่าแต่ถ้า สัญญาบอกเป็นสุขสังขารงั้นก็เอามาซิเห็นไหมถ้าแกแล้วตัวสัญญาแล้วตัวสังขารมันก็จะมันก็จะเปลี่ยนแทนที่อยากจะได้มันก็จะไม่อยากได้เลยเมื่อว่าทุกอย่างมันเป็นทุกข์แต่เรามอ ง, องไม่เห็นว่าเรามองไม่เห็นว่าเป็นทุกข์เรามองไปเห็นว่ามันเป็นสุขอย่าง โยมโยมจำได้ว่าแม่โยมเคยเคยเล่าว่าตอนเด็กๆ เ, เนี่ยเพราะว่าแม่โยมมีลูกห้าคนใช่ไหมคะพระอาจารย์ตอนเด็กๆ ก, ก็คือเห็นเห็นโยมเออ่แม่ของโยมบอกว่าเด็กๆ เ, เนี่ยจะไม่รู้ประชีภาษาอย่างบางทีอึกออกมาอย่างเงี้ยก็เอาอึกหยิบอึกมาเล่นเอามาแบบระบายระเลงคือไม่รู้จักคําว่าสกปรกอะไรอย่างเงี้ยจังหวคือตอนนั้นมันสัญญามันยังไม่มีใช่ไหมคะว่ามัน ใช่ยังไม่มีสัญญายังไม่มีคนสอนยังไม่มีคนบอกว่ามันแต่มันขอแล้วกินข้าวด้วยมือกันทนวต่อมาตอนนี้ไม่กินนะเพราะว่าเพราะว่ามือมันในสอกโปกมันอาจจะไปหยิบของอะไรหยิบอะไรมีเชื้อโรคติดมาเพรนั้นตี้เราสอนให้กินด้วยช้อนนะ ค่<ต>ะพรอาจารอ้แล้วก็มีบางคนก็ติดด้วยนะคะพะาจาบางทีนอกจากช้อนเนี่ยมีช้อนหลายขนาดมากค่ะมีช้อนหลายขนาดมีซ่อมหลายขนาดบางทีของอย่างนี้จะต้องใช้ซ่อมอย่างนี้ทําผิดก็ไม่ได้อีกอย่างนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์นี้ก็เป็นการพัฒนาการของของความหนุ่มคือการหาความสุขจากการรับประทานมันต้ อาหารนด่งหนึ่งต้องใช้ช้อนอย่างหนึ่งอาหารนี่งนึ่งก็ต้องใช้ช้อนหนึ่งเดี๋ยวมันเาเดี๋ยวลสของอาหารหนั้นจะมาปนกับอาหารอันนี้มันจะทําให้รสอาหารอันนี้มันไม่มันมันมันมันเสียไปก็เลยต้องแยกช้อนกันแต่ถ้ากินร่วมกันแล้วใช้หลักนิดหลักหลักหลักสุกสุกัสอันนี้สุกัสศึกษาเือ ใช้ช้อนกลางอย่าไปใช้ช้อนที่เราตัดข้าวเข้าขปากแล้วไปตัดของกะของที่เราใช้ตัด ก, กินร่วมกันเพราะเมื่อมันโดนน้าลายแ ล, แล้วมันอาจจะมีเชื้อโรค น, นะเราก็เลยบอกว่าต้องตักเวลาตักอาหารต้องเป็นช้อนของอาหารนั้นแล้วก็ยาวช้อนที่เรากินนี้เอาไปตักอาหารที่เป็นของรวมใช้กินร่วมกัน บางอย่างมันก็ดีมันก็มีเหตุมีผลบางอย่างมันก็ไม่มีเหตุมีผลมันเป็นกินเลสอ่าแล้วก็โยมี ม, มีมีคำถามนะคะก็คือว่ายาของพระพุทธเจ้าที่ ท, ท่านให้ออกไว้ที่ที่ยว่าแก้โรคทางใจนะคะพระอาจารย์มันก็จะมีให้พิจารณาทุก์แล้วก็ ใจรักใช่ไหมคะแล้วก็ให้มองเป็นธาตุสี่ให้เป็นอสุภะแล้วก็เป็นสมมุติก็คือให้มันแถวๆนี้ใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็คือว่าอันนี้คือยาที่พระพุทธเจ้าให้แต่ว่ายาไหนที่มันถูกโลกกับเราอันเนี้ยเราก็ต้องลองลองกินดูก่อนใช่ไหมคะพระอาจารย์ว่าอันไหนมาถูกโลกแล้วก็ถึงจะจะน้อมมาปฏิบัตินะคะพระอาจารย์เพราะว่าอย่างถ้าสมมุติว่าไปเกิดในสมัยพระพุทธเจ้าอย่างนี้ถ้าถ้ามีบุญวาสนาเนี่ย พระพุทธเจ้าท่านก็จะชี้ให้เลยว่าควรใช้หลักตรงนี้มาปฏิบัตินะอะไรแบบนี้อย่างที่ว่าในประวัติของพระสาวกที่ว่าบรรลุบรรลุธรรมเพราะว่าพระพุทธเจ้าให้พิจารณาเป็นอะไรนะผ้าผ้าสีขาวหรือพิจารณาอันนั้นดอกโวเดืออะไรแบบนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์อันนั้นก็คือว่าท่านชี้แนะให้ตรงกับที่เราเป็นโลกเลยแต่ว่าคือชาตินี้เราเกิดมาเราไม่รู้อย่างนี้ค่ะพระอาจารย์ก็คือเราจะต้องค้นคว้าหาเองใช่ไหมค่ะพระอาจารย์ว่าอะไรที่มันถูกโลกกับเราอะค่ะ ก็เหมือนกินยาอะก็กินยานี่ไม่ถูกก็ลองพยายามลอง<ช>ผิดลองถูกดูแต่อย่างน้อยก็อยู่ในในกรอบของธรรมะมอองแต่ว่้โลกของใจบางครั้งมันเช่นเกิดความโกรธเนี่ยมันจะไปเอาเอ า, เอาสุภาพมาใช้มันจะใช้ไม่ได้มันไม่หายโกรธมันต้องให้เอาใช้ความเมตตาหรอือมองสิ่งที่เราโกรธว่าเป็น เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนเป็นนินทราอากาศเราไปห้ามนินทราอากาศไม่ได้เขาจะทําอะไรก็ต้องปล่อยเขาทําไปอย่างนี้มันก็จะแก้ความโกรธได้น้ามักจะไม่โกรธฝนตกแค่ว่าเราโดนฝนเปียกนี่เราก็ไม่ไปโกรธใครไม่ไม่ไปโกรธฝนแต่ถ้าใครสาดน้ําใส่เรานี่เราจะโกรธเขาขึ้นมา แต่มันก็เป็นเหตุการณ์ที่เหมือนกันคือเปรียกตุบตเปียกด้วยน้าเหมือนกันถ้าไปเห็นคนที่เขาสาดน้ำเราเป็นคนเป็นคนที่รู้ผิดถูกดีชัว่วแล้วเป็นไปเห็นว่าเขาเกลียดเราชังเราต้องรังแต่เราเขาอะไรไปไม่มองไปในแบบนั้นมันก็เลยทําให้เกิดความความโกรธขึ้นมาแต่ถ้าไป ม, มองเขาว่าเป็นเหมือนกับฝนตกฝนศาสตร์เข้ามา ตัวเปรียบก็ไม่ได้เป็นเด็ดแน่เลยหรือบางทีให้ดีบางทีญาตโยมใส่บาตรฝนตกแล้วบอกว่าเทวดากำลัมมงลนตำมนให้แันนี้ก็จ ะ, ะไม่สบายใจเพราะต้องเปรียกคนต้องขับดีใจแล้วก็วันนี้ได้มีเทวดามาประพรมน้ามนต์ให้ในขณะที่ใส่บาตมันก็อยู่การมองของเราอยู่ที่สัญญาของเราจะมองอย่างไร โดยหลักก็ให้มองในสามแนวเนี่ยไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ทุกข์ก็ไม่อานิจจังก็ทุกขังไม sure ่ทุกขังงานหน้าตาอันนี้จังมันก็มีหลายลักษณะคนเป็นก็ปการเป็นคนต่างนี่ก็เป็นอานิจจังเหมือนกันวันที่หน้าตาดีการเป็นคนที่ถไม่หน้าตาไม่ดีมันก็ไม่อานิจจังเหมือนกันมันก็มีการเสื่อมแต่มันก็มองได้มอง่างกายว่าสวยงามก็ได้ไม่สวยงามก็ได้แล้วแต่เราจะมอง เพื่อยู่กัว่าเราเป็นถ้าเราไป็หลงเห็นว่าเขาสวยงามเราก็ต้องเอาความไม่สวยงามมาแก้มันจะได้ไม่ไปหลงรลกเขานี่มันก็มันก็มันก็ไม่แน่มาขอมบงยางมันต้องทนลองดูสามแนวเนี่ยไม่นิจจังก็ทุกขังไม่นุกขังก็น่าตาที่เรามาใช้เช่นเจอเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายเจ็บไข้ได้ปวดเราห้ามมันได้หรือป่าสั่งมันได้หรืป่า มันก็เหมือนดินฟ้าอากาศมันก็เป็นอนัตตาไม่ได้ได้แล้วก็จะได้ยอมรับความจริงเรื่องมองให้เป็นธรรมชาติโยมพยายามแล้วได้เป็นบาเรื่องเจ้าค่ะกระจารย์แต่บาง เ, เรื่องมันก็ต้องหาอุบายใหม่แบบนี้ค่ะ อ, อาจารย์ปัญญามันไม่มันไม่ว่างปัญญามันไม่รอบมัน ม, มันยังไม่ไม่ ไม่ไม่ครอบคลุมทั้งหมดนะคะค่อยๆห้างไปเจ้าคับอาจารย์แต่ตอนนี้ก็พยายามยอมแพ้คุณให้เป็นเจ้าค่ะอาจารย์ตอนนี้เพื่ฝึกยอมแพ้คุณแล้วก็พยายามเมตตาตัวเองให้มากก่อนเจ้าคะอาจารย์ค่ะแล้วก็ยุดเย็นหยุดเย็นใช่ค่ะอาจารย์แล้วก็ยังมีบางคนที่เราไม่ชอบไม่ชอบนิสัยเขาเลยอย่างเงี้ย คือไปโฟกัสที่กิเลสของเขามันก็เลยรู้สึกไม่ไม่ไม่ชอบเขาไม่อยากจะไปสึมถึงกับเขาแต่พอรู้ข่าวว่าเหมือนเขาจะเป็นมะเร็งอะไรแบบนี้รู้สึกมันสงสารขึ้นมาเลยคุณจักรคืลืมไปหมดเลยว่าเราเคยไม่ชอเขาอยากจะเอาอะไรไปฝากเขาอะไรแบบนี้อันนี้มันก็เอมอนิจังตัวเขาก็ไม่เที่ยงใช่ค่ะแต่เขาต้องแก่เจ็บตายไป ม, มันจะไปมีเรื่องมีราวอะไรกับเขาทําไม เขาเขาก็เหมือนเราเราก็เหมือนเขาเราก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกันแต่มันก็แล้วแต่วิธีของแต่ละคนที่จะเมาแล้วจะทําให้ความโกรธความทุกข์นั้นหายไปใช่ค่ะอาจารย์อันนี้อันนี้ของใครของมันจริงๆเลยอาจารย์ต้องพยายามหาอุบายให้ตัวเองอืโอเคมีอะไรไหมมีเท่านี้เจ้าค่ะอาจารย์ น้องพีกับล้องฮ่องนอนพอดีขอบคุณค่ะพระจอมน้องพีมีอะไรครับแบบเมืม่สอสักครับงครว่ามาอะไรมีอะไรหรือเปล่าวันนี้หนูหนมีคําถามค่ะดองอตาสบายดีไหมครับอ่าสบายดีจ้ะและวันนี้หนูมีคาถามว่า การที่หนูสวดมนต์บ่อยๆนะครับคือมันมีคือหนูคือห น, หนูหนูเค้าคือต้อพูดยังไงนนะคะ่ะ พ, พูดไม่ถูกเอาพูดภาษาอังกิษนะเนียว่างเลยอยากเอาภาษาอังกฤษมาแม่ฟังไม่ออกแล้วหนูพูดไป <laughs> แม่ฟังไม่รู้เรื่องเอาพูดเลยเดี๋ยวสนุก every day that I pray I was free I was feeling good, and when I go to school, I was uh, running with my friends, and I think into my head that it, there is gonna be a teacher walk walk past me, so I just stop run, and then I walk normally, and there is my and, and there's a teacher that I think in my head, but I didn't I didn't see the teacher. When I was running, so there's no teacher out there. It's in your mind. So my question is, I I I pray, so I I have a good. I I pray, so I know, right? No one. No. ออรูอรู้อะไรรู้รู้ว่ารู้รู้รู้ว่าเดี๋ยวจะมีโครมาคือนั่งสมาธิบ่คือนุกคิดว่านุ้กมีมีมีอย่างพิเศษใช่ไหมมีความสามารถพิเศษใช่ไหมโอเครับใช่ก็หมายความว่าเขาก็สงสัยว่าทําไมเขาถึงรู้ เขาเขารู้สึกแปลกใจค่ะเขาก็มาถามหนูหนูก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไว้รอถามหลวงตาพอดีอาทิตย์ที่แล้วงานก็เยอะค่ะก็เลยก็เลยลไม่ไป ท, ที่หนูคิดว่าจะมีครูมาแล้วครูมาแล้วมากมาตามาที่หนูมาเลยมามาแล้วเป็นครูคนนั้นด้วยค่ ะ, ะที่ที่อยู่อมันก็ขึ้นมาในสมองเขาที่เขาที่เขาถามหนูมานะคะหนูรู้อะไรหนูก็รู้เฉยๆกันแล้วกันแล้วก็เก็บข้อมูลไปเรื่อยๆ ว่ามันเป็นบังเอิญหรือเปล่า coincidence หรือเปล่าหรือมันเป็นทุกครั้งที่หนูคิดปั๊บจะต้องเจออย่างนี้ทุกครั้งไปหนูจะได้รู้ว่าหนูมีความสามารถพิเศษค่ะแต่หนูอย่ากไปคุยไปบอกใครนะเดี๋ยวเขาจะหาว่าหนูโทษเจ้าเพราะเรื่องเหล่านี้บางทีเป็นเรื่องเฉพาะของตัวเราทั้งที่จะรู้ที่จะเข้าใจถ้าผู้ใดคนหนึ่เข้าฟังแล้วก็จะหาว่าเรา เคยเจอนะนี่ก็เป็นบ้าได้เข้าใจไหมค่ะนี่เขาก็เคยเห็นผีด้วยค่ะต้องสองเที่ยวตอนไปวัดเห็นก็เห็นก็แล้ข้อสําคัญก็คือหนูอย่าไปตื่นเต้นตกใจหนูอย่าไปดีใจเสียใจกับสิ่งที่หนูเห็นก็แล้วให้รู้เฉคิด<ต><ๆ>ว่าเป็นเรื่องปกติไม่ต้องยู่กับเขาเพราะว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติอ่าดูอะไรพุทเจ้าบอกให้รู้เฉยเฉยนะ ไม่ต้องไปดีใจเสียใจไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจไม่ต้องไปหวาดกลวนเะล้าใจไหมไม่ต้องถามตาเรื่องนะที่เจนไม่เห็นตัวเ ล, เลยเมื่อไรเผื่วันที่หนึ่งจะได้บอกเพื่อนๆบอกว่าหนูเห็นตัวได้เขาชอบมาหาหนูในฝันค่ะหลวงพ่ อ, อ ม, มาหาหนูในฝันแต่ว่าเป็นหนูก็แบบก็ไม่ได้นึก ว่ามันจะแบบว่ามันจะใช่มาตั้งแต่เด็กแล้วคะ่ะบางทีถ้าฝันเห็นเขาเลขเขาก็จะออกแล้วบางทีเขาก็จะแบบแต่ถ้าตอนถ้าตอนแบบเด็กมากๆเนี่ยคือเหมือนเขามาบอกเลขเลยค่ะคือมามบอกในฝันนะคะอืมแต่ตอนตัวแบบเป็นๆอย่างเงี้ยไม่ได้พูดอะไรเลยอืมไม่ปูดไม่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเหมือนแบบเวลาเวลาเขาจะแข่งเขาจะอะไรอยู่ๆเขาก็พูดขึ้นมาหมามา่มาไม่ต้องซ้อมมากยังไงหนูได้ที่หนึ่งอยู่แล้ว หนูก็บอกเอ้ยมันไม่ใช่นะคนแข็งตั้งเยอะอะไรเงี้ยแล้วแล้วมันก็เป็นจริงอย่างที่เขาพูดอยู่ๆเขาพูว่ามไม่ต้องกังวลหนูทําได้อยู่แล้วไม่ต้องฝึกมากแล้วเขาก็ได้จริงชนะสองครั้งะโอ้พวกนี้ก็ต้องอย่าไปหลงกันแล้วกันให้รู้บางครั้งมันอาจจะจริงบางครั้งมันอาจจะไม่จริงก็ได้ใช่ใช่ใช่แล้วอย่าไปหลงอย่าไปยึดอย่าไปติด ไเ่ว่าเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นความสามารถพิเศษของเราก็แล้วกันแต่มันก็ไม่แล้มาใช้ดับกิเลสได้ดับความทุกข์ได้ถ้าไม่ระวังอาจจะเป็นเครื่องมือของกิเลสไปก็ได้จะไปทางสายดำไปมันไม่ดีครับแล้วควราะดดมาเอกเอ่อดับไปเสพวกอะไร พอมองหลวงตาจำจําได้แค่บางบากอ่ะก็ส่งให้หลวงตาฟังว่าเริ่เริ่มตั้งอะไรนะตอนตอนแล้วชื่อหมผมฝนฝนเลม่อนฟันค่ะพูดพูดก็ยังไม่ได้หาดทองเลยค่ะแต่ได้ยินแต่พี่เขาพูดเขาก็จําได้บ้างนิดหน่อยอันไหนลองท่องที่ลูกถามหลวงตาเรื่องคำคำนั้นได้ไหมว่าตอนตกลมมันมันมืดใช่ไหม กาน้องนลองท่องให้หลวงตาฟังก่อนพาะหลวงพี่พี่จะมิกห้องก่อนท้องก่อนเอผมขนผมขนเอมลืมละคืออะไรที่พูดได้ก็ลองพูดลองไปหัดท่องไว้เวลดาพี่เขาท่องมาท่องตามคนหนึ่งไป จะได้รู้ว่านี่ยนี่คือส่วนประกอบของร่างกายเราเรามีสิ่งเหล่านี้อยู่ในตัวเราใช่ไหมมีไหมหนูมีผมผ ม, มั้ยเปล่าผ ม, นนลผมขนเล็บฟันหนังมีไมเปล่าเน้วมีไหมเปล่าผมขนหนังเล็บฟั น, นผมขนเล็บฟััันนนหงงตตตาา่อมมสิขผมขนเล็บฟันหนังฟันหนัง เนื้อเนื้อ <N S 2> <N S 1> เอ็นกระดูกกระดูกเร า, าไปหาท่องไว้ก่อนนะไม่ยากขนเนื้อเอ็นกระดูกไล่ไปจากข้างนอกเข้าไปข้างในไล่ อ, อ, าอาการต่าองยจากข้างนอกเข้าไปอาตอนตอนเวลานั่งสมาธินี่ก็ต้องแบบพุดโธไปตลอดแต่ถ้าเกิดว่าพุดโท โอหายไปอย่างนี้ค่ะหลวงพ่อเราก็ไม่ต้องไปยึดที่พุทโธแล้วก็นิ่งอยู่แบบนั้นเฉยๆหรือเปล่าแล้วแต่ว่ามันหายไปเพราะว่าจิตสงบหรือไม่ถ้าจิตยังไม่สงบก็ต้องมันที้เกียดพุทโธก็ต้องเดินกลับมาพุทโธกับมาต่อแต่ถ้ามันพุทโธไปแล้วจิตมันรวมเป็นเข้าสู่ความสงบแล้วนิ่งไม่ต้องไม่มีความคิดรุ๊งแต่งอะไรก็ไม่ต้องเดินพุทโธกลับมาอันนี้หนูยังแบบ ยังยังสงสัยค่ะหลวงพ่อให้ว่าเวลาเรานั่งสมาธิเสร็จอย่านี้ค่ะที่หลวงพ่อสอนว่าให้พิจารณาปัญญานี่การพิจารณาปัญญานี่คือพอถอยจากสมาธิเรียบร้อยแล้วให้เราพิจารณาแบบอย่างไรบ้างเจ้าคะก็เช่นอาการ32ก็ได้ศึกษาว่าร่างกายของคนเรามีส่วนประกอบอะไรบ้างแลนเราพิจารณาจนให้มันฝังอยู่ในใจไม่ลืมเวลามองเห็นใคร เรจะคิดว่าเขาหน้าตาดีเขาสวยงามก็ให้มองมาส่วนที่ไม่สวยงามก็มีคให้มองเหมือนแบบเป็นโพรงกระดูกหรืออะไรอย่างนี้ใชเ่เห็นเข้าไปภายในเห็นภายใต้ผิวหนังเราเห็นแ ต, ต่ตาของเรามองเห็นแต่ผิวหนัง่ใต้ผิวหนังเราตามองไม่เห็นต้องใช้ปัญญาถึงจะเห็นะอืะอูก็ เห็นแผลน้องพีบางทีเห็นแผลเนี่ยหนูก็ mm. หนูก็มักคือตอนช่วงตอนตอนมีลูกคนโตค่ะหนูก็ไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรพวกนี้เลยค่ะ mm. แต่พอมีน้องพีแล้วแล้วบวกกับตอนนั้นคุณพ่อแฟแฟนหนูค่ะเขาเขาป่วยหนะักพอดีค่ะมันก็เลยทำให้แบบเหมือนว่าหนูอาจจะแบบเหมือนไม่ปกตินะคะทางร่างกายอย่างนี้ค่ะมันก็เลยกลายเป็นแบบ เห็นลูกเป็นอะไรก็จะรู้สึกแบบตกใจแล้วกลัวทั้งๆที่เมื่อก่อนไม่ไม่เป็นแบบนี้เลยค่ะลูกเรนี่ยแหะเพราะเราไม่ไ ม, ไม่ไม่คิดบ่อยๆไม่ไม่พิจารณาบ่อยๆน่างกายมันต้องแก่เจ็บตายกันทุกคนเนี่ยให้พิจารณาเพื่อเราจะได้ไม่กลัวเวลาเจอของจริงเวลาเจอความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยน่ะปัญญาถ้าไม่คิดมันก็เหมือนเราไ ม, ไม่ไม่รู้ไม่จําไม่ได้ โอยพอเจอเหตุจารณ์ขึ้นมาก็ตกใจเพราะนั่นมันเป็นเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องธรรมดาพุทธเจ้าบอกความแก่เป็นธรรมดาความเจ็บไข้เป็นธรรมดาความตายเป็นธรรมดาดังนั้นพอเราไม่คิดว่ามันเป็นธรรมดามันก็กลายเป็นเรื่องแปลกไปค่ะขึ้นขาดหนูเห็นเด็กเด็กที่ไม่รู้จักเขาเดินแล้วเขาจะหกล้มหนูยังตกใจคือจะเข้าไปประคองคือกลัวเขาจะเจ็บเนี่ยคือแบบเมื่อก่อนยังไม่เป็นแบบนี้เลยค่ะ S <S 2> <S 2> <S ก็ต้องพุทโธอยู่เรื่อยๆแล้วก็ต้องพิจารณากายสังขารตลอดใช่ร่างกายมันอะไรจะเกิดขึ้นกับมันก็ได้ทั้งนั้นไปน้อมลงไปพาะหัวฟ้าดอะไรก็ได้มันเกิดได้มันไม่เที่ยงร่างกายมันไม่เที่ยง <S <S 2> <S 2> เข้าใจนะยังมีอะไรไหม <S <S ไม่มีแล้วครับโอเคงี้นท่านนี้ก่อนนะ กรรมธรสการคร่ะท่านขันขอให้หลวงพ่อท่านขันแข็งแรงนะเจ้าคะ่ะสาธุสาธุค่ะอันนี้คุณหมอพิเชิดเชิมดกรรมธรรมสการพระอาจารย์ครับขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายการเปลี่ยนวิธีหาความสุขครับพระอาจารย์ก็ความสุขในโลกนี้ก็มีสองทางสุขทางกายกับสุขทางใจ ทางกายก็คือเราเสดใช้หาความสุขหน่อยใช้ตาหูจมูกเลี้ยงกายเป็นเครื่องมือเราเสด ร, รูปเสียงกิริย์เป็นไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆนี่ก็เป็นการความสุขทางกายทาตาหูจมูกเลี้ยงกายไปกินไปเดืม่มไปดูไปฟังละคร อ, อะไรต่างๆเนี่ยเป็นความสุขทางกายที่เป็นความสุขที่ไม่ไม่ให้ความอิ่มความพอแก่ใจ เป็นเหมือนความสุขแบบยาเสพติดเสพก็ต้องติดพอวันไหนไม่ได้เสพก็จะรู้สึกญหญงุเหงิดรู้สึกเศร้ารู้สึกเหงาอนี่คือความสุขทางกายเช่นดื่มกาแฟนี่ก็ก็เป็นความสุขทางกายทางรสชาตินทางตาเห็นเห็นเห็นเห็นน้ากาแฟได้กลิ่นกาแฟได้รสของกาแฟ มาเหนื่อยนะมันก็มีความสุขคับหนึ่งถ้พันหนึ่งความสุขนั้นก็หายไปก็ทําให้รู้สึกอ้างวาง้างเปล่าเปลี่ยวเดียวด้ต้องหางกาแฟมาเหนื่ออีกแล้วถ้าหากาแฟมาเหนึ่งไม่ได้ก็รู้สึกหงุดเงียบนะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเนี่คือลักษณะความสุขทางกายมันเป็นอย่างเนี้ยมันเป็นความสุขชั่วคราวแล้วก็จะทําให้เกิดความทุกข์เกิดความหงุดเงียบ้ําวามใจขึ้นมาได้ เวลาที่ไม่ได้เสกในสิ่งที่เราอยากจะเสกแล้วมันเป็นสิ่งที่เสกแล้วมันติดจะเลิกก็ยากเวลาจะเลิกก็จะทุกข์อีกคนที่ติดกาแฟติดสุลาติดบุหรีเนี่ยเวลาจะเลิกเนีย่ยมันรู้สึกยากมันมันทุกข์ใจวุ่นวุ่นเหยีใจมันไม่มีความสุ ข, ขผู้ใดเลย อ, อันนี้คือความสุขที่พระเจ้าทรงสอนว่าอย่าอย่าเสกกัน แนั่นก็เป็นความสุขที่คนทุกคนในโลกนี้ก็เสกันเพราะเขาไม่รู้จักความสุขอีกความอี ก, อกแบบหนึ่งคือความสุขทางใจความสุขทางใจนี่เกิดจากการการะทําของใจผ่านผ่านกลางผ่านผ่านร่างกายอให้ใจทําทําความดีต่างๆทําบุญเวลาทําบุญก็จะเกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมา แล้วความสุขทางใจนี่มันจะเป็นให้ความให้มีมีน้ําหนักมันให้ความอิ่มความพอแล้วมันก็นจะช่วยทําให้เราไม่ค่อยไปมีความหิวกับความอยากทางาความสุขทางร่าง ก, กายได้ถ้าเราทําบ่อยๆเช่นสมมติว่าเราถ้าเราเคยมีความสุขจากการเดินเซรามเอางเงินจะไปซื้อเซลามาเดิมแล้วเปลี่ยนนะวันนี้จะขอเอางเงินนี้ไปทําบุญแทน เราก็จะได้ความสุขที่เกิดจากการทําบุญที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการเดิมสุราแล้วก็จะทําให้เราลดความอยากที่จะเดิมซุราลงไปได้บางครั้งที่เราอยากจะมอาเงินไปซื้อซูลามาเดิมแล้วก็เอามันไปทําบุญแทนพอนทําบุญแล้วเกิดความเกิดความสุขใจอิ่มใจก็ไม่หิวกับการอยากจะเดิมสุลาขึ้นกันความสุขทางใจมันไม่ได้ทำให้เรารู้สึกอ้างวาง้างเปล่าเปลี่ยวเวลาที่เราไม่ได้ทํา มันความสุขทางใจมันย้ายความอิ่มความพออยู่กับใจไปนานนี่ความสุขทางใจมันก็มีหลายระดับมีผู้ระดับต้นๆก็คือระดับการทำบุญท ำ, ท, ำทานทําความดีต่างๆช่วยเหลือคนนั้นช่วยเหลือคนนี้เป็นจิตอาสาก็ได้อันนี้เวลาเราทําคุณประโยชน์ให้กับผู้อื่นทำความให้คนอื่นเขามีความสุขจากการการะทํำของเรามันก็ทําให้เราเกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมา อันนี้ก็คือความสุขในระดับที่หนึ่งคือทานความความสุกระดับที่สองก็คือจากกา ร, การไม่เบียดเบีูดการไม่ทําร้ายผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นการฆ่าก็ดีการลักทรัพย์ก็ดีการปมาพูดผิดประเพณีก็ดีการพูดปดก็ดีเวลาที่ถ้าเราไม่ได้ทําบาปแล้วเรายังรู้สึกมีความสุขใจ ใช้เวลาเราอยากจะได้เงินของเขาเราเปลี่ยนใจไม่เอาดีกว่าเอาเงินเข้ามาแล้วเดี๋ยวทําให้เขาทุกข์เราก็จะพอเราหยุดความอยากที่จะไปรักขโมยเงินของเขเลยได้ใจของเราก็มีความสุขขึ้นมาในเวลาที่อยากจะฆ่าใครล้วเปลี่ยนใจอย่าไปฆ่าเขาดีกว่าไม่ดีพอไม่ไม่ฆ่าปั๊บใจมันก็สบายรู้สึกมีความสุขขึ้นมา น, นี่ก็คือความสุขที่เกิดจากการกระทำของของใจผ่านทางร่างกายแต่ไม่ได้เกี่ยวกับการที่ไปเบสิรูปเสียงกลิก่นลดลายมันเกี่ยวกับการกระทำการกรรทบากระทำให้ใจทุกถ้าเราไปทําบาปปั๊บเราไปทําร้ายใครเนี่เราก็จะต้องทุกข์กับการที่เราอาจจะต้องถูกเขาแจ้งความถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจมาตามจับเราเราก็จะต้องมีความวิตกกังวลหวาดระแวง นี้ก็เป็นผลที่เกิดจากการทำบาปแต่พอเราไม่ทำบาปแล้วเราก็จะไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากการกระทำบาปตามมานันก็เป็นความสุขอีกแบบหนึ่งถ้าไม่มีความทุกข์ก็เป็นความสุขแล้วความสุขระดับที่สูงขึ้นไปที่มีน้ำหนักมากขึ้นก็คือความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติปิติภ า, าวนาทำสมาธิทำจิตใจให้นิีงให้สงบ พอจิตใจหยุดคิดได้ความอยากต่างๆที่ทใช้ที่ต้องมีที่เกิดจากการมีการใช้ความคิดมันก็จะไม่เกิดความอยากมันก็จะสงบ ต, ตัวตามความคิดไปพอความอยากไม่ทํางานใจเราก็เย็นสงบสบายตัวที่ทําให้ใจเรา้อนวุ่นวายใจก็คือความอยากต่างๆแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นความสงบแบบความสุขแบบชั่วคราว พ อ, อจากสมาธิมาพอเราเริ่มคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวก็เกิดความอยากตามมาขึ้นมาใจก็จะร้อนขึ้นมาใหม่นะถ้าเราอยากจะใหใจไม่คิดไม่เนรทางความอยากเวลาเกิดความอยากเราก็ต้องใช้ปัญญาที่พระเจ้าทรงคนทดว่าสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นทุกข์ทั้งนั้นแนหะเพราะมันเป็นของไม่เที่ยงได้มาแล้วตอนที่ได้มาใหม่ๆมันก็อาจจะมี เราอยู่ไปสภาพอื่นเนี้ยมันก็เปลี่ยนแปหายไปหมดไปมันก็จะทําให้ใจเราเศร้าไม้ว่าจะเป็นอะไรมันก็เป็นอย่างนี้มันของชั่วคราวความสุขชั่วคราวพอมันหมดไปมันก็จะทําให้เรารู้สึกเศรา้ารู้สึกทุกขึ้นมาถ้าเราไม่อยากจะใจขงเราเศรา้าเราก็อย่าไปทําตามความอยากอย่าไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ อยู่แบบไม่ต้องไม่ต้องเสกอะไรไม่ต้องอยากกับอะไรใจของเราก็จะพอไม่มีความอยากใจเราก็จะเน่งสงบเหมือนตอนที่เราเข้าไปในสมาธิโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิเพระเราใช้ปัญญาอยู่ความอยากเราใช้สติหยุดควาอยากหยุดความอยากเราต้องหยุดความคิดแต่ถ้าเราใช้ปัญญาเราเราใช้เหตุผล ให้เห็นว่าอย่าไปทําตามความอยากเพราะความอยากจะพายแล้วว่าสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวเวลามันดีก็ให้ความสุขกับเราเวลามันหมดไปเวลามันไม่ดีมันเปลีป่ยนไปมันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาอันนี้การมีความสุขใจระดับขั้นสูงสุดก็คือการทําใจให้ปราศจากความอยากต่างๆ เราไม่มีความอยากอยู่แล้วใจก็จะสงบไปตลอดไม่มีวันที่จะทุกข์ไม่มีวันที่วุ่นวายกับอะไรกับอไปอันนี้ก็เป็นความสุขสูงสุดใ น, นพระนิพพานพระวุตถจาระนิพานก็ปฏิบัตนะิเพื่อให้ถึงความสุข น, นี้นเป็นความสุขที่ยั่งยืนถาวรที่ไม่ที่ไม่เสื่อมแต่ความสุขอย่างอื่นยั ง, ยงเสื่อมได้ความสุขจากการทำบุญทาทาน เวลาผ่านไปเวลาเราไปรับผลบุญมันก็หมดได้ความสุขที่เกิดจากการไม่ทําบาปมันก็หมดได้ความสุขที่เกิดจากการเข้าสมาธิมันก็หมดได้นะครับสุขที่ได้จากการใช้ปัญญากําจัดความอยาก่างๆให้หมดไปจากใจนี้มันจะทําให้ความสุขของใจนี้สงบไปตลอดสุขไปตลอดไม่มีวันสึ่งสุดนี่ก็คือเป้าหมายของชาวพุทธเรา ในคำสอนพระเจ้าสอนให้เรามาหาความสุขทําใจกันในการทําทานในการรักษาศีลในการปฏิบัติธรรมจิตตภาวนาธรรมะภาวนาแล้ะมิปัสนาภาวนาธรระก็คือทําสมาธิมิปัสนาก็คือเจริญปัญญา อ, อันนี้แหละคือความสุขที่เราควรที่จะเข้าหากันอย่าไปหาความสุขจากภาพยศชัลยเสริอ จ, จากรูปเสียงกลิ่นเรา มันเป็นบรรญาเสติใ น, นเวลามันเสื่อมเมื่อเวลาบรรจางลงไปมันจะทําให้เราเศ okay. ร้าโอเคคับเข้าใจอย่างชัดเจนอย่างยิ่งเลยครับอาจารย์ครับขอ <Okay. S 1> ั้นอย่างสูงครับครับพยายามเปลี่ยนวิธีหาความสุขเลือกหาความสุขจากการเสื่อมเสียงกินลดนลำมาเอาความสุขจากการทํามุน ท, ทาตารักษาสี่งภาวนาน โ <Okay. S 2> อเคขอบคุ ณ, <อ>คณที่มาเชิญมากรรมวัชการค่ะอาจารย์วันนี้ไม่มีคำถามค่ะเข้ามาสังทำคะ่ะยังสิยงแตเยอะว่าสิแค่ะสินแตก็คุณติดการระงับการท้าวความสุขธรรมรูมเสียงกิน่นเราพระอาจารย์ล้วความสุขจากการทาใจให้สงบโอเค น่าจถือต่อไปค่ะราาอาจารย์อาจารย์ท่าแข็งแรงนะคะขอบคุณสาธการณชาติขอบฟังธําค่ะพระอาจารย์ี่มีคำถามค่ะโอเคสงบดีนะมีความสุขนะค่ะโอเคไปที้คุณนงรักต่ตอบคุณนงรักอยู่ที่จังหวัดอะไรนะแพริ้วค่ะแพริ้วจ้ าไเคยับพระพาจานสองครั้งแล้วมีอะไรไหมเอเอมีพาจาย์คือเมื่อวันเสาร์อาทิต ย, ย์ที่เคยนําเรียนพายจาย์ว่าจะบทชีย้เมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยก็ไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าสุขใจที่บางบ่อแต่ไม่แต่หลวงพ่อสงบแค่ไม่ได้อยู่เพราะตอนนี้ท่านไปอ่าจังหวัดแล้วก็ดูพื้นที่ที่เินืดุเสเซล ก็วัดปางนะคะ ก, ก, ก็สงบนะคะก็จะไม่มีไฟจะไม่มีไฟแล้วก็ได้คุยกับพระอาจารย์หมอทีああ <ss in Polish vegetarian> ่ดูแลบอกว่าม <c iffs> yeah, ีความประสงค์จะอยากบวชทีท่านก็ถามว่าอยากทำไมอยากบวชก็คุยกันนะแล้วท่านก็บอกว่าถ้าอยากจะบวชทีนี่ยนะหนึ่งเราก็ต้องเตรียม่างพร้อมบอกตอนนี้ก็เตรียม ท่านบอกว่าเราต้องรู้แล้วว่าเราเองเนี่ยตั้งใจที่จะไปทางไหนเพราะฉะนั้นการที่เรามีครูบาอาจารย์ไหลองค์เนี่ยมันก็จะตีกันในใจอย่างนี้ใช่ไหมก็เอาเอาทางใดทางหนึง่งการที่สองอ่ะท่านก็พูดว่าเอ๊ะพูดแต่แฟฝงว่าอการบูชีต้องเข้าใจนะสถานภาพชีในสังคมไทยเนี่ยอยจะด้อยกว่า จะไม่ได้รับการยกยอ่องเชิดชูอันนี้ทำใจได้ไหมบอกได้ไม่มีปัญหาชิวๆอม่ท่านก็ให้คำแนะนำมาแล้วก็ท่านก็นถามว่ า, าที่ผ่านมาเนี่ยหลังกระเส็ก็คุยกับท่านเพราะว่าบางบกงกับบางบองติดกันว่า เ, าเราได้ฟังคำวมาจากจากทั้งไหนบ้างแล้วก็ไปปฏิบัติที่ไหนบ้าง แต่ท่านก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรนะแต่ท่านก็บอกว่าเลือกเอาว่าเอ่ออันไหนตรงจริตตัดเปล่าถ้าตรงจริตเราก็ไปท่านั้น อ, อแล้วก็ไม่ต้องคือพยายามศึกษาขององค์นั้นเยอะๆท่านก็พูดแบบนี้เอ่อก็เลยตั้งใจว่าอาทิตย์หน้าเนี่ย ไปไปอีกเจ็ดวันจะไปอีกเจ็ดวันเหมือนไปเตือนท่านน่ะเราไม่ให้ท่านรับที่เขาเขา อ, อ, อยากจะรู้จักนิสัยเราเหมือนกันไปเรื่อยๆไปบ่อยๆบางทีอาจจะต้องเป็นหลายเดือนในการการท่านจะลงใจว่าโอเคไปด้วยกันได้มัน่นตอนนี้มั่นกันไว้ก่อนยังไม่แต่งงานกันแต่ตัวกค็คิดอย่างนั้นแหละเพราะว่าแม่ทีเขาก็แยกแยบว่า เ อ, อโยมโยมจะไปวัดป่าสุขใจที่กุมภา ว, วาปีไหมหรือชะอมไหม ก, ก็คือก็เฉยๆยังไม่ว่าอะไรแต่คิดว่าเอาลักปักมาทางนี้ก่อนอาทิย์หน้าเนี่ยจะไปเจ็ดวันเจ็ดวันเลยแต่ อ, อแล้วก็ฉันหนึ่งเดียวก็ทําตามที่พระอาจารย์บอกอนะก็ใส่กระมังเนะ่ะคุกว่าคุกหมืนเช่าหมาเลยพอที่บ้านนี่เป็นคนเลี้ยงมาเออมันก็อร่อยเนี่ยแล้วฉันมนึ่เดียวนี่ไม่มี ผู้ตรงตเลยนะฉันวิดีอนี้มันมันเป็นมื้อที่อร่อยที่สุดตั้งแต่ยิงข้ามานะคะอาจารย์นี่ก็ยังไป็เกเรอยู่แต่มันน่อร่อยนะ ม, มันเป็นที่ไม่เราหมายอาจารย์มันมีเกเนแต่แต่มันเป็นการอาจารย์กู้ข้าหมานะผสมหมดขนมหวานอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เออ <c oughs> แต่ไปเป็นมื้อที่เราไม่เคยแล้วก็ไม่หิวเลยนะ <c oughs> แล้วก็กินน้ําคือพยายามนึกถึงที่ที่อาจารย์สอนไปนี่แหละก็ตั้งมั่นว่าจะไปทงเม็ดจะต้อง แต่ต้องปเป็นรูปแบบบ่อดจนกว<ไ>่าพระอาจารย์เขาจะเขาจะมั่นใจในในตัวเราเพราะว่าต้องรอให้พระอาจารย์สงบอะกลับมาจากอินโดนีเซียก่อน<ม>ซึ่งสามเดือนที่จะมามแต่ค่าวเนี้ยที่ที่ลูกสงสัยอยู่กลา ง, นงเนิ่งคือว่าคืออาจจะเป็นด้วยความที่ฟังเยอะเนาะเรื่องสงสัยว่าในฐานจิตของเราเนี่ยขอยานาตยกตัวอย่างนะคะว่า อของหลวงพ่อสงก อ, อ่ะท่านบอกว่าให้ถานของท่านอ่ะที่ฟังจอ่ากคำธรรมะที่ท่านบรรยายท่า น, นบอกละอกทรงอกแต่หลวงพ่อเยื้อนเนี่ยบอกว่าที่มันดีที่สุดสาหรับท่านเนี่ยคือสะดื้อเออไม่เราจะไปทางไหนวะเนี่ยแต่ก็เลยเคยลองลอ ง, ลองแล้วฐานที่เนออกเนี่ยเออ่ที่ทรงอกเยังมันอยู่ได้แต่ตอนหลังเนีัยไม่เกิดอาการจุกมันเหมือนมีอะไรอยูที่คอ ก็พอดีว่าอาทิตย์แรกตอนเน่ะฟุงก็เลยลองวันที่สิบสองสิงหาเนี่ยได้ฟังพระอาจารย์เยอละวมันฟุงมากก็เลยลองใช้วิธีของท่านทัานบอกดื่มน้ำเย็นก็ไปเลยท่านท่านเทศที่ว่าป่าบันตาเทศศศ่ษษษะดื่มน้ำเย็นก็ไปเลยน้ำมาวิ่งทางไหนอ่ะมันก็ไปอยู่ตรงนั้นนั่นแหละเอ๊ะมันไปได้มันก็เลยมีความรู้สิกว่าไปได้ อถามจิตทำไมไปอยู่ที่ที่ช่วงสะดือไปได้แต่ข่าวเนี้ยคือคือที่ที่กังวลเนี่คือว่าพระอาจารย์จงงเนี่ยถังจิตท่านก็อยู่ที่ทรงอกนึงหลงตามหาบัวนั่งอ่านนั่งฟังเทศท่านท่านก็บอกว่าถ่อที่ที่ทรงอกเน่ยเดึอจะกลับเรีย็นถามพระอาจารย์เรื่องนี่ยเมื่องว่าถามอะไรนะท่านเสร็จแล้วท่านก็ ถ, ถ, ถ้านท่านมีทายของท่านอยู่ตรงนั้นก็มันในความรู้สึกเวลาจิตสงบมันชัดเจนที่ตรงไหนท่านเองตอาตรงนั้นเลยใช่ไหมคน ก, ก็หมดหมดคำถามก็แต่แต่จุดหนึ่งเนี่ยพอได้ฟังอะ่ะเออเลยเข้าใจแล้วว่าเออจุดหนึ่งเวลาที่เกิดเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเออที่ มันความอยากมีอยากเป็นอยากได้เนี่ยมันเป็นทุกข์ที่เราเองนีไปเปิดไปเปิดรับทุกข์ของคนอื่นเข้ามาใส่เราเอ่อก็เลยมองเห็นแล้วว่าเออไอ้มาต๊ะเนี่ยเริ่มเริ่มที่ละท่องกันเนี่ยเออมมันรู้แล้วว่าให้มันคิดดีก่อนทําดีพูดดีเออแล้วมันก็จะไปในเรื่องของเออ่การงานที่ดีอซิีคือทุกอย่างหมดจะดีเ อ, อมันมันเริ่มเห็นทางมันเริ่มมันเริ่มที่จะ จะไปพิจารณาทำทาตรงนั้นได้ <laughs> นั่นแหละค่ะแต่ก็ก็นี่แหละค่ะอาทิตย์หน้านี่ก็จะไปตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงวันเสาร์เรไปไวอยไปทำความรูจ้จักวิธีกินวิธีอยู่ของเขาว่าเขากินยังไงอยู่ยางไรวิธีสั่งสอนธรรมะเขาสอนอะไรให้ปฏิบัติอะไรแล้วก็ แล้วเขาก็จะดูเราด้วยว่าเราตัวเราทําตัวเราเป็นยังไงเหมือนก็ต่างฝ่ายต่างมองกันนะคนรู้จักกันก็ต้องรู้ ก, กายแต่ไม่รู้ใจก็ต้องอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆก่อนเอ่อก็พดีพอ ด, ด, ดีตอนที่เวลาพระอาจารย์เนาะแต่ไม่ใช่พระอาจารย์เอชอกับเพื่อนๆที่ญาติที่ไปปรึกษาถามว่ า, า, ารพระอาจารย์เขาพูดอย่างนี้ ว่าจะเอาองค์ใดองค์หนึ่งมันหมายถึงยัไงเนี่ยเราก็มีทูตว่าอาจารย์อะไรคนอย่างอย่างคนที่แปดอที่ไปมีมีที่แปดมือนี่ไปเขาบอกว่าเขาก็ฟังไล่ไล้คนที่ไปปฏิบัติธรรมอ่ะฟังพระอาจารย์สุชาติเออพอเขาเจอคำพูดคำนั้ น, นเขาบอกว่าเอ๊ะมันเป็นการที่พระติดทางเราหรือเปล่าเออว่าจะต้องฟังหลวงพ่ อ, พอสงบองค์เดียว แต่ไม่หรอกถ้บวชเนี่ยมันต้องเหมือนไปเรื่องโรงเรียนใด่ใช่เหมอือนลูกหลายคนก็ลุ้นนะไม่ใช่ไม่ใช่จะเอาไปหลายโรงเรียนบวชอยู่วันนี้แล้วเดี๋ยวขอไปวันนูน้นไปอยู่วันนูน้นเที่ยวไปหมดนี่ไม่เอาใช่เขาบวชที่ไหนก็อยู่วันนั้นวันเดียวเลยคเขาเขาก็อออบอกเออเป็นญาโยมก็ไม่เข้าใจบอกเออเราเข้าใจนะว่าพระบอกว่าไม่อย่างนั้นนะหูตาเราจะไปที่อื่นแล้วการการการที่ ทั tunes, its, ้งจะสั er ่งสอนเราเนี่ยขัดเกาเราเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปแย้งกับฝันที่เดิมก็ได้ก็สิ่งที่อนำเรียนนำเรียนหลวงพ่อก็คิดว่าน่าจะอีกสักสองสาเดือนถ้ามันลงตัวและได้เจอผ้าตาสงบท่านก็คงจะช่วยตัดสินใจให้ออก็ดูไปก็ไม่มีอะไรแน่นอนใช่ค่ะไม่มีอะไรแน่นอนจริง ช่วงนี้ต้องเที่ยวเป็นชื่องทดสอบจิตใจเราก็ทดสอบดีค่ะเขาอยู่บ้านอยู่บ้านหลังคนเดียวก็สงบจริงๆจริงๆก็ก็เอ๊ะเราก็ปฏิบัติธรรมที่บ้านได้เนี่ยเพราะว่าบ้างก็จะไม่มีใครก็มีหมาเอ๊้แต่ว่าที่นี่มือนสัปเะดีนะว่ามันเป็นสถานที่สัปยะมากเลยบ้านมันดีกว่าบ้านมันดีกว่าบ้านก็หวังว่าก็เดี๋ยวกลับมา อาที่น้าไม่ได้คุยกับพระอาจารย์และอาทิตย์ถัดไปจะมารายงานนึกจาว่าไปเจ็ดวันแล้วเป็นยังไงแล้วข่าวหน้าจะไปก้อนว่าถ้าตั้งใจในมาอีกแล้วจะเพิ่มให้เพราะว่ากดเขาคือครั้งแรกให้สามวันเพราะหนั้นจากนั้นนจะผีดวันจะได้แต่อยู่ได้ไม่เกินเจ็ดวันแต่ถ้าจะเตรียมความพร้อมอย่างเนี้ยจะต้องให้พระอาจารย์อนุญาตดีนี่นี่เป<ด>็น<ด>ขั้นตอนของการที่เราจะเข้าสู่ ชูระบบศึกษาทางทางพุทธศาสน า, สาแต่แต่ที่มั น, ม, นมันมันไอ้นี่อยู่อย่างหนึ่งคือคือในการทํางานเพราะว่าตัวตัวหนูเองตัวตึวกเองเนี่ยรักเรื่องการเนาะแล้วเราจะหนักไปทางคิดวิเคราะห์พอคือบทสวดมนต์พิ้นญาเนี่ยเราได้หมดเลยเขาก็ทําวัดช้าทำวัดเย็เนปกติอ่ะแต่บางบทเนี่มัน ล, ลองแล้วที่ทำไมไอ้ความจํานี่มันยากจํานะ มันแย่งจำเลยอ๋อถ้าย่ยอายุมากความจำมันก็จะยากขึ้นใช่เพราะว่าสมองเราจะจะจหนักไปทางวิเครอก็เลยจะแต่ก็เลยคงจะต้องมานั่งมานั่งเรียนใหม่เนี่ยเหมือนกับเริ่มต้นใหม่ตอนนี้ทำใจให้ว่างแล้วก็เริ่มต้นเหมือนเรียนตอนหน่งใหม่เลยอ่ะอืมถูกต้องก็เป็นอย่างนั้นนะคะาอาจารย์ก็ออขอให้ลูกไปปฏิบัตินี่ก็ ขอเป็นผู้บูชาธรรมบูชาสังฆ บ, บูชาขอให้พระอาจารย์มีท่าสังที่แข็งแรงนะเจ้ะคะาค่ะยอดสาวเขอให้ได้พบกับสิ่งที่ต้องการนะค่ะแลวจะได้โยกคามาสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ในอีกสถานะหนึ่ง ค, ะค่ะอดดีจ้ะสาวเตี้ยที่นาราธิวาคุณแม่ลูกคุณดิตยานมัสการพระอาจ<ข>ารย์ สาอืมอยู่บงเชขาชิโอนนั่นมันภาพเขาชิโอนวันนี้มาร่วมฟังครรมค่ะอาจารย์ของโยมนะคะอาจารย์เอเอาภาพนั้นเป็นภาพเขาชิโอนค่ะได้มาจากคุณหลาก็เลยเอามารู้สึกล่มลื่นดีค่ะอ่าสำหรับโยมนะคะอาจารย์เมื่อสัปดาห์ก่อนนุ้นแบบเป๋มากเลยค่ะ มันเป็นหวัดใช่ไหมคะนั่งภาวนาก็ไม่ได้นั่งแล้วมันคันจมูดกดุกด้งริบรุ้งริบอย่างเงี้ยค่ะจะไปเดินจงกรมก็ไม่ได้ฝนตกก็เลยใช้วิธีการลม่มแล้วก็เปิดประตูออกไปเดินในซอยเดินพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆค่ะมาออกไปถนนใหญ่ไม่ไม่รู้ตัวออกมาแบบมันกำเดินเพลินนะคะได้ยินเสียงจะไปไหนฝนตกตัวจริงด้วยก็เลยเดินกลับมาค่ะจางแล้วก็มีความรู้สึกว่านั่งก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้มันฟุ้งซ่านไปหมดเลยค่ะ แล้วก็จกนกระทั่งมาได้สติว่าตอนที่เพื่อนเขามีปัญหาเราให้กําลังใจเขาเรากลับว่าอา้าวทาไมเราไม่เอามาใช้เองแบบนี้ค่ะอาจารย์ยมก็บอกว่าเราเริ่มโง่อีกละมันเหมือนกับวิชาคณิตศาสตร์มันไม่มีอะไรหลุดไ ป, ปจากบวกลบคูณหารเลยความทุกข์เราก็เหมือนกันยมก็เลยกลับมาใช้สติใหม่ค่ะอาจารย์แล้วก็ตั้งต้นใหม่เตรียมรับมันใหม่แล้วก็เริ่มทํางานแบบอยู่กับงานค่ะอาจารย์ แล้วเมื่อสักครู่นี้พอเริ่มฟังสูงเข้ามา้แต่แรกแล้วก็มีสติอยู่กับการฟังของอาจารย์ก็ยิ่งช่วงที่อาจารย์ของที่คุณหมอถามอาจารย์และอาจารย์พูดไปมารู้สึกใจพองฟูขึ้นมาแล้วคะ่ะอาจารย์อาการที่มันเริ่มสติมันกลับมาแล้วคะ่ะกลับมาไม่ไม่ได้หลุดไปแล้วคะ่ะแล้วก็รู้สึกว่าพอสติมันเริ่มกลับมาได้ตั้งต้นได้แล้วก็ โอเคค่ะแต่ว่านั่งภาวนายังไม่ได้นะคะเพราะว่านั่งแล้วมันคันจมูกค่ะจย์ก็เลยใช้วิธีการทำงานแทนค่ะแต่เมื่อสักครู่นี้คือนั่งแล้วแบบมันดีมากแอบน้ำตาไหลนิดนึงค่ะตอนที่อาจารย์สนทนากับคุณหมอนะคะดีค่ะจตอนนี้ก็กลับมาที่สติเนี่ยมันปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการไม่มีสติพอให้จิตมันคิดปุงแต่ารฟุ้งซ่านไป ใช่ค่ะยมยมเจอเจอเรื่องมากระทบใจนิดนึงแล้วก็มันก็เลยเตลิดไปอะค่ะพอมีสติกับมาปุ๊บอ้าวเรากลับมาเรื่องเดิมแต่ ว, ว่าแค่เปลี่ยนโจมันจะคณิตศาสตร์ค่ะมันเปลี่ยนแค่เปลี่ยนโจดแต่ ว, ว่าวิธีการแก้ปัญหามันก็ยังไม่พ้นบอกว่าคุณหารอยู่ดีถูกต้องยมก็เลยบอกเออโง่ อ, อีกแล้ะกลับมาหที่สตะิะใช่ค่ะใช่แล้วนี้ก็เลยบอกว่า ก็มันบางทีการสนทนากับเพื่อนที่ก็ปฏิบัติธรรมด้วยกันเนี่ยมันทําให้เราได้สติจริงๆค่ะอื mm hmm. ถูกใจขึ้นมาบอกว่านั่งภาวนาไม่ได้เลยรู้สึกแย่มากเราเราโทษตัวเราเองนะคะตอนนี้ทุกขของเราเนี่ยไม่ได้เกิดจากคนอื่นเลยทุกเกิดจากตัวเราเองว่าเราทําไม่ได้เราแย่มากอย่างเงี้ยค่ะแต่น้องก็บอกว่าพี่ทําได้นะเพียงแต่ว่าไม่ได้ตามที่พี่ตั้งเป้ามันก็เออจริงด้วยอย่างน้อยที่สุดเราก็พบว่า ใช่เราเราได้อยู่ค่ะอาจารย์เพียงแต่ว่าไม่ได้อย่างที่เราเคยได้ค่ะแล้วก็จากการที่เดินทํางานยมยมยมมาเป็นแม่ค้าดอกไม้นะคะช่วงนี้แล้วก็จัดใจ ก, กันดอกไม้ร้อยมะลัยขายแบบเนี้ยค่ะเราเดินไปเดินมาบาทีเราไม่รู้ตัวเราเองด้วยซ้ําว่าเราเราเป็นไงเราจะเห็นแต่ว่าสิ่งรอบข้างเราอะค่ะอาจารย์เราไม่ได้สนใจตัวเราเองร่างกายเราเองด้วยซ้ําไปอ่ะค่ะอาจารย์มันแบบนี้เราสติเราหลุดหรือเปล่าคะ ก็อยู่ที่ว่าเราใช้อะไรเป็นที่ตั้งของสติเรามันต้องมีที่ตั้งอย่างใดดูดูการเคลื่อนไหวดูการทํางานค่ะอาจานถ้าแบบก็ได้อยู่ใช่ไหมคะได้ได้อย่แต่โยมก็ยึดตามแบบอาจารย์ที่จะเริ่มยังไม่บวชนะคะโยมบอกว่าอาจารย์บอกว่าแต่งกายตามธรรมดาแต่ว่าถือศีลแปดโยมก็เลยแต่งกายธรรมดาแต่ถึงศีลแปดแต่ไม่ได้แต่งเพื่อความสวยงามนะคะหยิบเอามาก็ใส่แล้วก็มีอยู่วันหนึ่งคะ่ะ ขับรถไปสุงไห่กโลกไปซื้อของพอลงจากรถได้เดินเข้าไปเห็นกระจกที่สะท้อนมาอายเลยค่ะอาจารย์ใส่เสื้อสีละก ร, รมกางเกงสีน้ำตาลรองเท้าแต่เดินไปอุ๊ยเราบางทีเราลืมเราไม่ได้สนใจการแต่งกายของเราไงคะอาจารย์แต่พอไปสภาพแบบนั้นปุ๊บวยบางทีมันก็ไม่เหมาะสมไงคะแต่เราถือว่าเราได้ใช่ไหมคะลักษณะบแบบนี้ก็อยู่ที่การรักเทศวว่าเราอยู่ที่ไหนควรจแต่งกายแบบไหน ยมยมไปตลาดไปซื้อของค่ะจย์มไม่ได้ไปในงานะ่ะแค่นั้นเองเพียงแต่สะดุ้งกับการแต่งกายของเราเองอะค่ะจันสะดุ้งทาไมนะ่ะมันตลกมากเลยค่ะจันแต่งตัวแบบหยิบอะไรได้ก็ใส่ไปอย่างนั้นค่ะเราไม่ได้สนใจว่ามันสวยหรือไม่สวยแมทหรือไม่มมแมทใส่ได้ก็ใส่ไปเลยอะค่ะแบบนั้นนะคะก็ <Okay. S 1> พอไปดูปุ๊บเฮ้ยเราเรามาแบบนี้ได้ด้วยเลยมี่งแบบนั้นนะคะจย์ตลกดีค่ะก็จะ <Okay. S 1> แบบเขาอธิบายว่าเราไม่เราไม่สนใจกันเรื่อง S <S ใช่ค่ะความสวยความงามของเสื้อผ้าพอนะ้ใส่ใ<ช>ไปเพื่อปกปิดร่างกายป้องกันร่างกาย น, นั่นเองบางทีบางทีน้องก็บอกว่าโอวันนี้มาชุดเออฉันไม่ได้สนใจว่ามันสีอะไรมันแมทหรือไม่แมทหยิบได้ก็ใส่แบบนั้นนะคะจางค่ะไม่ได้ไม่ได้ให้ความสนใจกับความสวยความงามนะใช่คช่ะเรื่องผมเผ้าอะไรก็ปล่อยมันอย่างเนี้ค่ะมีคนบอกว่าไม่ไม่คิดจะยอมหรือบอกคงไม่แล้วล่ะพี่คงจะเป็นแบบนี้แล้วล่ะค่ะ มาทางนี้แล้วมาเกินครึ่งไปแล้วอะค่ะก็คงจะไม่กลับไปทําอะไรกับมนันนะค่ะอาจารย์นี่คืลักษณะของศีลแปดเนี่ยไม่ <c oughs> ไม่เสริมสวยความงามของรางอ่างกายก็ยังศีลแปดมาจนจะเข้าปีที่สองแล้วค่ะอาจารย์ยัง <c oughs> ยังเป็นอยู่แบบนั้นอยู่ค่ะ <c oughs> มันมันเหมือนกับว่ากลายเป็นความคุ้นชินแล้วจะกลับไปมันก็คงจะยากะะอ่ะค่ะมันเป็นนิสัยใหม่ใช่ค่ะมีรุ่นน้องมาบอกพี่ เดี๋ยวงานเกษียณเ้าพี่ไปนะแล้วพี่จะกลับมากินข้าวสองมื้อได้เมื่อไหร่เออพี่คงจะยากนะแต่ว่าไม่เป็นไรถ้าเธอจะให้พี่ไปเดี๋ยวพี่จะเลนให้เธอสิบโมงเพราะว่าเขาเขามีน้ําใจไงคะจันแต่พี่เลนให้เธอสิบโมงนะแต่ว่าพี่บอกไว้ก่อนว่าถ้าพี่ไปกินข้าวกับเธอพี่อาจจะอเสียมารยาทตรงที่พี่ไม่คุยกับเธอนะพี่จะตั้งตั้งหน้าตั้งตากินนะพี่บอกไว้ก่อนเขาก็เขาก็บอกไม่เป็นไรอ่ะค่ะจัน ม, มันเปลี่ยนไปแล้วว่ะค่ะอันนี้โยมรายงานค่ะอาจารย์ย่าดีจ้ะสาธุสาธุค่ะจ้อะอาจารย์พมวมิไยคุณอ น, นุกูลตื่นไหมยัง ก, การนวมศักดิ์พระอาจารค่ะคุณนุนูรออยู่ค่ะกลับนวมศักดิรอาจารย์ครับยินดีไปบ้า ทำไมดเข้านอนกี่โมงนะสองทุม่มค่ะสองทุ่มเลย อ, ออ๋ส อ, องทุมม่มก็หลับปุย๋ยแล้วคะ่ะก็ตืต่นตีสี่อืมดีนอนได้มากๆคนอายุมาก็ต้องการพักผ่อนมาก<ะ>ค่ะวันนันที่เรานอนไม่พอรู้สึกร่างกายมันจะแสดงอาการไม่ดีแม่ดานนอนนอนกี่ชั่วโมงคะ่ะ มันก็เตะคืนนึงประมาณสี่สี่ห้าชั่วโมงประมาณนึงแต่ก็วันอาจจะขอสักชั่วโมงหนึงหลังจากกลับมาจากศาลาชันแล้วก็มันก็หนังท้องมันตึงหนังหนัตามันก็หยอนตื่นเช้าด้วยค่ะเมื่อคืนที่เต็มพร้อมจะไปถวยอาหารเมื่อคืนก็นอนน้อยค่ะอืร ม, ม, มั น, า<ะ> น, น่างกานอนร่างกายมันจะบอกลเลยสังเกตการณ์มันจะ งั้นตองให้มันอีกนอนให้อีกไม่พอไม่ได้นอนเพืความสุขนอนเพื่อรักษาสุขภาพของร่างกายเราก็นอนสลับวันได้นะคะนอนน้อยแล้วต่ออีกวันนอนมากอ่าเข้าใจได้ไม่งั้นบางคนต้องไปทานยาอนอนหลับอย่าไปใช้ยาเลยใ ช, ใช้สตินี่กว่าถ้าหยุดคิดเมื่อไหร่มันก็หลับเมื่อนั้นะ่ะ ที่มนไม่หลับเพราะที่มันไม่หลับเพราะมันคิดอ้ะมันคิดอยู่เรื่อยๆมันก็เลยไม่หลับเลือกเป็นฝันแทนได้ปะไม่คิดแต่ในฝันมันก็คิดอยู่นะคะเอาไม่เป็นไรค่ะเรเราหลับไปแล้วก็แล้วกันเราจะฝันให้หลับก็ไม่เป็นไรค่ะโอเคค่ะแต่ไม่มีอะไรค่ะค่ะวันนี้ได้รับธรรมะมาเรียบร้อยตอนเช้าก็ประจักษ์ค่ะ ต้องขอไปด้วยนะเวลาไม่ใกล้มีคนเยอะคนคนนั้นก็ตอเราชิว เ, เข้ามาอะไรค่ะแต่ได้ได้คำตอบชัดเจนค่ะโ อ, อเคสาธุการนิสการค่ะคุณชานนี่แมงกับกร่ำนมาสการคะอาจารย์ค่ะ พอดีวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของหนูค่ะแต่ว่าหนูอา่าไม่ได้จะขอพอรอะไรแต่ว่าอยากขอกําลังใจในการปฏิบัติจากพระอาจารย์ค่ะอ่ามาให้คิดว่าความพยายามที่ไหนความสำเร็จอยู่นี้นั่นความเพียรพระเจ้าบอกหุดพ้นจากความทุกขได้ด้วยความเพียรหลุดพ้นจากการเวียนว่าตายแกิได้ด้วยความเพียรถ้าอยากจะหลุดพ้นอยากจะได้ความสําเร็จในชีวิตก็ต้องขยันหมั่นเพียรในการ ปฏิบัติทําทําหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์สัพติปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบค่ะพระอาจารย์หนูจะน้อมนําเอาไปปฏิบัติค่ะขอพระคุณพระอาจารย์มากอ่านสิ่ภาวนาเนี่ยเป็นหน้าที่ของเราค่ะหนูจะตั้งใจจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดมาขอพรอเรื่อยๆค่ะหนูก็คาดหวังอย่างนั้นค่ะจะไม่อยากกลับมาเกิดอีกค่ะพระอาจารย์ อ่โดยสําคัญที่สุดก็คือความเพียร น, นะหมดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรค่ะพระอาจารย์ขอพระคุณค่ะไม่มีคำถามค่ะถ้าไม่เพียรทากกนก็เกิดไม่ได้ศีลก็เกิดไม่ได้สมาธิก็เกิดไม่ได้ปัญญาก็เกิดไม่ได้อยู่ที่การความเพียรที่จะทําเหล่านี้พอทํามันก็จะเกิดขึ้นมาาอเค okay, นะ ให้สุขให้แข็งแรงสุขภาะแข็งแรากำลังวังชาที่จะปฏิบัติไปให้ถึงจุดหมายปลายทางในภพนีนชาตินี้เลยนะจู๊ค่ะพระอาจารย์ขอบคุณค่ะนี้คุณจู๊โคเร่สวัสดีตอพระอาจารย์เจ้าค่ะมีอะไรไหมอาทิตย์ที่แล้วที่พระอาจารย์บอกว่าให้หนูไปลองปฏิบัติเองที่หนูถามว่าถ้าเราดับตรงวิญ ญ, ญาณเลย สักรู้ไอเห็นก็สักว่าเห็นรู้แต่สักว่ารู้พระอารย์อกให้ไปไปฝึกเองไปดูเองจะได้เกิดปัญญาเองอหนูไปพิจารณาฝึกมาทางอาทิตย์สำหรับตัวหนูหนูว่าหนูยังไม่ได้พระเจ้าค่ะเอพระเจ้าค่ะไม่ได้ซิค่ะเพราะว่ายังยินดีได้อยู่ใช่ค่ะคือหนูคิดว่าการที่เราจะดับไม่ใช่คิดสิคือเท่าที่หนูทํามาเนี่ย มันดับไม่ได้คะ่ะมันคิดขึ้นมันมันมีเวทนามันคิดขึ้นมาตลอดเลยรู้ทนันยังไม่ทันเลยคะ่ะอาจารย์ได้แต่รู้ตามการสติการอุเบกขาต้องฝึกสตินั่งสมาธิให้มากมากจ้ะค่ะมัจะมีสติจิตมันจะมีอุเบกขาแล้วต่อไปก็จะเฉยได้ค่ะอือก็อุเบกขามันไม่เกิดจากการมานั่งคิดยิ่งคิดมันยิ่งไม่เกิดมันต้องหยุดคิด อุเบกขานะเนีัญจะการหยุดคิดทําจิตให้โดนเป็นสมาธิแล้วก็จะได้อุเบกขาอืพอมีอุเบกขาแล้วที่นี้ก็สามารถทําตามที่พระเจ้าสอนได้ไม่สักแต่ว่าสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินเข้าใจแล้วเจ้าค่ะที่พระอาจารย์ชมกลยานนำพิธีท่านอื่นที่ที่เขาพูดว่ารู้ทันรู้ทันหนูเข้าใจแล้วค่ะว่าหนูไม่รู้ไม่ทันอ ยังหลงอยู่ยังหลงอยู่ยังมีคิดอยู่แล้วเวลไรพยายามทำไปเรื่อยๆแล้วก็รู้ทันเองค่ะแต่พยายามค่ะพระอาจารย์คะคือหนูตอนนี้หนูหนูก็ไปศึกษาปฏิจจสมุทรธบทตะค่ะพระอาจารย์หนูสงสัยอะค่ะพระอาจารย์ที่อวิชชาเป็นเป็นปัจจัยให้เกิด สังขารใช่ไหมเจ้าคะสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณแล้วพอวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดเอ อ, อะไรเนาะนามกับรูปเหรอลางกับรู ป, รกกรปใช่คะ่ะรูปรูปอรู ป, ร ป, ปแล้วก็พอรูปก็เป็นปัจจัยให้เกิดเอ่ออายตนะใช่ไหมใช่ใช่คะ่ะแล้วก็จากนั้นก็ไปผัสสะหนูสงสัยว่าผัสสะตัวนี้กับวิญญาณอ่ะมันมันตัวเดียวกันหรือเปล่าคะ เวลาตัว่าภาษาหมายถึงตาสัมผัสกับมูกไอ้าตาสัมผัสกับรูปนี่ก็ผัสสะเขาว่าภาษาออกไปว่าสัมผัสเงี้ยเวลาตาเห็นนูปนี่ก็คือผัสสะเวลาหูได้ยินเสียงนี่ก็เรียกผัสสะเอ่ออายตระพายนอกกับอายตนะภายในมื่อสัมผัสกันมันเจอกันอายตระภายในก็ตาหูจมูกนิ้วกายอายตนะภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ พอเห็นรูปปั๊บมันก็เกิดเวทนาขึ้นมาทันทีนะเกิดสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ขึ้นมา ท, าทันทีเห็นรูปที่ชอบก็สุขเห็นรูปที่ไม่ชอบก็ทุกข์เห็นรูปที่เป็นกลางก็เฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์ในปัญหามันอยู่ที่ตามมาพอพอเกิดเวทนาแล้วมันจะไปเกิดตัญหาขึ้นมาแต่ตอนนี้ที่เราต้องมาคอยหยุดมันให้รู้เฉยเฉยง่ายๆปอะหยัด ที่พที่เมื่อกี้คุยกันว่ามาถึงจุดเนี้อยอยู่ที่ปัสสาวะใช่ไหมค ะ, อ, ะอยู่ที่ปัสสาวะแล้วถึงแม้จะมีเมตนาก็อย่าไปรับรู้เฉยๆรั่วมีสุขมีทุกข์มีไม่สุขไม่ทุกข์แต่ไม่ต้องไปทําอะไรตามตามตามเวทนาถ้ามันสุขก็อย่าไปอยากให้มันสุขไปนานๆถ้ามันไม่เที่ยงเดี๋ยวเอยากให้มันสุขไปเพราะไม่สุขขึ้นมาก็จะทําให้ใจเราทุกข์ได้ ถ้าทุกข์ก็อย่าไปอยากให้มันหายเพราะบางทีแล้วก็ได้มันไปไม่ได้ใช่ไหมก็มให้รู้เฉยๆไปอยู่เฉยๆไปอย่าไปอยากตัดตัดปัญหามันอยู่ที่ตัวตัวความอยากแล้วก็ตัวอุปทานพออยากแล้วก็ยึดติดกับสิ่งที่เราอยากเรารักเราชอบพอเสียมันไปเราก็ต้องไปหามาใหม่หาใหม่ก็ไปเกิดใหม่ไปพบเป็นพบใหม่ขึ้นมาได้เนี่ยตัดสองตัวนี้ได้ก็จบตัด ตัณหาก็ถ้าตัดตัณหาความอยากได้มันก็จะตัดอุปทานได้ตัดอุปทานได้มันก็จะตัดพบได้ตัดการเกิดแก่เจ็บตายได้เนี่ยดี่ฝึกให้ฝึกนี่ก็ฝึกให้เพื่อหยุดความอยากให้รู้เฉยเฉยรู้ว่าอย่าไปอยากวิธีที่ไม่อยากก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่เราอยากมันเป็นทุกข์มันเป็นตายรัมันเป็นอะไรนี่จังทุกขังลนันตาน เราจะรู้เฉยๆได้นอกจากรู้ว่ามันเป็นตายแล้วใจก็ต้องมีอุเบกขาด้วยทําตามที่เราเห็นตามตามที่เรารู้ได้ว่าเออมันเป็นทุกข์ไม่อยากไปอยากนะแต่ถ้ามันยังไม่มีอุเบกขาถ้าเมื่อรู้ว่าเป็นทุกข์ว่นะยังยังอยากจะได้อยู่มันต้องต้องมีทั้งสองอย่างต้องมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญามันถึงจะตัดความอยากได้ถึงจะหยุดความอยากได้ถึงจะรู้เฉยๆได้ รู้โดยไม่มีความอยากพ <Okay. S 1> อใจใหรือยังพอใจแล้วเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวอาทิตย์ต่อไปต่อไปหนูจะเอาไปปฏิบัติะคะ่ะฝึกสองอย่างฝึกสมาธิฝึกปัญญาสมาธิง่ายได้ อ, อเุเบกขาปัญญาก็ต้องเห็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจังทุกขังของนัตตาใช่ค่ะ ขอพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะขอให้พระอาจารย์มีธาตุแข็งแกร่งนะเจ้าค่ะจ้าาาคาาาาาาาาาาาาาาาณาาานาาาอาานาาาาาอยา่ที่า่าาาาาาาอาาาาาตาาาา่าาาาาา่าาาราาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาอา กลับมาปฏิบัติเหอเดิมก็ข้อร่างกายไม่เหนื่อยมากก็นั่งได้ยาวขึ้นเหมือนเดิมกำลังกลับมาก็สงบดีครับอาจารยกลับมาชาติพลังได้เลยก็ยังเข้าๆออกๆอยู่นะพอมีพลังเดียวก็ออกไปใหม่เพื่มสูงเยอะเลยนะมีคนมาชวนเยอะเดียวก็ถัดเขาไม่ได้ จริงๆเพื่อนน้อยก็จารนโยมเป็นคนค่อนข้างไม่ไม่ค่อยคุยเปนคนแบบไม่ไม่ค่อยเดาพูดก็เป็นคนไม่ชอบไปสังสรรค์นะพระอาจารย์แล้วแต่ยิ่งพอหลังพอเข้ามาปฏิบัติทำ ม, มากขึ้นเนี่ยหลบเลี่ยงงานปาร์ตี้ทุกอย่างงานบุญไงงานบุญมันลบมันหลบไม่ได้ถ้างานใครควรกินวันพุธนี่บอกว่าไม่ได้ไม่ได้วันพุธต้องเข้าเข้าเรียน ือคนก็แต่ถ้างานบุญก็ก็ก็เลือกก็เลือกไปเหมือนกันว่าก็ไม่ได้ไปไม่ได้่เพื่อไม่จะไปเพิ่มเพื่อนะไม่ได้ไปเพิ่มเพื่อแต่ก็เพราะงานบุญอย่างงานภาวนามันมันสวนทางกันมันจะแยกเวลากันถ้าไปงานบุญมันก็ภาวนาไม่ได้ถ้าอยากจะภาวนามันก็ต้องทิ้งงานบุญไปก็เฉพาะพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ ที่เป็นพ่อแม่พ่อจาันที่ที่สอนเราอะเขารบเราเราไม่ได้ไปทุกงานอย่างที่เราเห็นทุกเวทุกทุกงานเลยเอาพวกนี้ไปต้องงานานะต้องแข่งทุกคนเลยอะไบเอ๊ะเมื่อกี้วันนั้นยังเห็นอยูอย่พีซินโดโรวันนี้ทำไมไปผโผล่หน้านอยู่เชียงรายโอ้บางคนนิยมแบบเอถือมากว่อาจาันทำไมถึงเก่งขนาดนี้เราแบบเออเราเราเลือกเราเลือเลือ ก, เ ล, อกเลือกให้พอเหมาะเขาอย่างเราย่งเป็นพวกแสวงบุญอยู่ยังไม่ได้สวงภาวนา ก็เลยคิดว่ามันมันต้องแบบแค่พอเหมาะพอเพราะว่าเรามากไปก็มันจะก็มันก็จะไปกินเวลาอื่นขอ ง, งการภาวนาของเราจริงๆนะก็ทุนใตก็เป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ที่เขาเคาราะบะสอนเราก็เท่านั้นเองพัฒนาไม่ไม่ได้วิ่งให้ทุกงานบุญไม่มีกําลังนะัอ่าแล้วก็ตอนจดกระเสร็จก็กลับมาภาวนามันมันเป็นสิ่งสําคัญที่สุดว่ฒนาโยมอืว่าในในวันสามขั้นอ่ะทานศีลภาวนาก็ มันก็ต้องทำานะหัวใจของสองฆ์การปฏิบัติธรรมอาหนามันเหมือนเราดับอุดมศึกษาไงต้องขั้นขั้นขั้นมาหาลัยแต่ทางนี้มันขั้นถวายมนุบาลแต่ก็ทําทําต้องบอกว่าบางทีทําพาทำเพราะว่าน้องๆใน Office ออฟฟิศอ่ะเขาคือเราต้องทําทําให้เขาเห็นอาจารย์บางทีเขาก็เห็นแล้วเขาก็เออจะได้ทําไปด้วยะอะไรอย่างเงี้ย ่ทําให้เขาได้มีโอกาสได้ทําด้วยเพราะว่างมื่นไงบางทีเขาไม่พอเขาเราไม่นำเขาเขาก็จะแบบเออแบบเอ๊อหัวหน้าไม่ทําอะไรก็ทําพาทํำพาทำเมื่อพาทําเงี้ยทานมันก็จะง่ายหน่อยยางบางทีบางคนชอบสวดมนต์แต่พอชวนภาวนานั่งปฏิบัติธรรมไม่เอาหนูนั่งยากว้าเราอุตส่าห์สวดมนต์มาแล้วนะสงบแล้วนะไม่ไม่ไม่นั่งเลยไม่ไม่ค่ะหนูชอบแค่สวดมนต์ก็ก็มีนั่งก็ ก็พยายามชวนน้องๆ อ, อะไรอย่างนี้แล้วแต่ละคนก็อย่าไปออากังวลกับเขามากเนื่อลืมงานของเราไปนะไม่ก <c oughs> ็บอกว่าอะไรก็จะบอกแค่ว่าเราก็ทําให้เห็นใครแล้วก็เห็นว่าเป็นประโยชน์อืก็ก็ทํามาทําด้วยกันอะไรอย่างนี้เพราะว่ามันมันก็แล้วแต่แต่ละคนนะอาจาภูมิแต่ละคนสักพักเลยนะบารามีแต่ละคนที่สะสมมา ออืถึงเวลาของเขาเขาก็คงเห็นประโยชน์ของสิ่งที่ทําเองเลยไม่มีกังวลอนะไรก็ดีพระอาจารย์กลับมานั่งก็ดีค่ะเพรว่ารู้สึกสงบดีเไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เข้าที่สการ์ระถินจอาไว้กี่วันแล้วจังไว้กี่วันมีมีทุกเย็นเลยค่ะพระอาจารย์วันนี้ก็จะเป็นเสาร์อาทิตย์นะแต่ก็ ป่าพี่ที่เราก็เป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ที่เราก็กลับว่าอยู่อย่างเงี้ยเราก็ไปนั่ น, ย อ, น, นอย่างนั้นวัดเล็กๆค่ะพอาจารย์วัดให่วัดใหญ่ไม่ได้วัดใหญ่เขามีเจ้าภาพของเขาเนี่ยเราก็ไปช่วยดูวัดที่แบบบางทีปีเออเพิ่งมีพระ ค, ครบรูปเป็นครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยรู้จักคุ้นเคยกันก็นั่นก็ได้เดี๋ยวโย่ไปช่วย <laughs> อยู่ป่า ก็ดีครับอาารจริงๆเวลาอย่างนี้ก็จะไปภาวนาก่อนด้วยก่อนจะถึงวันงานเนี่ยก็จะแบบขอไปไปลีกวิเวกก่อนแล้วค่อยไปจัดการงา น, งานดีอย่างไรก็ไม่ทีงานงานอะไรงานสําคัญม <c oughs> าก็จะชวนไปมาจนก่อนนะวัดป่าท่านก็ป้ายาดีเราก็ไปภาวนากันแล้วเราค่อยไปช่วยงานตรงนั้น อ, อเก็บเก็บเก็บแต้มไปเรื่อยๆครับอาจารย์โอเคดี okay. อันนี้ไม่ไม่มีอะไรนะมีค่ะโอเคสาธุอนาโก็คือท้าทันแข็งแร ง, งค่ะสาธุแม่น้องเหมนเชิญกับสาธุคะ่ะพระอาจารย์ได้ยินหนูไหมเจ้าคะได้ได้ยินจ้ะเจ้ า, จาคะ่ะพระอาจารย์ก็ของหนูก็เรื่อยๆเลยค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์ค่ะมันความรู้สึกหนูในปัจจุบันเนี่ยคะ่ะเหมือน ถือเหมือนเจอทองคําอะคะ่ะพระอาจารย์คือทองคําทางใจคือตอนแต่ก่อนตอนเรียนนะคะชอบแข่งขันชอบทํากิจกรรมเพื่อเอาล่าร า, างวัลอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์พอพอมาเจอปัญหาคือด้านสุขภาพร่างกายคือการผ่าตัดใช่ไหมเจ้าคะ่ะแล้วมาเจอปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์มาเจอความสุขทางใจมันก็เลยเหมือนโอ้เราเจอของดีเหมือนเจอทองคาเลยคะ่ะพระอาจารย์เพราะว่า ก็เลยแบบดีใจอะค่ะพระอาจารย์ปฏิบัติคือจากที่แบบมีความทุกข์ทางด้านร่างกายค่ะพระอาจารย์พอสุขทางใจคือไม่ต้องการอะไรอะค่ะพระอาจารย์มีแต่ทำแต่สิ่งที่มีประโยชน์อะค่ะพระอาจารย์เหมือนความคิดของหนูอะค่ะพระอาจารย์เหมือนเพิ่มบัญชีบุญอย่างเดียวอ่ะค่ะพระอาจารย์ในปัจจุบันนะคะหนูก็แต่บุญนะ เอาแต่ธรรมะการปฏิบัติธรรมใช่ค่นะพระอาจารย์สามไปไหนอริยสัพน์ไปไหนสามัญโสเดชก็คืออริยสัพน์ค่ะทุพระอาจารย์ทำให้มองเห็นโดยรอบเป็นเหมือนอากาศไปเลยนะคะ่ะเหมือนภาพวาด ท, ที่แต่งขึ้นมาเฉยๆนะค่ะพระอาจารย์ก็เลยโลงนี้เป็นโลกของมายามไม่ใช่เป็นของจริงของแท้ค่ะพระอาจารย์ <c oughs> ก็ พอเกิดอะไรขึ้นก็ตามที่เขาเป็นก็เป็นไปตามนั้นไม่ไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของผู้อื่นนะคะพระอาจารย์มีแต่พิจารณาตัวเราเองเพราะว่าเขามีอย่างนั้นมาอยู่แล้วอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็ไม่ต้องไปปรับอย่างเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์ก็เล ย, ยได้พิจารณาเขาเป็นไปตามเหตุตามบัจใจของเขาเจ้าคะ่ะพระอาจารย์ก็เลยไดพ้พิจารณาตัวเราเองอะคะ่ะแล้วมันก็เลยได้เจอความสุขแบบ พระอาจารย์คะคือหนูมีหลายโรคนะคะไม่ใช่แต่การผ่าตัดโรค ก, กับเพอโรค ล, ลมพิษอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์แต่พออยู่เหมือนคอนโทรใจได้เหมือนได้ยาดีอะคะ่ะพระอาจารย์มันกลายเป็นว่าลงพิษก็ไม่มีะคะ่ะพระอาจารย์โรค ก, กับเพอะก็ไม่เป็นนะคะโชคดีได้เป็นอยู่ในสายการพยาบาลด้วยอะคะ่ะพระอาจารย์มันก็เลยได้เห็นความจริงสามารถพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ได้นะคะพระอาจารย์ก็เลยไม่ได้คิดเองอย่างเงี้ยคะ่ะ พอเกิดสถานการณ์ขึ้นมาค่ะพระอาจารย์โอเคพยายามปฏิบัติต่อไปนะค่ะพระอาจารย์สาธุค่ะไปที่คุณสุภัตชาเช่ต อ, น, อนนี้อยู่เท็กซัสเลยกับมาพิัการพระอาจารย์เจ้าค่ะลูกยังอยู่ที่เท็กซัสเจ้าค่ะยังประมาณเดือนหน้าจะกลับไทยเจ้าค่ะกันยา จะกลับไทยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่ได้เข้าเพราะว่าพอดีแม่ชีที่วัดเขาไปผ่าตัดสโพกแล้วเขาอยากได้คนช่วยดูแลหน่อยลูกก็เลยไปดูแลเขาเจ้าค่ะก็เลยก็เลยไปช่วยดูแลแม่ชีไปค้างที่วัดดีต้องไปทำบุญไม่รับใช้ผู้อื่นการรับใช้ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นก็เป็นบุญแล้วค่ะแล้วแม่ชีก็ช่วยสอนทางธรรมด้วยก็เลยเหมือนว่าได้ ได้ได้ประโยชน์หลายหลายทางด้วยเจ้าค่ะก็ดีดีเจ้าค่ะเมื่อเมื่อวานอ่อเมื่อวานเพื่อนต่างชาติของของลูกเอะเจ้าค่ะลูกแนะนําให้เขาเข้าเอ่อเข้าซูมเพราะว่าเขามีคําถามแต่ว่าเมื่อวานเขาเขาลองเข้าแล้วลูกบอกว่าให้เข้าก่อนห้านาทีก่อนแปดโมงเช้าอ่ะเจ้าค่ะแต่เขาพอเขาเข้าก็มันมันขึ้นเขียนว่าเขาเข้าไม่ได้อ่ะเจ้าค่ะขึ้นเขียนว่า รีม okay. ูฟไฟโค้ดอะค่ะเจ้าค่ะเพราะว่าคนคนแอดมินนี่เขาไม่รู้จักเขากลเป็นพวกม า, มาปวดถ้าไม่ได้บอกล่วงหน้าเขาก่อนต้องแจ้งให้คุณหลาเขาทราบไว้ก่อนคุณบอยจะมีเพื่อนคนนี้ชื่อนี้เข้ามาเราจะได้รู้ว่าเป็นเป็นคนที่ต้องการเข้ามาศึกษาเพอะถ้าเห็นชื่อแปลกๆนี่เขาจะชักจะไม่ไว้ใจเพราะพวกนี้ชอบมาเล่อะไรพ่เศษอ๋อ เจ้าค่ะลูกลูกก็เขาก็เขาก็เขาตอนแรกเขาก็เขาเขาเขาดูซูมอยู่ที el, ่บ้านแล้วทีนี er ้ยพอเขาเข้าไม่ได้เขาก็เลยมาที่วัดแล้วลูกก็พยายามจะเข้าให้เขาก็เข้าไม่ได้เพราะก็เขียนคํำนี้เจ้าค่ะลูกก็เลยบอกว่างั้นก็เขียนคําถามเข้าไปใน youtube เพราะว่าเขาถามพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของการเกิดเขาเขาชื่อสุดท้ายเจ้าค่ะที่แดเนียล สุดท้ายเลยที่พระอาจารย์ตอบเมื่อวานนะเจ้าค่ะทีนี้เขาอยากจะเข้าลูกก็บอกเขาทุกวันอังคารเป็นภาษาอังกฤษให้เข้าเจ้าค่ะเดี๋ยวลูกจะส่งไลน์บอกคุณหลาอีกทีชื่อดันเนียลว่ะเจ้าค่ะเขาก็สนใจมากได้ให้รู้ว่าเป็นใครนะพอพอเข้ามาเขาก็จะได้เวลาเขาเข้ามาเขาควรจะเปิดเปิดกล้องไว้ด้วยพื่เขาจะได้รู้ว่า แลพวกที่พี่เลนนี่เขามันจะไม่ไม่เปิดกล้องมันจะรอจังหวะตอนที่เราไม่ไม่เข้าดูเขาแล้วเขจะเปิดภาพไม่ดียวมาให้ดูอ๋อเจ้าค่ะเขาก็เปิดก็เปิดกล้องเมื่อวานแต่ว่าเขาบอกเขาเข้าไม่ได้ยังไงก็เข้าไม่ได้ลูกก็เลยแนะเขาว่างั้นเขียนคําถามลงใน y o u ูทูบแล้วก็บอกบอกลงไปด้วยว่ามีความตั้งใจที่อยากจะเขา้าเพราะว่าเขาเขาเขา เข้ามาศึกษาทางนี้เขามีความสนใจมากค่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วเขาก็ลูกก็เห็นเขามีคําถามเยอะแต่ก็คือไม่อยากให้เขาไปถามใครโดยที่เออเลยลูกเลยแนะนาําว่ามาถามพระอาจารย์ดีกว่าเจ้าค่ะเพราะว่าพระอาจารย์เป็นครูบาอาจารย์ของลูกก็เลยบอกว่าให้เขาเข้ามาแล้วเขาก็ตั้งใจอย่างมากแต่ว่านะเดี๋ยวอังคารหน้าเดี๋ยวลูกบอกเขาใหม่เจ้าค่ะว่ า, ว, าว่าเดี๋ยวลองเข้ามา <S <S เหมือนเดิม แล้วค่ะให้ชื่อตรงกับที่เขาเข้ามาก็แล้วกันถ้าเป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งเดี๋ยวทางแอดมินเขาก็จะกลัวว่าจะเป็นโรคมาป่วยเจ้าค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนค่ะเดี๋ยวลูกส่งให้ให้ให้คุณหลาเจ้าค่ะคุณหลาจะได้เห็นชื่อแล้วก็นามสกุลแล้วก็เขาจะได้เข้าได้เพราะคําถามเขาเยอะมากเขาเพิ่งเริ่มเริ่มเข้ามาทั้งนี้แล้วเขาช่วยงานวัดทุกอย่างเลยเจ้าค่ะเขามีความตั้งใจมากแล้วก็อยากจะไปที่ไทยเพื่อไปหาที่ปฏิบัติ ด้วยอ่ะเจ้าค่ะเขาสนใจทางนี้มากเป็นผู้ชายผู้ชายเจ้าค่ะเขากเกษียณแล้วเจ้าค่ะแล้วก็เขาเขาก็ก็พาร์ที่นี่ก็ก็ให้ก็คือก็ตอบเขาแต่เผอิญเอ่าพาร์ที่วัดที่นี่ภาษาอังกฤษค่อนข้างมีความจํากัดนิดนึงอ่ะเจ้าค่ะก็เลยไม่สามารถที่จะอธิบายในเชิงคําถามที่แบบลึกได้แนะเจ้าค่ะก็เลยบอกให้เขาเข้าทางซูน ลองลองดูทางทางหน้าส่งชื่อมาบอกทานคุณล้างหรือคุณบอยก็ย ไ, ได้มันาได้รู้ว่าเป็นใครเจ้าค่ะกลับขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะลาถึงคุณหมอภาสนาต่อทอมอก่อนนั้นมาสการคะ่ะพระอาจารย์ค่ะก็รู้สึกว่าอีแรงแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะพระอาจารย์ก็ยังในสัญชิกอยู่เดี๋ยววันนี้ก็ในสัญชิตกต่อพระอาจารย์คะแล้วรู้สึกว่ามัน มันเข้าใจว่าเอยเอ้ที่บอกว่ามันไม่มีอารมณ์เนี่ยคือจริงๆแล้วคงเป็นเพราะว่าแบบมันเหมือนพอดับสติปัญญาที่พระอาจารย์บอกให้พกเอาไว้มันมันทําให้มันมองเห็นมันก็เลยมันก็เลยตอนนี้ก็เลยก็ยังไม่มีอารมณ์แล้วพระอาจารย์ก็รู้สึกดีมากอาจารย์ได้คําตอบกับตัวเองตอนแรกเคยสงสัยว่าเอ้มันต้องมีอารมณ์บอกว่าจริงๆแล้วคือมันไม่มีพระอาจารย์เพราะว่ามันเห็นพันอาจารย์ถูกต้องใช่ไหมคะเนี่ยให้มันว่างจาอารมณ์ก็แสดงว่าเป็นอุเบกขาจริตเป็นอุเบกขา ก็เห็นอะไรก็รู้สึกรับได้หมดเลยค่ะอาจารย์ไม่ยินดีไรเฉยๆเห็นอะไรก็เฉยๆไม่ตื่นเต้นตกใจหวาดกลัวอะไรขอบคุณพระอาจารย์มากๆเลยค่ะเพราะว่าแบบเออยิ่งปฏิบัติตามพระอาจารย์เรื่อยๆไม่ต้องคิดอะไรมากมันก็รู้สึกเลยว่ามันดีเรื่อยๆเดี๋ยววันนี้ก็ได้สัรชิกต่อนะคะอาจารย์อ่าในสารุจารย์อืคุณนิสาแอลเลยน่าเสียนดส การนมัสการค่ะอาจารย์ก็อาทิตย์ที่ผ่านมาก็สงบดีค่ะพระอาจารย์ไม่มีคำถามอะไรค่ะก็เหมือนกับรู้ทันมากขึ้นค่ะเกี่ยวกับการปล่อย ว, วางร่างกายค่ะพระอาจารย์ไม่ต่างกิเลสเนี่ยไม่ต่างอุปทานไม่ต่างความอยากอย่างค่ะบางครั้งความทุกข์ขึ้นมาบางทีก็แต่ก่อนก็รู้สึกว่ามันจะฟุ้งไปกับความทุกข์เกี่ยวกับร่างกายเกี่ยวกับ การปล่อยวางร่างกายอะค่ะพระอาจารย์แต่ตอนนี้ก็เหมือนกับรู้ทันมากขึ้นนะคะแต่แบบไม่ไม่ได้หมายความว่าแบบจะทุกขั้งอะค่ะพระอาจารย์แต่ว่าก็ดีขึ้นเยอะค่ะพระอาจารย์มีสติมากขึ้นค่ะพระอาจารย์แสดงว่าการปฏิบัติเราเก้าวหน้าไปเรื่อยๆเลยค่ะก็พยายามแบบพยายามคิดเหมือนกับไม่หวาดคาดหวังอะค่ะพระอาจารย์ที่ผ่านมาเหมือนแบบ สงสัยจะเครียดมากไปอะค่ะอาจารย์คาดหวังมากไปอะอยากมากเกินไปค่ะก็ค่ะตอนนี้ก็แบบสบายๆก็แบบ ไ, ไม่เตินได้ไ ด, ได้ได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีค่ะอาจารย์บางครั้งมันเหมือนกับเราอยากจะทําแบบสามวันแบบที่เคยนั่งนานๆสี่ชั่วโมงบางทีมันติดมีพาแบบมันเหมือนมีปัจจัยที่ให้ทําไม่ได้อะไรเนี้ยก็แบบจะรู้สึกแบบ เมืนจับเป็นไม่เที่ยงแล้วกันไม่มีอะไรทีย่ยงเลนะค่ะบางครั้งมันเหมือนกับแบบเหมือนกับเครียดรู้ตัวเองว่าเครียดแต่พอตอนนี้รู้สึกเลยว่าเออเรารู้ทันว่าเออเราเร า, เรามีความอยากตรงนี้นะาาอะไรค่ะพระอาจารย์รักดีขึ้นค่ะพระอาจารย์นี่คําถามวันนี้ได้ความรู้มากมายเลยค่ะพระอาจารย์ดูด yeah, ีค่ะขอให้พระอาจารย์ทักฉันแข็งแรงนะคะรับยินดีค่ะ อยู่ใกล้เมืองอะไรเมืองใหญ่ที่ใกล้ที่สุดเออก็แคนซัสเนี่ยค่ะถ้าอาจารย์เพราะที่หนซอยู่ค่เอย้ค่ะอาจารย์เพราะที่หนูอยู่เป็นเมืองเล็กค่ะมันเป็นเอมป์เรียแต่แต่มันเป็นเอมป์เรียแต่อยู่ในรัฐแคนซัสค่ะถ้าอาจารย์แต่เมืองใหญ่ที่ใกล้ใกล้ที่สุดที่เรียกเมืองใหิจิตาหรือเมืองอะไรนะ ถ้าใกล้ก็มีวิจิตาแล้วก็มีแคนซัสเนี่ยค่ะสองอันเนี่ยค่ะถ้าอาจารย์ที่ออีแอร์พอร์ตอยู่ที่ที่ที่สองคนนี้ยค่ะถ้าอาจารย์เวลาเราจะบินเราก็บินถ้าไม่ไม่บินที่แคนซัสก็จะบินที่วิจิตาอาจารย์ลูกก็ไม่มีคำตอบโอเคเดวิดเข้าใจเหมือนาฟังมาตั้งหลายปีแล้วมันก็เาต่อซ้ําๆซักซ้ำ แต่ถ้าการทบางครั้งเนี่ยลูกว่าการฟังเนี่ยมันมันมันไม่เบื่อนะคะถ้าจามมันก็ก็ mm hmm. มีอะไรอย่างสมมุติว่าอย่างอย่างวันเนี้ที่น้องน้องจูปะขาที่ที่ก็ถามเรื่องที่ว่าเอภาษะ mm hmm. ลูกก็ลูกเข้าใจว่าอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกพอมาบอกภาษะเนี่ยลูกก็ลืมเหมือนกันค่ะว่าโอภาษะเออวันนี้วันนี้ก็ เข้ามาอีกอย่างหนึ่งตรงที่ว่าพรระแล้วรู้คําว่าพรรษะแต่เข้าใจว่าก็ก็เข้าใจว่าทุกอย่างที่มันมากระทบกระทบกระทบแต่แต่แต่ความละเอียดของมันก็คือระหว่างเอ่อมันก็คือไอเอ่อตาเอ่ออายตนะภายในแยับอายตนะภายนอกสัมพันธ์ไงภาษาบนนี้ก็พัรษะภาษาไทยเราก็เรียกสัมพันธ์กันเลยค่ะท่านอาจารย์ก็ก็มัน คือคือเคยรู้แล้วมันก็ลืมไปแล้วแล้วพอวันนี้มาอีกมันก็มันมันก็มากําชับอีกมันลูกว่าไม่ทราบค่ะอาจารย์ก็ดีฟังบ่อยๆดีทําที่เคยทําที่เคยได้ยินนะพอได้ยินได้ซ้ำซ้ําเองก็จะเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับค่ะอาจารย์ลูกไม่เคยเบื่อนะคะฟังทําพราว่ามันไม่ทราบค่ะอาจารย์ลูกชอบกัะถ้าเบื่อเบื่อคงยังไม่ได้เข้ามาแล้วป่านนี้ ก็เนี่ยค่ะท่านอาจารย์ก็มีความรู้สึกยินดีมากเลยค่ะท่านอาจารย์ที่บางครั้งท่าอาจารย์พูดเหมือนเมื่อคราวก่อนที่ท่านอาจารย์เคยพูดว่าเอ่อถ้าไม่อย่างนั้นก็คงไม่ได้มาอยู่ในห้องนี้อันนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าเออมันมันมันก็คงจริงเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านอาจารย์ก็มีความรู้สึกยินดีค่ะแล้วก็ดีใจค่ะท่านอาจารย์ค่ะท่านชื่อชื่อก็บอกว่ายินดียินดีทํา ผู้ยินดีในธรรมย่ำได้สัมผัสกับรถแทงธรรมที่ที่ชนะรถทั้งปวงนะอาทุเลยค่ะท่ า, ทานอาจารย์ที่ลูกอยากได้คือนิพพ า, า, านค่ะอาจารย์อาเลยเอาไปเลยสาทุค่ะท่ า, ทานอาจารย์ค่ะ <laughs> <c oughs> ลูกท่านทาอาจารย์ลูกขอบพระคุณท่านอาจารย์อยากสูงค่ะและตอนนี้ก็คือลูกก็บางทีเนี่ยเวลาทําอะไรเนี่ยลูกก็ไม่ค่อยอยากจะบอกท่านอาจารย์พอเวลาบอกแล้วแบบ ล, ลูกกลัวแบบ เดวิดเขาทำไม่ได้เวลาเขาเหนื่อยขึ้นมาบางทีก็ไม่ทำแต่ตอนเนี้ยคะ่ะถ้าอาจารย์เขาก็ทำแล้วค่ะทุกวันอทุกทุก ท, ทุกเย็นนะคะถ้าอาจารย์แต่แต่แ ต, แ ต, แต่แต่ลูกต้องมาไม่ไม่ไม่ไมกล้ารับปากท่านอาจารย์นะคะคือตอนเนีเ้ตั้งแต่ก็เขาก็เริ่มมานานแล้วเรื่องวันพักของเขาแล้วก็เรื่องการทำสมาธิเขาก็ได้วันวันละยี่สิบนาทีแต่ลูกก็ไม่ได้พักอะไรเขานะไม่ไม่ไม่ ไ, มได้พูดอะไรเขาเลยคือเขาทำมา mm. เขาก็มาน า, นาน แต่ลูกก็ไม่กล้าบอกท่านอาจารย์เพราะลูกกลัวว่าเดี๋ยวเกิดมีวันไหนถ้าเกิดเขาทําไม่ได้ก็เลยเลยเล ย, เลยไม่ได้พูดอะไรแต่ก็เลยจะฝากท่านอาจารย์ก็เลยบอกได้แต่บอกท่านอาจารย์ในลักษณะนี้แล้วลูกก็ดีใจที่เขาก็ ไ, ไม่ได้เราเราให้ฟังได้ไม่เป็นไรเราเราเขาอาจจะทำบ้างไม่ทำบ้าง ก, ก็ได้เป็นเรื่องปกติไม่ก็ยินดียินดีที่เขาเป็นชาวต่างชาติเขาสนใจกับการปฏิบัติทํามนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะ ลูก็ยินดีกับเขาแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรเขาก็แล้วแต่เขาก็ปล่อยเขาคืออย่างอย่างวันพระอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเขาก็เขาก็ไม่ได้ทานเขาไม่ได้ทานค่ะดีแล้วแสดงว่าเราก็มีอิทธิพลต่อการดําเนินชีวิตของเขาเดินเข้าไปในทางที่ดีให้สอนอาจารแต่เนี่ยค่ะถ้าอาจารย์ก็มาระดับเนี่ยค่ะถ้าอาจารย์ก็ เค่ะท่านอาจารย์ลูกสาวทุกค่ะก็หวังว่าให้ให้ใ ห, ให้ให้ไปในทางเดียวกันนะคะท่านอาจารย์ลแล้วก็ที่หมายพร้อมกันแล้วก็ติดจุดหมายปลายทางเดียวกันค่ะทุกค่ะค่ะอาจารยวันท้องเต้ค่ะท่านอาจารย์ขอบคุณนะขอขอบคุณบ๊ายที่คุตาย <c oughs> ปฏิญาหนอมการในมัสการค่ะพระอาจารย์มีอะไรไหมวันนี้ ก็ไม่มีอะไรค่ะอยู่ในขั้นอนุบาลเหมือนเดิมอย่าถ่อมตัวหน่อยเลยนะก็ยังไปไม่ถึงไหนค่ะอาจารย์ก็มีสติมากขึ้นค่ะในพรรษานี้ก็รู้สึกว่าตัวเองมีความเมตตาแล้วก็ระงับความโกรธของตัวเองได้ค่อนข้างเยอะค่ะอาจารย์แล้วก็ตอนนี้เหตุการณ์ในครอบครัวก็มันก็มีเรื่องให้เราแบบเอต้องทําใจแล้วก็ บอกบอกให้คนข้างตัวเนะเขาไม่ค่อยสบายค่ะอาจารย์ก็เลยไม่ได้ไปวัดด้วยก็เลยนั่งคิดว่าเอองานอย่าไปทําเยอะบอกเขานะคะงานอย่าไปทําเยอะยังไงมันก็เอาไปไหนไม่ได้ก็รักษาตัวก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบก็เลยเหมือนกับว่าให้ให้ให้ใจโยมาแล้วเลึกถึงว่าถ้าเขาตายไปให้ให้รเลึกถึงเขามากมากค่ะอาจารย์ แต่ใจมันก็ไม่ค่อยจะยอมรับเท่าไหร่แต่ก็พยายามบอกตัวเองว่าเอออีกหน่อยเราก็ต้องตายจากกันอยู่ดีแม่วันนี้สภาพเนี่ใครไปก่อนก็ต้องมีใครไปก่อนไปหลังมาแนะ <c oughs> ใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็ตอนนี้ก็อยู่แบบอ่าดูกันไปก่อนเหนื่อยถ้าไม่เหนื่อยมากก็นั่งสมาธิถ้าก็ถ้าเหนื่อยถ้าเหนื่อยก็อพักก่อนอะไรอย่างนี้พระอาจารย์ก mm ็ hmm. ไม่มีอะไรมากก็ทําไปเรื่อยๆก็ยังอยู่ในขั้นทานอยู่ครับพระอาจารย์ เมือนที่อาจารย์ว่าได้แค่ทานอยู่อนุบาลทำไมมันส้ำชั้นนานจังว่าอาจารย์ก็มันขี้เกียจใเ่ไหไม่ยอมไม่ยามประยับขึ้นชั้นเองเหนื่อยก็ทำไมก็อย่างน้อยก็ยังถือสีนแปดอยู่มั้คใช่ใช่ค่ะยังถืออยู่ค่ะสินแปก็ถือว่าขึ้นอยู่ชั้นชั้นที่สองนะชั้นสี่นะ เพี้ยนไปเรื่อยๆขยับไปในบางใจขยับไปทีละนิดทีละหน่อยนะคะแต่รู้สึกว่าใจใจตัวเองก็ก็มองมองเห็นตัวเองอยู่พราจาไม่ได้เข้าข้างตัวเองนะคะก็ถือว่าขยับแต่มันก็ยังขยับไม่เยอะก็ยังอยู่ในขั้นทานอยู่แต่ก็ภูมิใจนะคะว่าเออมันก็มาไกลแล้วเหมือนกันถ้าหันหลังกลับไปก็โอกมาไกลแล้วเหมือนกันค่ะพระอาจารย์ภูมิใจมากมากเลยค่ะถ้าเราไม่ตนีแล้วไม่เสียดายเงินทางนี่ก็ถือว่าเก่งนะ นะคะพระอาจารย์เพราะเพราะพระอาจารย์สั่งสอนค่ะเลยกลายเป็นคนละคนไปได้เลยค่ะพระอาจารย์กลับขอบพระคุณมากค่ะอ่าสาธุให้กายให้ให้ให้กายเป็นคนที่ดีมากกว่านี้ไปตามลําดับนะเจ้าค่ะพระอาจารย์กลับขอบพระคุณมากค่ะสาธุคุณแนงอุดรธานีเป็นยังไงคุณแนนน้องกันอเมริกานะคะอาจารย์ดีค่ะ ด้วยมีคำถาม <Okay. S 1> จะค่ะคี่ล ะ, ค, ะ, ะคุณปุ้ยนักสำรวจคุณปุ้ยเจ็ดเจ็ดครึ่งเจ็ดจุดห้าเก่านวัศการกรับอาจารการกลางวันก็เจ็ดพอหลังหกโมงหลังห้าโมงครึ่งก็แปดค่ะอาจารย์แ <laughs> ตโย ม, ม ชนะใจตัวเองได้โดยที่โยมบอกกับพระอาจารย์ว่าโยมจะสวดธรรมจักโยมจะสวดเมตตาใหญ่โยมใช้เวลานานมากเวลาสวดมนต์พระอาจารย์สองชั่วโมงตอนเช้าสองชั่วโมงตอนเย็นน่ะและนโยมก็นั่งสมาธิแล้วก็บางทีโยมพลาดไม่ได้ฟังพาอาจารย์อย่างอย่างวันเนี้ยโยมพลาดไม่ได้ฟังพระอาจารย์ตอนเช้าเวลาพระอาจารย์เปิดเทปโยมก็จะไปฟังก่อนนอน แล้วเพราะว่าโยมถือว่าเโยมต้องฟังคำและโยมก็ตอนนี้เริ่มขัดปวดน้ําลงลงพื้นดินลงต้นไม้กระถางต้นไม้ค่ะเพราะว่าโยมโยมว่าโยมเข้าใจนะสิ่งที่พระอาจารย์พูดแต่ว่าบางคําภาษาบาลีโยมไม่ค่อยเข้าใจโยมแปลไม่ได้อะไม่เป็นไรแปลไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ใช่เไรไืเ่องสำคัญเลยแต่โยมอบบ มันนิ่งนะมันมันสงบพระอาจารย์แล้วแบบเรามีความรู้สึกว่าเราไม่อยากไปสูงสิงอะไรกับใครอะไรอย่างเงี้ยเราอยากจะอยู่ในธรรมชาติของเราอยากจะอยู่ในมุมบางทีโยมก็เดินเข้าไปในสวนแล้วก็โยมก็ไปสวดมนต์สวดบทธรรมจกักและโยมก็ขวดน้ำโยมถึงขวดน้ําไปโยมก็ขวดให้ให้สัพเวสีแถวนั้นอ๋อปฏิบัติธรรมมากมันก็ไม่มอยากจะไปยุ่งกับใครปฏิบัติธรรมในความสุขกว่าใช่ ก็โยมบอกเลยบอกว่าโยมคิดว่าอายุโยมเดินมามากกว่าครนะึ่งร้อยแล้วโยมเดินทางนี้ดีกว่าดีที่สุดเลยดีที่สุดสําหรับโยมแล้ว mm hmm. เพราะว่าถ้าถ้าเกิดว่าโยมขอพระพุทธเจ้าว่าถ้าโยมเป็นผู้โชคดีโยมขอให้โยมเดินตามพระอาจารย์ตลอดไปเพราะว่ามันมันมันเป็นการดีเพราะว่าลูกก็คือเหมือนอย่างที่พระอาจารย์เทศอะค่ะเราเลี้ยงเขาได้แต่ตัวแเราเราไม่ได้ไปหวังพึ่งไว้เขามาเลี้ยงเรา ออเนี่ยงบุญเหมนกันเนี่ยก็บุญครับใช่โยมก็ถือว่าเอ่อถ้าโยมมีบุญบุญโยมก็ช่วยเหลือเขาแค่นั้นเพราะว่าถ้าเราตายมันก็ตายอ่ะเออเผาเผาเราก็กระดูกมันก็ตายอ่ะใช่เผามันก็เหมือนกันใช่เผามันก็เหมือนกันจริงค่ะยิ่งโยมเห็นเลยแบบพอตักดึงเผาให้เราก็ได้ให้เมป่อปันอยู่เผาให้เราก็ได้จริงเพราะว่าโยมบอกเลยบอกว่า โยมกลัวเพราะว่าในโลกทิพย์มันน่ากลัวยิ่งกว่าโลกมนุษย์โยมอยากจะปฏิบัติให้เต็มที่ก่อนเพราะตอนนี้ถามว่าโยมมาเต็มร0อยเอร์เซ็นไหมไม่เต็มหรอกโยมยังมีความขี้เกียจอยู่นะพระอาจารย์จริงนริงสินแปมันแล้ไม่ครบเหมือนมีแบ่งเวลาเลยสินงเกศชับสิน่ป อย่างเมื่อวานนี้โยมนั่งนั่งอยู่อะนั่งเมื่อคืนนี้โยมนั่งนั่งนั่งอยู่กําลังจะสงบสงบเลยโยมแบบเห็นอะไรก็ไม่รู้หนักหนักปุ๊บ ม, มาที่มือโยมอะโยมตกกระใจเลยพระอาจารย์แบบโยมก็ไม่ได้ลืมตาจนะเพราะว่าพอดีเมื่อวานเนะี่ยวันครบรอบวันเ อ, อเสียเสียเขาเรียกวันละสังขารเนนะี่ยหลวงปู่ไม่ทีนี้โยมนับถือหลวงปู่ไม่มากโยมก็เลยปฏิบัติให้หลวงปู่ท่านทีนี้โยมก็นั่ง สมาธิแล้วโยมก็นั่งฟังเอ่อท่านก่อนนอนพอดีมันมีอะไรก็ไม่รู้เหมือนลูกหินน่ะหลนมาที่มือโยมโยมก็ไม่ได้ก้ากล้าลืมตายโยมตัวผีไงพระอาจารย์โยมเป็นคนกลัวผีมากกลัวตั้แต่เล็กเสียน้อยแต่โยมก็เป็นคนชอบตวดมน์มันอาจจะคัดค้านกันนะคะโยมก็ไม่รู้ผีหลอกโยมเปล่าผีหลอกไม่จริงอผีจริงไม่หลอก <laughs> แต่มันก็ดีอยู่อย่างนะพระอาจารย์เวลายมกลัวผีนี่มันจะทำให้โยมแบบชวดบนเก็งมากโยมเลือดปวดทีเลยโยมเอาชินําวันซอนเลยบางทีอ่าดีต้องมีอะไรมากระตุ้นให้ทำความเพียรนะมันจะขี้เขียนนะจริงๆค่ะเออและโยมก็แบบบางทีนะอย่างเั้งคืนนี้โยมจะนอนไม่ค่อยหลับแนละ แต่โยมจะมานอนหลักตอนกลางวันไม่รู้เป็นยังไงโยมก็ไม่รู้แบบมันเหมือนมันเหมือนอาจจะถือเวลาตามเมืองไทยมันงี่นั่นตอนกลางวันที่เมืองไทยก็เป็นตอนคืน่เลยอาจจะถือเวลาเมืองไทยมั้งเมื่อวันโยมเห็นพระอาจารย์เดินออกมาใส่บาตรแล้วอะโยมยังไม่นอนเลยแต่ว่าโยมก็แบบเรื่อยๆจำๆมีความสุขไปแบบอย่างเงี้ยเราแบบ อืมยมอยู่อย่างนี้ยยมก็มีความสุขแล้วอ่ะแต่ยมจะเล่นปฏิบัติคือปกติยมก็ทําสมาธิได้วันหนึ่งอ่ะสามชั่วโมงบางวันก็สี่ชั่วโมงน้อยสุดเลยก็ชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงอย่งเงี้ค่ะยมจะจดบันทึกตลอดเวลา ม, ม, มันไม่ได้อยู่ที่เวลาอย่างเดียวมันต้องอยู่ที่คุณภาพด้วยนะซึ่งบไม่ใช่ใช่ค่ะอื ใช่เพราะว่าโยมแบบมันรู้สึกแบบว่าเวลานั่งตามพระอาจารย์อย่างเมื่อวานเนี้ยโยมนั่งตามพระอาจารย์โยมจะรู้สึกแบบมันนิ่งมันนิ่งมันมันนิ่งแล้วอยู่ๆโยมได้ยินนะพระอาจารย์พูดอยู่ในในหูอ่ะในหูโยมอ่แต่โยมก็ไม่รู้ว่ามันมันทําไมโยมถึงมันมันเหมือนกับเราหลับไปเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันหายไปช่วงหนึ่งไม่เคลิ้มแต่ มันไม่ได้หลับนะพระอาจารย์คือมันเป็นครับครึ่งตื่นครื่องหลับครึ่งตื่นใช่แต่มันมันหายไปถามว่าโยมอยู่ตรงไหนโยมไม่รู้โยมรู้แต่ว่าโยมได้ยินพระอาจารย์แต่โยมไม่รู้รู้แต่ว่าตัวมันเบาๆแล้วยังมันก็มันก็ไม่ได้มันก็เราก็ไม่ได้หลับแบบงงแบบอย่างเงี้ยเออก้อย่างที่บอกมันไม่หลับแต่มันก็ไม่ตื่นใชแต่มันไม่ไม่ไม่ได้หลับจริงๆพระอาจารย์ไม่ได้แอบหลับด้วย อ, อแต่ <Okay. S 2> ว่าถามว่าแต่มันก็สงบค่ะขอเจ้าอาบขอพระคุณมาอาจาย์ค่ะ <Yeah. S 2> มาถวายามาถวายรายงานตัวแล้วก็ยังคงปฏิบัติต่อไปค่ะใ <Yeah. Yeah. S 2> ช่ไหมครับให้นำไให้โดยโยมขอขอพรข้อ น, อนึงสิขอขอให้โยมอ่ะได้เกิดเป็นลูกหลวงปู่มั่นในทุกชาติเลยแ <c oughs> ล้วหลวงปู่มันม่นถ้าไม่เกิดเราจะมาเป็นลูกท่านได้ยังไงอ้าเหรอ งั้นยมก็ตามขึ้นไปยมก็ตามขึ้นไปข้างบนเพราะยมยมเขาลบหลงมั่นรักหลงปูมั่นมากได้ไปตามท่านท่านไปอยู่ข้ามบนแล้วต้องตามท่านขึ้นไปนะใช่ใช่ยมขอท่านไม่เกิดท่านไม่เกิดแล้วก็ต้องไม่เกิดนะไม่เกิดแล้วไม่เอาแล้วพระอาจารย์เหลื่อโลกมนุษย์โอเคขอให้พระอาจารย์ทัดทานแข็งแรงค่ะอ่าสาธุคุณชนะดาเชิญ วันนี้อยู่กรุงเทพเลยกลักบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะอยู่กรุงเทพค่ะพระอาจารย์อกลับวันนี้ค่ะนมัสการเนี่ ย, ยกรุงเทพใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วออออรอบรอบรอบนี้ค่ะลูกได้ไปไปไปเที่ยวกับเพื่อนนะคะพระอาจารย์ก็ไปก็ไปพักที่โรงแรม ที่หนึ่งอะค่ะที่จัตตหีปะค่ะก็คือเคยไปพักที่นี่ครั้งนึงแล้วละค่ะพาร์ทารย์ครั้งแรกที่ไปพักตอนนั้นกับเพื่อนสองคนก็มีอะไรปแปลกๆอยู่อะค่ะแล้วพอรอบเนี้ยไปพักก็ยังคิดอยู่ว่าจะเจออะไรอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอแล้วแต่ว่ารอบเนี้ยไปกันสองห้องก็พักสองห้องอะไรเงี้ยค่ะทีนี้พอเ อ, อ่อพอตอน ตอนตอนตอนลงไปกินข้าวข้างล่างเอ่อลงเอ่อลงไปเล่นน้ํากันแล้วก็ไปกินข้าวข้างล่างกันนะคะพาจารนพอประมาณสักสองทุ่มมาลูกก็กลับขึ้นมาคนเดียวก็นึกนึกถึงรอบแรก ท, ที่ที่เจออะไรแปลกๆอะค่ะที่เคยมาพักว่าเจออะไรแป ล, แป ล, แปลกๆก็ก็นึกเหมือนกันโอ้ยเรายังกลัวผีอยู่ไหมเนาะอะไรเงี้ยค่ะพอาจานก็ก็นึกอะไรเงี้ย อยูส่สิวนิดนึงอะค่ะพระอาจารย์แล้วพอแต่ลูกก็เข้าห้องไปปกตินะคะแล้วก็ก็ทําธุระอะไรปกติอะค่ะพระอาจารย์แล้วพอตอนก่อนนอนลูกก็นั่งสมาธินะคะนอนสองคนนะคะในในห้องอะค่ะพระอาจารย์ <c oughs> ลูกก็นั่งสมาธิก่อนนอนแล้วคืนกลางคืนก็ไม่มันไม่ได้หลับไปย า, ยาวๆอะค่ะพระอาจารย์ไปหลับตื่นตื่นทั้งคืนอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์มันมันมันมันก็แปลกๆอะไรเงี้ยค่ะ ทีนี้พอพอตีสี่ลูกมาเข้าห้องน้ําปกติอะถ้าลูกไปไปโรงแรมเนี่ยแล้วแล้วไปไปนอนที่อื่นแล้วรู้สึกแบบเนี้ยลูกจะไม่กล้านั่งสมาธิลูกจะนอนจะหาทางที่จะนอนนอนให้ได้นอนหลับไปเลยอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์แต่ร อ, อดรอดเนี้ยลูกนั่งแล้วเพื่อนเพื่อนเขาก็ยังนอนหลับอยู่ลูกก็ไม่ได้เปิดไฟไม่ได้อะไรก็นั่งเลยนั่งเล ย, น, เลยนั่งพิจารณาเลยค่ะพระอาจารย์แล้วก็ดีมากเลยอะค่ะนั่งจนถึงเกือบหกโมงอะค่ะพระอาจารย์ แล้วก็มาแล้วก็มาพิจารณาที่พระอาจารย์สอนไว้อะค่ะว่าแบบภาวนาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะคือเวลาได้มันมันไม่มีแปดสิบเก้าสิบมันมีแต่คาว่าได้หรือไม่ได้เหมือนการตั้งสัจจะอธิษฐานเราทําได้หรือไม่ได้ไงค่ะพระอาจารย์มันไม่มีแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นแต่มันมีได้หรือไม่ได้นะลูกก็เลยมาเข้าเอามาเอามาใช้เรื่องนี้ด้วยเพราะถ้าถ้าเรื่องกลัวผีเนี่ยแล้วลูกไม่หายเนี่ยคือมันไม่หายเนี่ย มันเหมือนดีขึ้นแต่มันมันไม่หายนี้ก็แสดงว่ามันคือยังไม่ได้ลูกก็เขาน้อมเข้ามาพิจารณาอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์อืมแล้วลูกก็เข้าใจว่าก็น่าจะใช้กับทุกๆุกอย่างที่ที่เราปฏิบัติ ด, ด้วยใช่ไหมคะพระอาจารย์ทุ ก, ท, กทุกอย่างเลยลูกเข้าลูกเข้าใจว่าอย่างนั้นนะคะแล้วพอตอนพอตอนลูกจะกลับลูกก็รู้สึกว่าเฮ้ถ้าถ้าเ น, นะเนี่ยแหะเนี่ยแหละเป็นเป็นอะไรที่ท่านครูบาอาจารย์ถึงได้บอกว่า ให้ไปต่างสถานที่ไปเจอที่อื่นที่น่ากลัวหรือไปเจอที่ใหม่ๆเราก็ดูพิจารณาดูใจตัวเองเอออย่าอย่าซ้ํำซากอยู่กับที่อะไรเงี้ยทีนี้ของลูกเป็นลักษณะเวลาไปพักโรงแรมแล้วลูกมักจะกลัวผีอะไรเงี้ยค่ะผอาจ า, ารย์ก็ลูกก็เออนี่ไงเราก็ใช้เนี่ยเป็นโอกาสเลยเวลามาพักโรงแรมแล้วแล้วเรารู้สึกอย่างเงี้ยแล้วเราแล้วเราทําเลยอะไรแบบเนี้ยค่ะผอาจ า, ารย์ลูกเลยคิดว่าเนี่ยเอ่อว่าว่า เนี่ยค่ะเป็นเป็นเป็นโอกาสของลูกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็มันก็เปลี่ยนจากความกลัวเป็นความรู้สึกอบอบคุ่นแทนนะคะพระอาจารย์เหมือนกับว่าคือขอบคุณนะ่ะขอบคุณที่ความน่ากลัวมันมันมันเกิดขึ้นมันมีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วทําให้เราได้แบบได้ได้ได้ภาวนาแล้วก็ฝ่ามันไปอย่างเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์ค่ะอา่าส่วนใหญ่ท่านก็ต้องกันจะเ น, นื่อนขั้นเลืนชั้นมันต้องมีความกลัวมีความทุกข์มันคอยเป็น กำแพงให้เราต้องเป็นข้ามไปให้ได้เช่นทุกขเวทนานั่งเจ็บหรือความกลัวอะไรเนี่ยกลัวตายกลัวอะไรพอมันปรงได้ยอมได้เมืนการจิตมันก็ผ่านไม่ได้ค่ะอาจารย์ค่ะประมาณนี้ค่ะพอาจารย์ต้องยอมต้องปลงให้ได้ยอมหยุดเย็นยอมยอมรับความจริงเ่ิมาแล้วต้องตายด้วยกันทุกคนไม่มีใครรวมพ้นความตายไม่ได้ ค่ะพระอาจารย์เด็กถ า, าต่อไปนะค่ะกับพระผูาา้คุณค<บ>่ะพระอาจารย์อคุณยิ็งอาจาคุณยิ่งต่อกาบมรมาส ก, การ์ค่ะพระอาจารย์ในงานธรรมะยิ่งศึกษายิ่งยิ่งยิ่งยิ่งยิ่งขยายไปเรื่อยๆนะธรรมะของระเจ้าเนี่ยจ ร, จริงจริงโยมพระอาจารย์เหมือนแบบรู้ใจโยมเลยอะโยมก็ ช่วงนี้โยมก็ศึกษาธรรมะค่ะพระคุณเจ้าแล้วก็อาทิตย์นี้รู้สึกแบบดีใจอะแบบเหมือนแบบเหมือนใจมันฟูขึ้นมาเลยค่ะพระคุณเจ้าเหมือนกับว่าพอเรามาศึกษาอย่างเงี้ยแล้วแบบอะไรที่เราไม่เคยเข้าใจอ่ะค่ะโยมมาเข้าใจในหมวดอริยาศาสตร์สี่ซึ่งแบบโยมว่าจริงๆที่ผ่านมาโยมก็แบบไม่ค่อยเข้าใจอะไรแบบมากขนาดนี้พอตอนนี้ก็เหมือนแบบพอเราเข้าใจปุ๊บอะปฏิจจสมุปบาทก็เข้าใจ เรื่องขันห้าก็เข้าใจมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ฟังธรรมของพระอาจารย์ก็แทบจะทุกวันนะคะแล้วก็พอฟังไปก็เข้าใจมากขึ้นถ้าเกิดพระอาจารย์จำได้โยมเคยถามพระอาจารย์เรื่องปฏิจจสมุปบาทนานละค่ะแล้วก็บอกว่าโยมไม่เข้าใจเลยแบบพระอาจารย์ก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องเข้าใจหรอกอะไรเงี้ยแต่พอมาวันนี้โยมเข้าใจจากการฟังธรรมพระอาจารย์เรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะโยมก็แบบดีใจค่ะที่แบบ เข้าใจตรงนี้มากขึ้นเจ้าค่ะ mm hmm. แล้วก็เกิดกําลังใจในการปฏิบัติมากขึ้นเจ้าค่ะแล้วโยมก็คิดว่าคือที่โยมเข้าใจมากขึ้นอ่ะเป็นเพราะว่าได้ฟังธรรมจากพระอาจารย์แล้วก็พระอาจารย์ชีแนะค่ะพอดีโยมได้ไปฟังธรรมอันหนึ่งเขาบอกว่าถ้าเราปฏิบัติธรรมมานะคือเหตุปัจจัยของเราที่ปฏิบัติธรรมมาแต่ว่าถ้าเราไม่มีกาลยานามิตรหรือพระ ที่ดีที่มาแนะนําเราอะ่ะเราบางทีติดอยู่นานมากเลยแต่ว่าถ้าเราได้เหมือนพระอริยสงฆ์อ่ะหรือพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอะ่ะที่แนะนําคนที่ปฏิบัติอะ่ะแค่บางทีไม่ไ ม, ไม่กี่ไม่นานเท่าไหร่อย่างเงี้ยคนที่ปฏิบัติอะ่ะก็จะแบบเลื่อนเลื่อนภูมิจิตภูมิธรรมขึ้นมาได้ยมก็ว่าจริงนะคะพระอาจารย์ยมแบบก็อยากให้แบบเพื่อนเพื่อนอะ่ะก็ได้มาฟังทรรพระอาจารย์แนละ้วบางทีที่ติดที่ขัดเนี่ยที่ผ่านมายมก็เลยแบบ พาพาน้องไปใช่ไหมแต่แบบโยมก็แบบก็อธิบายเขาอ่ะว่าเนี่ยนะเข้าใจอันนี้มากขึ้นเขาก็อืมอืมอืมแล้วก็บอกเนี่ยลองฟังธรรมลองตั้งใจฟังธรรมสิแบบว่าคือแต่เขาก็ชอบน้ำพานะคะบอกว่าเนี่ยจะได้เข้าใจหมวดอะไรที่มันยากๆอะ่ะบางทีเราไม่คิดว่าเราจะเข้าใจแต่แบบพอเราฟังไปเรื่อยๆ อ, ยอะ่ะเราก็จะแบบมีดวงตาเห็นธรรมแต่น้องบอกเออเอาจริงๆนะก็ยังไม่ได้คิดถึงขนาดนิพพานขนาดนั้นนั่นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ บางทีเขาก็ยังแบบยังติดอยู่เขาก็ยังบอกว่าสีลห้าบางทีก็ยังไม่ไม่ได้เลยบางทีก็จําเป็นต้องพูดโกหกลูกค้านะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เข้าใจเขาโยมก็เข้าใจว่าเออบางครั้งบารมีมันก็ต้องมากันเหมือนกับว่าถ้าทานบารมีมันไม่ไม่ไม่เต็มอย่างเงี้ยศีลไม่ไม่ไม่ไม่เต็มอย่างเงี้ยพอดีภาวนาก็ไม่ก้าวหน้านะคะพระอาจารย์มันก็เกี่ยวอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะพระอาจารย์ว่าบารมีสิบมันสนับสนุนกันเลยเมตตาสนับสนุนให้มีทาน ทำทานได้ทาทานได้ก็จะรักษาศี่ได้รักษาสิ่ได้ก็จะภาวนาได้ค่ะคือพัดยมขอบพระคุณพระอาจารย์มากๆเลยค่ะแล้วก็ทําให้เกิดกําลังใจในการปฏิบัติค่ะจะพยายามต่อต่อไปเจ้าค่ะพระอาจารย์ฝากถือเจ้าค่ะอืออาจารย์อาจารย์สายทิพย์อสายทิพ ยันนี่ความจำไม่ค่อดีเจอกัน ท, ทุกอาทิตย์ยังลืมลืมชื่อเลยนามส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะ <c oughs> อย่าเพิ่งลืมค่ะ <c oughs> ลูกศิษย์ในห้องเรียนเ อ, อวันนี้เห็นหลายๆท่านพูดเรื่องของเวทนาหนูก็เลยนึกได้แตอนแรกหนูจําไม่ได้ว่าจะมาถามคําถามอะไรพระอาจารย์ค่ะเลยเพิ่งนึกได้ว่าตั้งใจจะถามคือตรงตรงเวทนาเนี่ยมันเป็นตรงที่ถ้าเผื่อบงัง บางก็คือถ้าสัวคนที่เขาสามารถอุเบกขากับเวทนาทั้งกายและใจได้นั่นก็เหมือนอารมณ์ที่แบบสงบแล้วก็อารมณ์คล้ายๆอารมณ์พานิพานได้ไหมคะพระอาจารย์ได้ถ้าเฉ้ได้ก็ตัดตัณหาความอยากไดเ้เหมือนเหมือนตรงนี้เกิดนิจบใช่ไหมคะอ่าเพราไม่มีตัณหาความอยากมันก็เป็นนิพพานแน่นอนอือค่ะ หมดเข้าใจแต่ว่ายังทำไม่ไดไ้ทำไม่ได้ไไดยังอย่ากรู้ยงอยากใน u ูทูบอยู่ยังอยากกินข้าวกินขนมอยู่ยังหิวอยู่เลยค่ะพระอาจารย์ทํางานเด้อแต่ตอนนี้หนูกำลังหาช่องทางจะลดงานอีกค่ะพระอาจารย์อาจจะค่อยๆ move ย้ายกลับมาที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทํางานให้น้อยลงแต่ว่าต้องต้องมีจังหวะจังหวะแต่ตอนท้ายนี้ไม่รู้ว่าเราจะ ตัดทางคณะได้หรือเปล่าหมายถึงว่าแอบเสียดายเงินเดือนอะไรเงี้ยค่ะพรอาจารย์ตรงนั้นน่ะเป็นเมถึงเวลามันก็ทํามันก็ถึงเวลามันก็จะทําได้เองมันก็จะแบบไม่เอาแล้วจารแค่นี้ใช่ไหมคะพระอาจารย์ค่ะอย่าไปกังวลอย่าไปกังวลการงานคนตั้งในปัจจุบันทําปัจจุบันให้ดีที่สุดค่ะทําตามแผนที่เราวางไว้เพื่อที่จะตัดเวลาทํางานให้ลดลงลดลงทํำทําเป็นขั้นเป็นตอนไป อืมค่ะค่ะก็ยังนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมอยู่ค่ะพระอาจารย์แล้วกินข้าเย็นกินข้าเย็นเยูะเราหนูทำงานสี่ทุ่มห้าวันเนาันโหยก็เลยการทํางานเยอะๆนี่มันไม่ได้เลยนะไม่มีอดข้อเย็นเลยช่วงนี้มีมีมีค่ะพระอาจารย์มีมีอดอยู่ค่ะแต่วันไหนที่ถ้าไปอยู่เองค่ะก็จะมีอะไรอยู่ข้างหน้าแล้วมันก็จะหิวช่วงช่วง ช่งวัดใจค่ะพระอาจารย์ <laughs> แล้วก็แผ้แพ้อาหารดูก็ดูไม่ได้ <laughs> เฉยไม่ได้พอเห็นอาหารแล้วเฉยไม่ได้ครับนึกถึงอาหารแล้วเฉยไม่ได้ค่ะปวดเบนขาหายหมดเลยปวดเบนเขาหายตันหายกิดขึ้น ท, ทันทะีเลยเอโอ๊ยจริงๆเหมือนมันก็นะั เป็นกิเลสเลยค่ะพระอาจารย์เพราะว่าพอไม่กินสักสองชั่วโมงผ่านไปมันจะนิ่งแต่มันเป็นจังหวะที่ว่าเดินพิจารณาปฏิปุณนะต้องพิจารณาปฏิูลณบ่อยๆค่ะได้ค่ะพระอาจารย์เริ่มใหม่เ ร, มมเริ่มใหม่ทุกรอบมันต้องผ่านได้สักวันค่ะมันใช่มันต้องมันต้องได้สักวันนึงมันต้องได้สักวันหนูพูดเปล่าแพ้มันน้อยครั้งไม่เป็นไรขอให้เราชนะมันได้ครั้งเดียวนะ ค่ะเดี๋ยวหนูสู้ต่อค่ะ <Okay. S 2> เดี๋ยวปฏิกูลสู้ค่ะพระอาจารย์ค่ะตอนนี้มีคำถามเพียงเท่านี้ค่ะสาธุค่ะคุณอารีพุท ธ, ธาการเป็นยังไงกาปรปฏิบัติดีหน้าก้าวหน้าไหมคือค่ะหลวงพ่อทำไมเมื่อสักคร ที่หลวงพ่อสนทนากับคุณหมอพีเชยนะคะที่บอกว่าสุขสงบจากปัญญาโหหลวงพ่อมั น, ม, นมันเพิ่มขึ้นกันแบบหนูไม่รู้จะจะว่ายังไงจะอธิบายนะใช่ใช่ค่ะหลวงพ่อแล้วแล้วหนูก็สงบมาตั้งแต่ได้ยินเสียงหลวงพ่อเทศจนถึงขนาดนี้ค่ะหลวงพ่อมันสงบจิตใจมันหนักแน่นมัน มันมีสมาธิมันมันสงบแล้วก็มีความสุขแบบเหมือนว่างๆไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วก็สุขเนาะสุขเนขาะค่ะหลวงพ่อแต่ว่าหนูพุทที่แล้วที่หนูเรียนหลวงพ่อว่ามันเหมือนหนูใช้ปัญญาแล้วพิจารณามันจะติดคงไปใช่ไหมคะแล้วหนูก็ลืมนึกไปว่าจริงๆแล้วสามตัวสติสมาธิปัญญามันต้องพอดีกันแล้วหนูก็มาปรับมันก็เลยแบบ<อ>ดี เห็นอะไรก็ดีไปหมดเลยสมาธิมากเกินไปก็ไม่ดีปัญญามากเกินไปก็ไม่ดีต้องสลับกันใช่ค่ะพอพอตอนนึางคืนวันพุธคืนนะ่ะหนูก็พอเลิกฟังหนูกลับมาปฏิบัติต่อแล้วหนูก็มามาปรับใหม่พอมันได้เข้าร็อกหูหลวงพ่อมันมันตุกแบบโอ๊ยทําไมทําไมดีดีอย่างเนี้แล้วชีวิตมันก็เปลี่ยนนะมันมันเหมือนทุกวันเนี้ยเหมือน เหมือนหนูอยู่คนเดียวอะค่ะหลวงพ่อคือก็ทํางานไปแล้วมันก็มันมันสงบสงบทั้งข้างนอกแล้วก็สงบข้างในอ่ะค่ะหลวงพ่อสงบแบบ ม, มีสุขแบบไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อนั่นแหลสุขแท้สุขจริงสุขใจค่ะหลวงพ่อแล้วหนูจะเรียนถาว่าแล้วระดับของความสงบความสุขของจิตตรงเนี้ยค่ะมันมันจะเพิ่มถ้าเราปฏิบัติแบบนี้ไปเรื่อยๆมันจะเพิ่ม มากไปกว่า น, นี้หรือเปล่าคะหลวงพ่ออ่ามันก็ต้องอยู่ตอนที่เราไปเจอปัญหาที่มัาสร้างความสะเทือนใจเช่นเจอการสูญเสียของบุคคลที่เรารักไปหรือต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่อาจจะท้าทายต่อความเป็นความตายของเราหรือค่ะตงนนั้นเราก็จะได้รู้ว่าใจเราเป็นยังไงก็คือไปวัดกันต่อ ตรงที่เราเจอเจอของจริงใช่ไหมคะหลวงพ่อใช่ต้องเจอข้อสอนอันนี้ยังยังยังเป็นแบบทํางานบ้านอยู่ยังไม่ได้เจอข้อสอนค่ะถ้าเจอข้อสอบผ่านข้อสอบแล้วมันจะมันจะยิ่งรู้สึกมีความสุขมากยิ่งขึ้นไลยถ้าถ้าสมมติว่าเจอแล้วมันวางเฉยเจอแล้วมันเป็นปกติก็แสดงว่าผ่านใช่ไหมคะหลวงพ่อก็รู้เองสันทิตรีโกอย่าไปคากันเองค่ะ แ, แล้วเราจะรู้อยู่ภายในใจของเราเองค่ะหลวงพ่อแล้วแล้วระดับของความสงบค่ะหลวงพ่อหนูยกตลงอย่างเช่นสมมติระดับตอนเนี้สมมติคะแนนหนึ่งร้อยอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วสมมติตอนนี้เราประมาณเจ็ดสิบอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันเราก็ไม่รู้หรอเท่าไหร่มันเดี๋ยวเค้าต่อไปมันได้มากไปกว่า น, นี้มันก็ ไม่ต้องไปสนใจหละเจ็สิบหรือแปดสิบหรือขอให้มันขอให้มันสงบไม่ไ ม, ไ ม, ไม่มันทุกกับอะไรก็แล้วกันมันาหมายเพืเพื่อไม่ให้ทุกกับอะไรเป้าหมาย ห, หลักอยู่ที่การดับความทุกข์ค่ะคือคือหนูแค่อย่างอย่างสมมติทั้งวันอย่างเนี้ยคะ่ะถ้าความสงบมันมันจะเป็นไปได้ไหมคะแบามันจะสงบสมมุติว่าไม่ไม่ทั้งวันอย่างเนี้ยคะ่ะคือคือหนูหมายถึงว่ามันจะ สมมติเดิมเราเคยสงบยี่สิบสี่ชั่วโมงยกเว้นเราหลับอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อสมมติมันเพิ่มจํานวนชั่วโมงเข้ามาอย่างเงี้ยคือจะเรียกว่าสงบข้างในแบบตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อมั น, ม, นมันจะใช่ไหมคะเรื่ความจริงเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นดูความเป็นจริงก็แล้วกันถ้ามันสงบมันไม่ทุกข์ก็ใช้ได้ถ้ามันทุกข์เองก็ต้องกําจัดความทุกข์ต่อไปค่ะ แล้วแล้วเราเห็นความเงียบในข้างในของเราอะค่ะหลวงพ่อมันมันไม่กวัดแกว่งมันนิ่งอะค่ะหลวงพ่อมันมันมันก็<ส>มันก็คือความสงบนะมันไม่แกวรมันก็คือความสงบค่ะแล้ ว, แ ล, วแล้วเวลาหนูไปดูภาพที่มันเป็นอสุภะหรือว่าหนูฟังอย่างฟังหลวงพ่อเทศหรือฟังธรรมะอย่างนี้ค่ะหลวงพ่อจิตมันจะวิ่งเข้าไปสงบสงบ แล้วก็เฉยแล้วก็คืออยู่แบบมีความสุขตรงนั้นนะคะหลวงพอ่อมันจะเป็นแบบนี้ตอนนี้ยค่ะทุกครั้งเลยอะค่ะหลวงพอ่อก็ดีถ้ามันสงบมันสุขว่าไม่มีปัญหาอะไรมันคอยดูไปเรื่ อ, อ, อยๆก็อยู่กับมันไปไปจนกว่าจะมันเกิดมันจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความไม่สงบขึ้นมาร้อแสดงว่าอ้าวยังมียังมีเหลืออยู่เลยลค่ะหลวงพ่อเข้าใจ ต้องปฏิบัติไปเรื่อยๆจังการเราจะมีความมั่นใจว่าไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วในใจเราค่ะหลวงพ่อวันน้หนูหนูดีใจมากๆเลยค่ะหลวงพอ่อมันที่ฟังหลวงพ่อเทศแล้วมันมันมันสูบมันซึ้งมันอยู่เข้าไปข้างในลึกๆของหนูเลยที่หลวงพ่อเทศสนานากับคุณคุณหมอพี่เชษดเมื่อสักพัก น, นึ่ะค่ะหลวงพอ่อจนกระทั่งถึงถึงตอนเนี้ยค่ะหลวงพอ่อก็ดี ก็ดูไปเรื่อยพิจารณาไปเรื่อยอย่าอย่าประหม่าอารมณ์อารมณ์อารมณ์มันเสถียรหรือยังหรือยังมีขึ้นมีลง ม, ม, มีมีเปลี่ยนไปเปลี่ยมาอยู่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าดูกายเวทนาแล้วก็มาดูจิตตัวสุดท้ายก็คือตัวจิตใ่่หรือเปล่าจิตสําหรับตลอดเวลาเมื่อมาเวลามันอาจจะเกิดอาการเศร้ามองอขึ้นมานน ไม่เปล่าอะไรน้เราคอยสังเกตดูไปอย่าประมาทถ้าไม่มีถ้าไม่มีก็ดีถ้าไม่มีอะไรการเปลี่ยนแปลงก็ดีถ้ายังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แสดงว่ามันยังยังยังไม่เคลียร์ใช่ไหมคะหลวงพ่อยังมีปัญหาอยู่ยังมีตัวฟีเลยอยู่ค่ะถ้าถ้าถึงตรงนั้นแล้วอ่ะแสดงว่าหนูหนูต้องไปปรับว่า มันมันต้องไปเสริมตรงนั้นอีกต้องไปแก้ตรงนั้นอีกนะคะหลวงพอ่อที่ที่จุดที่ยังแกว่งยังเป็นปัญหายอยู่อก็ต้อหาดูอะไรทำให้มันแกว่งอยู่มันไม่มันไม่เฉยค่ะหลวงพอ่อโอเคนะขนอบคุณหลวงพ่อมากมากค่ะหลวงพ่อโอเคใครที่คนได้จับคณตาเดิน ใบไหม่ได้ไหมอ่านมิวอมิวได้แล้วครับคับครัอาจารย์ครับครับพอเข้ามาร่วมร่วมฟังธรรมกับกับกับทุกๆท่านครับวันนี้เป็นวันวันครบรอบวันเปิดตาเหมือนกันค่ะพระอาจารย์อยากขอกันบ้านให้ตาหน่อยค่ะพระอาจารย์อยาก้องหนูอยาก ก็ต้องไม่ต้องไม่เกิดเนการบ้านนะครับครับเนอน้อมนําไปปฏิบัติเขาอาจารย์อัจความ<ร>อยากอาจความอยากให้หมดไปแล้วกางเกิดก็จะไม่มีครับการบ้านก็คือ<ร>พยายามตัดความอยากครับพยายามไม่ไม่ทําตามความอยากใช่ไหมครับใช่ตัดความอยาก อ, าอยากยาก็ไปเที่ยวก็ไม่ไปอยากจะดูหนังฟังเพลงอะไรก็ไม่ไปก็คือทําทําควรใช้ชีวิตตามความจําเป็น ใช่ัหมคะพระอาจารย์จำเป็นก็แค่ทำปัจจัยสี่เรื่องปากเรื่องท้องไปจําเป็นแต่การไปเที่ยวไม่จําเป็นใช่ไหมการซื้อของผู้่มเฟือไม่จําเป็นการไปดูหนังฟังเพลงก็ไม่จําเป็นมันไม่จำเป็นต้องตัดไปให้หมดเวลาเวลาอาจจะมีพอเจอกิเลสอะไรมาอยู่ตรงหน้านี้เวลาเราจะ เราบางทีเรารู้ทฤษฎีแต่พอจะตัดจริงๆนี่พระอาจารย์แนะนําว่าต้องเราเราจะต้องมีสติมีสมาธิแบบนี้ใช่ไหมครับต้องเห็นวเสิ่งที่เราอยากมันเป็นทุกข์ว่ามันไม่เที่ยมแล้วอยู่ที่ว่าเรามีสก็มีกําลังทําตามที่เราเห็นหรือเปล่าตามตา ม, า ม, ามปัญญาแล้วเป่าบางทีปัญญาบอกเป็นทุกข์แต่เราก็ยังว่าเอ้ยทุกข์ยังไงก็ยังดีกับไม่ยังดีกับไม่มีมันเลย บางคนติดยาเสพติดอย่างเนี้ยใส่แล้วยาเสพติดมันมันทุกข์แล้วแต่ถ้ามันไม่มีมันมันยิ่งทุกข์กว่า้ยรับเงี้ยก็เลยเลิกไม่ได้ใชพระอาจารย์จะจะพยายามค่ะพระอาจารย์อยากพัฒนาตัวเองค่ะแต่ถ้าฝึกสมาธิเยอะๆจิตสงบมีความสุขในตัวมันเองอะเลิกได้ร่วมเป็นทุกข์อะเลิกได้เพราะเรามีความสุขจากสมาธิเป็นที่รองรับอยู่ แต่ถ้าเราไม่มีสมาธิมาลองร่างมาแล้วไม่มีมาลองทำประมาณแล้วก็เลิไม่ได้หนึ่งไม่ได้เนี่สมาธินี่สําคัญคนที่ไม่ฝึกสมาธิแล้วบอกมนุษย์ทําได้เนีโกหกไลยจะจะแบ่งเวลาให้มากขึ้นค่ะพระอาจารย์ครับก็น้อมนําไปปฏิบัติครับก็ขอบคุณอาจารย์ที่อาจารย์มีสอนครับแล้วก็จะมาเจอรับ ครับอาจารย์ครับท่านต่อไปคุณพิสิทธิ์เจอพิสิทธิ์ตะกนตรค้ครับการนมัสการพระอาจารย์ครับผมเป็นยังไงมีอะไรไหมมีอยจะคุยกับพระอาจารย์หน่อยวันนี้ครับว่าอะลรพอดีเขาคุยกันเรื่องสมาธิก็อยากจะคุยเรื่องสมาธิกับเขาว่างพวกที่เขาได้สมาธิแล้วเนี่ย สัญญาณของการได้สมาธิคือยืนเดินนั่งนอนเป็นสุขใช่ไหมครับอาจารย์เป็นเป็นพวกนี้เขาส่งอารมณ์ชานแล้วเนี่ยอาจารย์อาจารย์ครับได้แต่มันเมื่อเราเอาจากสมาธิมามันก็เสื่อมได้ก็ต้องกลับเข้าไปเรื่อยๆ ไ, ไม่ใช่ออกมาแล้วมันจะส่งไว้เหมือนตอนที่อยู่ในสมาธิตลอดไปสมาธิมันยังเสื่อมได้พวกที่ได้ตรงนี้แล้วเนี่ยพอเอเขาเข้าไปใหม่เนี่ย มันก็จะมีธุลีของจิตเล็กๆเป็นความเป็นความเศร้าหมองของจิตนั่นแหละหรือเรียกว่าความขุนมัวของจิตตัวเนี้ยเขาจะต้องสลายทุกวันเพราะถ้าไม่สลายมันก็จะพอกแล้วก็จะเสื่อมลงไปครับอาจารย์ก็กิเลสเนี่ยสมาธิมันไม่ได้มันไม่ได้ทําลายกิเลสเป็นเพลยงแต่กดเอาไว้มันหินทับหญ้าเอาจากสมาธิมากิเลสนี้ถุกกดไว้มันก็เริ่มมาแสดงตัว สางความเศร้าหมองให้กับใจต่อไปแต่แต่ตัวนี้เขาสลายได้เพราะว่ากําลังกําลังของของสติและสติเข้ามากมันก็สลายได้ง่ายมันสลายได้ไ<อ>ชั่วค<อ>ราวเดี๋ยวพะสติอ่อนกําลังลงมันก็กลับมาใหม่ได้ใช่ครับอาจจะสลาย อ, จ า, อ, อาจจะพังก็สลายแล้วอาจะสลายอย่างเทาวอนต้องใช้ปัญญาครับแต่สั ญ, ญญาณอีกตัวหนึ่งที่เป็นสัญญาณของผู้เขาได้สมาธิแล้วก็คือมีอุเบกขาอย่างที่พระอาจารย์บอกเอุเบกขา ครับอย่างอย่างมีคนมาคุยแต่มันก็ยังเสริมได้อยู่ก็ยังเสริมได้อยู่คนยานานคิดมากๆเดี๋ยวใจก็จะร้อนขึ้นมาได้แทนที่จะเย็นยากลับร้อนขึ้นมาได้ครับมาลงกลับเข้าสมาธิไปเติมไปเติมโมเบคขาใหม่ต้องไปสลายความคุณมัวของคิดตัวนั้นอีกใช่ไหมพระอาจารย์ทําใจให้สงบหยุดคิดเปแต่งยนรบกวนท่านอาจารย์แค่นี้ครับกลับขอบพระคุณไว้อาจารย์ครับออพอใจนะ ครับครับแล้เป็นตรงกันแล้วนะไม่ ข, ขัดกันนะไม่ขัดครับพ่อจันโอเ ค, ค, คขอบคุณทุกคุณพ่อจันครับอไปนี้คุณมานอมเซรัมออริกันค่ะตอนสักการหลงพ่อเจ้าค่ะปฏิบัติอยู่เจ้าค่ะก็กระทบก็วางเบรคขาแล้วก็พิจารณาใจรักเจ้าค่ะหลวงพอ่อดี สามตัวเนี่ยสติสมาธิปัญญาเนี่นะคะเวลาไปวัดก็คือตอนนี้หัวเขามันปวดมากขึ้นมันทตามารก็เวลานั่งสมาธิก็ปวดก็ร<ๆ>ู้ว่ามันปวดแต่ก็นั่งได้สองชั่วโมงจงง้ะค่ะหลวงพ่อนั่งมไม่อยากจะออกเลยดีวางเฉยได้อเุเบกขาไม่ไม่ไมทรมาณไปกับความเจ็บปวดของร่างกายนะยัะค่ะดี <Okay. S 2> ปฏิบนะัติตอนแรกเจ้าค่ะกับนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะชาเถอะนี่คุณฟังว่าอะไรลอยวงทีอาชากับนมัสการต้นข้าวตารก็ฟังจากที่บทสมนนาหลายๆท่านนะคะหนูได้สันติโกเรียบร้อยแล้วจ้ะคะ่ะมีนะที่สัปดาห์ที่ผ่านๆมาค่ะก็มีคนพูดนินทาอะไรเงี้ยค่ะแล้วแล้วหนูเฉยๆ มันก็มันมันไม่เมื่อเมื่อก่อนตอนที่ศึกษาใหม่ๆอาจจะรู้สึกว่ามันไปกดทถาว่าเออเราไม่โกรธแต่ว่าตอนนี้คือเราก็เฉยมากเราก็สามารถที่จะจัดการในเรื่องของถ้าเตอร์เขาหนูก็พูดคุยสนทนาได้ปกติแล้วก็ในขณะเดียวกันในขณะที่เป็น SR นะคะมันก็จะมีพนักงานเข้าคิวเข้ามาเหมือนพระจารเลยค่ะหนูหนูเป็นเหมือนพระอจารย์เลยค่ะหนูต้องเหมือนรับตั้งรับตั้งคําถามแล้วก็ให้คําแนะนําสอดแทรกธรรมะค่ะ บางทีจะรู้สึกช่วงแรกๆจะรู้สึกปวดหัวแต่ว่าตอนหลัง อ, อุเบกขามันมาเยอะค่ะมันก็จะมันจะได้ใช้ปัญญาในการที่คิดวิเคราะห์ได้ว่าจิตของแต่ละคนเป็นยังไงค่ะแล้วก็มาปรับใช้ในขณะเดียวกันค่ะหนูหนูเข้าใจคำว่าที่พระอาจารย์เคยบอกบอกหลายๆครั้งแล้วว่าถ้าเราใช้พวกกรรมฐานหรือว่าใช้พวกแน่พิจารณาปัญญาบ่อยๆเราจเหนื่อยก็หนูก็เจอหนูก็เจอเหตุการณ์เนี้ยค่ะ ฟังเยอะๆเราก็พิจารณาเยอะๆมันจะเหนื่อยพอกลับไปบ้านหนูก็เอ า, อาทาสมาธิใหม่หรือว่าช่วงที่ไปฟังธรรมค่ะก็บู o s t boost, boost หนูตัวหนูกันมาใหม่แล้วหนูก็ดีขึ้นก็ขอบคุณอีกครั้งค่ะหนูก็ ไ, ไปปฏิบัตินะคะการปฏิบัติมันต้องสลับกั น, น, ร, นกระหว่างสมาธิกับปัญญาเออค่ะขอบคุณมากๆเลยเจ้าค่ะอืทำปัญญาอย่างเดียวก็จิตก็ฟุ้งได้เหนื่อยได้ ถ้าสมาธิอย่างเดียวจิตก็ทื่อไม่ฉลาดแล้วค่ะก็เลยต้องใช้ใช้ตรงนี้ค่ะอาสลับกันไปค่ะฟังธรรมพระอาจารย์ด้วยเพิ่มปัญญาแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็ฝึกปฏิบัติไปได้วยกันค่ะโอ้ขอบพระคุณด้วยนะจะค่ะต้องจ้ะเป็นกิิกาเลยใช่ไหมอยู่ที่ไหนจ๊ะ เหมือนขึ้นมอ่ะเพืนรักครับได้ยินไหมอาจารย์ได้ยินแล้วจ้ะอยที่ไหนจ้าเอ่อตอนแรกหมู่ก็อยู่พัทยาค่ะตอนนี้ย้ายมาอยู่นครนายกอ่ามายมาวนานหรืยังโอ้ย้ายมาประมาณสามปีแล้วค่ะพระอาจารย์สมัยก่อนก็ได้ไปใส่บาตรพาแม่พาป้าไปตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้ไปย้ายมาอยู่ที่นี้ก็เลยอาศัยเข้ามาในซูมเอาอ่าใช่ไหมเข้ามาครับนี่เป็นข้างหนาหรือเปลได้ค่ะใช่ค่ะก็คือ อ่าหนูก็เลยจะก็ก่อนหน้านี้ก็ไปไปนั่งสมาธิไปฟังพระอาจารย์เทศตั้งแต่สมัยอยู่บนเขาเลยอะค่ะอะใช่ค่ะก็ตอนนี้ลูกเริ่มโตแล้วเลยมีเวลามาค่ะ ม, มีคำถามไลยคะค ะ, ะมีมีคำถามไล ม, ม ค, มมมค ะ, ม, คะมีค่ะมีค่ะมีค่ะคือหนูปฏิบัติมาประมาณแปดปีได้ค่ะแต่คราวนี้สิ่งที่มันเห็นชัด ก, ก็คือว่าความโกรธเนี่ยมันลดลง มีมาช่วงปีเนี้ยค่ะที่เออ่มันถอนอารมณ์จากเรื่องความยินดีความเศร้าหรือความอะไรที่มันแบบเหมือนอยู่ๆอารมณ์พวกเนี้ยเรื่องอารมณ์กระทบประคามันลดลงหนูเลยไม่รู้ว่าอันนี้มันเป็นความก้าวหน้าของการปฏิบัติหรือว่าพราะหนูอายุมากขึ้นเรามีประสบการณ์มากขึ้นมันก็เลยไม่ได้รู้สึกอะไรมากอะค่ะอ่ามันต้องอยู่ที่การปฏิบัติน ะ, ะ, ะถ้าไม่ปฏิบัติมันไม่ลดดอกของพวกนี้ ถ้ารมีสติสมาธิมากขึ้นใจเราจะเย็นนองแล้วก็จ ะ, กจะปล่อยวางจะเฉยได้มากขึ้นค่ะแล้วก็อีกคําถามหนึ่งคําถามสุดท้ายค่ะคือหนูฝันถึงพระอาจารย์ว่ากําลังจะเข้าพระโบโสถ์ก็เดินตามพระพระอาริยะสงฆ์ที่ท่านละสังขารแล้วก็ยังไม่ละสังขารท่านก็เดินเข้ามาแล้วครา้เนี้ยพอถึงตาคารวาที่ต้องเดินดูไปต่อคิวบ้าง แต่พระอาจารย์สุชาติเนี่ยมาขวางเอาไว้แล้วก็บอกว่ายังเข้าไปไม่ได้แล้วก็โยนหนังสือมาให้เล่มหนึ่งพระอาจารย์สุชาติบอกว่าไปศึกษามานะหนังสือเล่มนั้นเนี่ยมันเขียนหน้าปกว่าละศักกายาทิฐิหนูตื่นมาเนี่ยหนูก็เลยไปหาข้อมูลมาบ้างว่าไอ้ละศักกายาทิเถียมันยังไงแล้วมันยากมากเลยค่ะพระอาจารย์พอมีทริคหรือมีแบบคําแนะนําบ้างไหมคะว่าละศักกายาทิถิสาหรับคารวาสเนี่ยมันทําได้ไหม ได้ให้มองให้เห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรานั่นเองมันเป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งที่พ่อแม่ผลิตขึ้นมาเป็นทำมาจากดินน้ำลมไฟอาหารที่เรากินเข้าไปแล้วมันอยู่ได้สักพักต่อไปมันก็ตายตายมันก็กลับคืนสู่สภาพเดิมกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟพยายามพิจารณามองให้เห็นร่างกายว่าเป็นธาตุสีแล้ว<ะ>พิจารณาค่ะพระอาจารย์มันมันก็พอจะก้มแก้มได้แต่แค่ไปทําฟันเนี่ย เจ็บปวดขึ้นมาเนาะโอ้โ oh, ห oh. ตัวหนูชัดๆัดเลยค่ะไม่รู้จะไปนน oh. ก็ตอนนั้นก็ต้องตอนนั้นก็ต้องพูดโทพูดโธก็บอกว่าไม่ใช่ตัวเราปล่อยมันไปมันจะเป็นงานช่างของมันเราเป็น <Ha. S 1> ผู้รู้ผู้คิดแายลู่เฉยเฉไป <Ha. S 1> เวลาเจะทุกขก็ม่ทนาแล้วมันจะไปยื้อเอบอกว่าไม่มันไม่ใช่ตัวเราร่างกายไม่ใช่เราร่างกายมันไม่เดือดร้อนเนีย่ยเวลามันเจ็บอ่ะใครเดือดร้อนอ่ะเราใช่ไหม เราคือผู้รู้ผู้คิดเป็นเดือดร้อนแทนร่างกายเองแล้วก็ทําใช้กรรม บ, บริกรรมดึงใจแล้วออกจากร่างกายไปในช่วงนั้นถ้าจุดวกนี้ไปเรื่อยๆต่อไปก็จะไม่ไม่เดือดร้อนกับความเจ็บของร่างกายต้องอาศัยคําบริกรรมเวลาจใจเริ่ ม, มไปยึดไปติดกับร่างกายดึงให้คําบริกรรมพุโทโธพุโทโธเดิอนออกมาหรือบอกอ น, นัตตาอนัตตามันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรา มันต้องไปเจอเหตุการณ์ที่ทําให้ใจทุกข์กับเกี่ยวกับร่างกายมันถึงจะใช้คำโบริกามแยกออกกันออกจากกันได้เอาใจไปอยู่ตรงไหนคะอาจารย์อง่ายๆเลยอยู่กับพูดโธให้อยู่กับพูดโททำปันปันมาแล้วเนี่ยอย่าไปสนใจอย่าไปสนใจกับความเจ็บอย่าไปสนใจกับร่างกายหมอจะเอาเข็มที่เมึงเอาแล้วก็พูดโทพูดโธพูดโทเอาไปเลยอนะ เราดึงใจออกจากร่างกายอย่าไปสนใจร่างกายมันจะโดนอะไรทิ่มอะไรแทงก็เรื่องของมันปล่อยให้มันถูกมันที่มันแทงไปเราพยายามดึงใจออกมาให้ใจเ ฉ, ะฉะยๆไปต่อไปเราก็จะแยกร่างกายแยกใจออกจากร่างกายได้ปล่อยวางร่างกายได้ว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรา อันนี้คือเป็นของเบื้องต้นของราสักกายาทิฐิเลยใช่ไหมคะอาจารย์คือต้องแยกมาเลย<ช>แยกกายใจใช่ไหมคะแยกแตอนที่มันเจ็บแยกที่มันจะตายต้องไปเจอที่เหตุการณ์ที่มันน่ากลัวที่ว่าจะทําให้เราตายแล้วก็พุโทโธพุโทโธแล้วโปงเนะมันจะตายก็ตายไปห้ามมันไม่ได้ยอมตายไปพยายอมตายได้ยอมเจ็บได้มันก็สนแสดงว่าละก็ละรสกายาทิฏฐิได้ แล้ว น, นยายามมี่พยายามฝึกสยายามสยาธิฝึกพุทโธฝึกสติให้มากๆแล้วหมันพิจารณาเรื่เรื่อร่างกายในเยื่ตัวเราเป็นดินน้ำลมไฟไม่เที่ยงมันเกิดแล้วต้องตายาเป็นธร ร, นรมดาเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้งตายพิจารณาอยู่เงี้ยเรืร่อยๆไปแล้วพอเจอเหตุการณ์ที่ที่ที่มี่มากระทบกับร่างกายไม่ว่าจะเป็นความเจ็บหรือว่าความตายแล้วเร า, าก็จะได้ใช้ ใช้ปัญญาใช้สมาธิแยกใจออกจากร่างกายมันต้องมีเหตุการณ์ที่ทําให้เราทุกข์กับร่างกายแล้วสามารถดับความทุกขที่ได้ด้วยการปล่อยวางร่างกายเราก็จะรู้ว่า อ, อ่อนแล้วละสกายาทิฏฐิได้แนละ้วเรายังทุกข์อยู่กับรา่างกายอยู่เราก็ยังละไม่ได้เรายังกลัวอยู่กลัวเจ็บกลัวตายอยู่แสดงว่าเรายังละไม่ได้ ถ้าเราเฉยไม่กลัวไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายปามันเจ็บไปไปานมันตายไปแสดงว่าเราะละได้อใจย์มหพ อ, อทําได้ไหมต้องทําให้ได้หรอกเอาเนื้อไปหาหมอฝันก็พูดโทรพูดโทรไปเลยมาขอบคุณมากครับอาจารย์โอเคนะตอนนี้หันนั่งสมาธิให้มันเจ็บแล้วก็พูดโทรพูดโทรไปเลยอย่าขยับอย่าลุก เวลามันเจ็บก็ใช้พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปซ้อมแล้วซ่อมแลเหมือนกับเรากำลังไปถอนฟันอขอพอกคณมากโอเคนะลองทำดูนะโอเ ค, อเคไปที่ท่านต่อไปคุณหมอสุทัศณีนมัสการท่านอาจารย์เจ้าค่ะไม่มีคำถามค่ะ คุณหมอผานหมดแล้วใช่ไหมที่พู้นับนเนี้ยความเจ็บก็ดีคางตายก็ดีปฏิบัติตามที่ท่านอาจารย์สั่งสอนแล้วมันต้องรู้เองเจ้าค่ะไม่ต้งองไม่กลัวนะมั่มนใจ่็ยังต้องไปหาข้อสอบทําทดสอบเรื่องนี้ถ้าควา ม, มความเจ็บนี้ไม่กลัวเจ้าค่ะแต่ว่าความตายเนี่ยอาจจะต้องอ่ะหา<ม><ท>ะข้อสอบหาข้อสอบนะหให้การมากรต้นหน่อยนะ เจ้าค่ะอืตันนี้ยังทําการบ้านอยู่ใช่ค่ะตอนนี้ยังไม่มียังไม่มีปัญหาอะไรเจ้าค่ะท่านอาจารย์จะไปเจอโรคอะเรแล้วหมอว่าขั้นสุดท้ายนล้วอะไรก็จะดูว่าเป็นยังไงนะเ<ค><ะ> จ, จ้าค่ะท่านอาจารย์ขอบคุณท่านอาจารย์เจ้าค่ะโอเคสาบดขอบคุณแอนคุณานอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยครับนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ ะ, ค ะ, คะ เพิ่งกลับมาถึงญี่ปุ่นเมื่อเย็นนี้เองค่ะรีบเข้ามาเลยญี่ปุ่นเป็นฐานฐานที่ทํางานของเราใช่ไหมใช่ค่ะแต่แต่ตอนนี้ตุม้มตุ้มต่อมๆ ม, ม, มากเลยค่ะใต้ฝุ่นเข้ามาสองวันแล้วในข <ะ S 1> ่าวว่าเขาจะปิดโรงงานเนี่ยโตโยตาตรงนี้แล้วค่ะนี่คือตอนนี้คือหนูก็รู้ลูกนี้หนูจะได้กลับบ้านไหมเหมือนกันเพราะว่าใต้ฝุ่นมันลูกนี้มันร้านมากเลยมันมัน มันแรงแบบว่ามันมาเรื่อยๆค่อยๆมาค่ะมันไม่มาทีเดียวจริงๆหนูต้องหนูกลับมาจริงจริงมันสมควรจะไปจากที่บุญขึ้นขึ้นไปเลยออกไปแล้วใช่ไหมคะกลายเป็นว่ามันมาช้าลงแล้วก็พรุ่งนี้หนูเลยต้องรอฟังจากบริษัทว่าจะได้กลับบ้านไหมเพราะว่ามันมันเพิ่งจะมาถึงตรงที่หนูอยู่เนี่ยค่ะแต่ว่าไม่รู้จะได้ผลกระทบไหมก็เลยกลัวว่าจะไม่ได้กลับไปทันทันไป ไปวัดที่ที่ตั้งใจไว้เดี๋ยวต้องรอลุ้นพรุ่งนี้วันนี้เรื่ออะไรเ ร, เรากราบหน้าก็ได้ไม่มีอะไรเพ่ทแท้แน่นอน<ม>พิจาราว่าเป็นตายรักไปค่ะแต่ตอนนี้ก็แอ บ, บหวังแอบบหวังเล็กๆ ก, ก็เดี๋ยวรอพรุ่งนี้บริษัทประกาศหวังว่าจะอย่างมากก็แค่ดีเลยเซตไปแบบสักสักครึ่งวันก็ยังดีไม่ถึงขนาดต้องยกเลิกอะไรเงี้ยค่ะยังได้กลับบ้านค่ะโอเ วันนี้ก็มานั่งฟังค่ะมาได้มาเอาความรู้เหมือนเดิมเพราะว่าฟังพวกพี่ๆเพื่อนๆมานั่มามาถามคําถามหลวงพ่อแล้วทาให้รู้เลยว่าเรานี่เรียกว่ายังไม่ได้เข้าอนุบาลด้วยซ้ํานี่มานั่งฟังเนี่ยก็ดีได้เรยนรู้ไปเรื่อยๆค่ะไม่ต้องกังวลว่าเราอยู่อยู่ตอนอยู่ขั้นไหนตอนไหนค่ะท้ายที่เราได้ทําหน้าที่ของเราไปเรื่อยๆคือศึกษาแล้วปฏิบัติหอังไปมันก็ขยับขึ้นไปเอง อยากถามหลวงพ่อข้อนึงได้ไหมคะคืออย่างถ้าคนที่เรียนหนังสือไม่เก่งหรือว่าเป็นคนที่ไม่ได้มีความรู้ทางธรรมแบบว่าคําศัพท์หรืออะไรเงี้ยเหมือนที่พวกพี่ๆคุยกันเนี้ยอ่าไม่จําเป็นต้องรู้มากครับให้รู้เท่ า, าที่จําเป็นต้องรู้ท่านั้นซึ่งบางส่วนใหญ่ก็เป็นภาษาไทยค่ะคือหนูแบบว่ายังมีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนเรียนหนังสือไม่เก่งแล้วก็เป็นคนไม่ชอบเรียนหนังสือแต่ว่าฟังชอบฟังแค่จัก จับเอาหัวข้อมาก่อนแล้วก็อยากลองทดลองเี้ค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าถ้าทําอย่างเงี้ยมันมันจะช่วยให้มันมันสามารถเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเอ่อพัฒนาตัวเองได้ไหมคะถ้าเป็นคนประเภทอย่างเงี้ยค่ะออนุกว่าการปฏิบัติชั่งใหญ่ไม่ไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะฉลาดหรือไม่ฉลาดแต่ให้เรามีความขยันนั่นไหขยันมากกว่าการปฏิบัติสำคัญ้วยความขยนันีก็คือก็คือเน้นปฏิบัติ ใช่ไหมะครัเป็นเดี๋ยวให้เรารู้ว่าเราปฏิบัติอนะไรเช่นสติเราต้องรู้ว่าสติเป็นอย่างไรเราปฏิบัติสติปฏิบัติอย่างไรเท้านี้ก็พอค่ะแล้วแล้วหนูมีคําถามวิเคราะห์คำถามคือว่าหนูอย่างมีเพื่อนๆนที่เข้ามาปฏิบัติอย่างเงี้ยนะคะแบบเขาก็จะชอบพูดกันว่าโอชาตินี้ขออย่างมากแค่โสดาบันก็พอและวหนูเลยอยากรู้ว่าการที่จะได้โสดาบันนี่มันมัน มันง่ายหรือมันยากยังไงคะหรือว่าทุกคนที่เขาพูดงี้นี่คือเขาเขามีความมั่นใจว่ามันมันจะต้องได้นะคะหลวงพ่อแต่ละคนไม่เหมือนกันที่จะอธิษฐานจิตขอให้ได้โสดาบันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ะอยู่ที่ว่าเรายึดติดร่างกายเรามากน้อยถ้ายึดติดมากก็มันก็ยากถ้ายึดยึดติดน้อยมันก็ง่ายเป้าหมายคือเราต้องการปล่อยร่างกายเพราะร่างกายไม่ใช่เราเราเป็นจิตเปิดเราเป็นจิตเป็นใจเป็นผู้รู้ผู้คิด ผู้ใช้ร่างกายทําอะไรต่างๆให้กับเราแต่เราไม่ได้เป็นร่างกายก็อยู่ที่ว่าเราไปยึดไปติดร่างกายไม้มากมน้อยบางคนยึดติดมากก็จะละลาได้ยากบางคนจะ ย, ยึดติดน้อยใช่คนที่รักรักร่างกายต้องดูแลร่างกายถนอมร่างกายอย่างดีอย่างดีงดเป็นอย่างเงี้ยจะละยากแต่คนที่บอกาไม่ค่อยไม่ค่อยถนอมไม่ ร, มร่างกายมันจะเป็นจะตายไงก็ก็ก็ไม่เดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าอย่งีจะละง่ายกว่า ค่ะตอนนี้หนูยังหนูฟังนั้นคือหนูรู้สึกว่าตัวเองอ่ะยังไม่ยังไม่กลา้ายังไม่ไม่รู้สึกว่าตัวเองกล้าที่จะอธิษฐานจิตไปถึงตรงนั้นแต่ว่าแอบหวังเล็กๆว่าถ้าตอนเนี้ได้มามาฟังธรรมะของหลวงพ่อแล้วก็ได้เริ่มเริ่ ม, มหัดเรียนรู้ปฏิบัติอ่ะพอจะมีพอจอากอแม่อธิฐานแบบนั้นอันที่ไม่ควรขออธิฐานว่าจะขอขั้นนั้นขั้นนี้<ม>ขออธิฐานที่ขอให้เราได้ปฏิบัติไปเรื่อยๆนี้ดีกว่า มาและปฏิบัติให้เราได้ศึกษาธรรมะไปเรื่อยๆได้ปฏิบัติไปเรื่อยๆขอขอสองอย่างนี้จะดีกว่าค่ะแล้วมันจะมาเองผลมันจะตามมาเองได้ค่ะถ้างั้นหนูก็ขอขอตามที่หลวงพ่อแนะนำนะคะก็ขอให้ไหนๆก็หนูได้มามาพบเจอหลวงพ่อในในในช่วงที่ผ่านมาสองสาเดือนนี้หนูก็ถือว่าเป็นบุญของหนูแล้วก็หวังว่าจะได้ได้เริ่มผัานปฏิบัติแล้วก็ได้ได้พบ แสงแสงแสงสว่างหแห่งธรรมเดินทางที่ถูกที่ควรนะคะฟันะงธรรมไม่ได้เรื่อยศึกษาไม่ได้เรื่อยปฏิบัติไปได้เรื่อยเดี๋ยวแสงสว่างแห่งธรรมมันก็จะปรากฏขึ้นมาขอบพระคุณเจ้ค่ะจะพยายามนะค ะ, อ ะ, อะขอบพระคุณค่ะไปที่คุณแอนดี้แอนดี้เอใครเข้ามาครับแอนดี้ใชนะ่ครับผมะเนศครับธเนศนะครับยเนศจะอัฒนาการงาครับใช่ครับ วอนน่้นผมถเข้ามาป่าวถามถามคุณนั่นเห่าว่าเจอกันบ้างป่าวผมไม่เคยได้เจอเลยไม่ใช่ครสบสมสุเมสมเมสม่ไม่ไม่ไมเมเมสุเมสเมสสุเมสุ้มสุเมมมสครมสุเมสุเมสุเมสุเมเมเมสุมสุเมสุเเมเมสมสุเมสุเมสุเมสาเมสุเมสเมสมุุเมุเมสมสุเมสสุมากขึ้นครับก็เราก็ไม่ไมุ่เมสุเมสุเมสุเมสุเมสุเมสุเมสุม ก็ไปอาศัยแบบเครื่องมือทางโลกการสอนของทางโลกดูครับทีนี้ก็พอทราบรล้ววันมันมันจริงๆมันมันมันจะไม่เหมือนทางพุทธศาสนาครับอืมาจารย์ก็การเริ่มการธรรมากินดีอยู่นะครับอืมเขาก็พอพอไปได้อาจารย์ครับพอได้ครับม่เห็นแล้วหลายปีแล้วนะสี่ห้าปีแล้วนั่นแต่โควิดนะครับตั้งแต่โควิดอาจารย์ครับอืมครับแต่ก็มี ป่าไปตักบาตรเรื่อยๆอาจารย์ำุญกับอาจารย์กับทางพี่แมวครับอาจครย์พี่แมวครับครับผมครับนี่ครับผมก็ขออนุญาตมาฟังขออนุญาตครับโอเคดีใจด้วยที่ได้เห็นหน้านตครับผมอาว่างก็ถ้ามีเวลาก็มาเยี่ยมเยียนกันมาใส่บาตรเองมากก็ได้แล้ว่าฟังเทศน์ฟังธรรมครับผมครับโอเคดีใจครับอาจารับ ก็ตัวอะนี่ตอนนี้คนใช้ยานิดละนิหน่อยนหน่อยกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะอะมีอะไรไหมไม่มีเจ้าค่ะลุ้เข้ามากราบพระอาจารย์เจ้าค่ะอะปฏิบัติไปงไงก้าวหน้าแล้วก้าวหลัง <c oughs> ไม่ไม่ก้าวหน้าเลยเจ้าค่ะอะตอนนี้เพ่งเรื่องสิิ แต่อย่างน้อยก็อย่าไปก้าวหลังมันแล้วกันนะเจ้าค่ะก็ไม่ให้ขาดค่ะทั้งสมาธิแล้วก็เจริญสติเจา้าค่ะแต่ว่าปัญญาไม่ค่อยได้ใช้เจา้าค่ะอืมพิจเกียรพิจารณาเลยอ่าแต่ว่าก็มีแวบขึ้นมาเลยเจา้าคะว่าสักวันเราก็ต้องตายสักวันก็ต้องตายจะยอมรับได้ไหมอยู่ตรงเนี้ยตลอดเลยเจา้าค่ะเออต้องแก่ต้องเจ็บต้งตายเป็นธรรมาดาร่าง ก, กายไม่สวยงาม มีอาการสามจุอวันนึงแวบขึ้นมาบ่อยมากเลยค่ะไอเรื่องค่ะแตไ่ไม่ไปหลงไหลาอาการฉังสวยความงามแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าแต่งตามองตะลุเข้าไปใต้ผืวนนําก็ไม่แต่ของที่ไม่น่าดูทั้งนจ้าค่ะจริงๆที่หน่อยเคยคุยกับพระอาจารย์ว่าจะพิจารณาเรื่องเรื่องอเหมือนกับอสุภะที่แบบว่าหนอนชัยศพอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เริ่มดูแล้วเราจะข่าวะอาจารย์อปวดแล้วเจ้าค่ะดูข้างในได้มั้ยดูอาวัยว่าต่างๆได้ดูปอดดูตับดูไตายดูนำไส้อะไรดูหัวใจเต้นอะค่ะหัวใจสดๆเต้นได้หปอดที่ไม่เห็นเจ้าค่ะไม่เห็นปอดไม่เห็นนาไส้ไม่เห็นยังไม่เห็นจ้าค่ะเห็นแค่หัวใจที่แบบไอเต้นตุบๆดูต่อแล้วดูต่อไปเลยหัวใจแล้วก็ปอดแล้วก็ตับแล้วก็ไต แล้วก็ลําไส้ลาไส้น้อยลาไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่จาจะค่ะจะทําตามที่อาจารย์แนะนำเจ้าค่ะโอเคมาค่ะจะเรียนเป็นตัว ม, ม่นเป็นตัวมันก็กำังอยู่กัการเสริมสวยทำงานบวมร่างกายเจ้าค่ะนี่ก็เริ่มปล่อยปล่อยขึ้นเยอะแล้วจ้าค่ะแต่ก่อนก็ก็ไม่แต่ตอนนี้เริ่มปล่อยเริ่มปล่อยเรื่อยเรืแล้วจา <Okay. S 2> ้จาค่ะโอเคเวลาค่ะอาจารย์งั้น ไม่มีอะไรแล้วจ้ะค่ะพยายามปฏิบัติไปนะอย่าทิ้งจ้ะค่ะไม่ทิ้งแน่นอนจ้ะค่ะชีวิตนี้ทุกเลอเกินจ้ะค่ะโอเคเอาเถอะไปที่คุณจิ๊บมวิลล์จิเป็นยังไงแมร์มาสการพระอาจารย์ได้ยินโยมไหมคะโอดังชาดิเก <laughs> มอาจาลสบายดีนะคะสบาีโยมก็สงบ สงบเหมือนกันค่ะแต่ว่าคือจริงๆก็ปฏิบัติไปรเรื่อยๆเหมือนเราก็ภาวนาพุโทโธพุธโทโธไปรเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่บางทีก็นั่งสมาธิก็ตอนนิยมแค่จะมีปัญหากับตัวเองคือเดี๋ยวพอจะจะเพ่งลมหายใจไอ้คาว่าพุโทโธมันก็ขึ้นมาตลอดเลยพระอาจารย์มันเหมือนกับว่าพอเราจะแค่มองลมหายใจมันก็จะเอาแหละเอาพุโทโธพุธโทโธอยู่นั่นแหละกับคือมันเหมือนกันคู่กันไปกับลมหายใจเราอะค่ะพระอาจารย์ยู่ก็ได้ก็ได้ ถ้ามันคู่กันได้ก็ไม่เป็นไรแล้วเราควรจะปล่อยมันไหมคะบางทีโยมก็คิดว่าอุ้ยทำไมมันไปติดกันแบบนี้แล้วมันกลายเป็นควบคุมลมหายใจมันมันก็จะรวนสมาธิไปเลยอะค่ะมันมันไม่น่าจะรวนนะถ้าถ้าเรามันทำเพื่อให้หยุดความคิดแสดงว่าเรา walk back คืออย่างถึงแม้เป็นมันจะแบบสมมติถ้าเราจะ มองที่ลมหายใจเหมือนจะเข้าออกถ้าเราเอาพุทโธไปกำกับมันไว้ก็ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะถ้ามันถ้ามันเกิดขึ้นเองอืถ้าเกิดขึ้นเองจะาทำได้ก็โอเคค่ะแต่ถ้าเกิดพุทโธอย่างเดียวก็ได้หรือจะถ้าตัดไม่ตัดพุทโธออกแล้วแต่คืออะไรก็ได้ที่เราทำแล้วเราสงบได้ได้ไหมคะอ๋อค่ะค่ะอยากจะพยายามยุดควาคิดต่างๆไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใช่ค่ะ พระอาจารย์ค่ะยมขอความแม่น ๆ, ๆ, ๆอีกคำถามนะคะทํายังไงเราถึงจะไม่ทุกจากคนที่เราลักคะ่ะไม่ว่ า, าจะเป็นครอบครัวส่วนใหญ่ของโยมมันจะเป็นครอบครัวค่ะอ่าเราต้องมองเขาว่าเป็นน้นดินฟ้ากันเราไปควบคุมเขาไม่ได้ไม่สั่งเขาไม่ได้ที่เร า, าทุกเพราะว่าเขาบางทีไม่ได้ทําตามใจเราเราก็เลยทุก ดังนั้นถ้าแต่เราไม่ทุกกับเรื่ฟ้าอากาศใช่ไหมก็เราไม่ได้หวังอะไรจากเรื่ฟ้าอากาศเราก็อย่าไปหวังกันจากคนที่เราลากคนที่เราลากก็เหมือนเป็นธาตุสี่นิ้นน้ำลมไฟอะไรอย่นงเงี้ยมาจากธาตุใจเขาก็เป็นธาตุเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาขึ้นขึ้นลงลงดีมากไม่ดีมากเราก็อย่าไปหวังอะไรจากเขา นักเขาได้แต่อย่าไปหวังอะไรอย่าอย่าไปหวังให้เขารักเราอืทุกเพราะว่ารักเขาแล้วอยากใช้เขารักเราด้วยใช่มอืมของโยมไม่ใช่ค่ะของโยมเป็นกรณีของครอบครัวคือเห็นเขาทุกเราก็ช่วยช่วยเหมือนกับเยียวยาใจช่วยช่วยไม่อยากให้เขาทุกข์อ่าก็ช่วยได้ก็ช่วยไปช่วยไม่ได้เราก็ ต, ต, ต, ต, ต้องโปรงไปหวไปแต่ก็ ค่ะแต่พอเขาถูกมันมีเหมือนกับอารมณ์บางปาอะไรแบบเนี้ยค่ะทําให้อืความหวังที่เราคิดว่าเราอย้ายเขายสงบเขาก็ไม<อ> <CS: S 1> ่สนใจในสิ่งที่เราอธิบายก็กลายเป็นว่าเราไปเตือนเราไปสอนแล้วแล้ก็ไม่รับก็ไม่ทับถ้าเขาไม่รับก็หยุดแค่นั้นเองแล้วทําทำเต็มที่แล้วมันเป็นปัญหาไม่ได้อยู่ที่เรา <c oughs> แล้วอยู่ที่เขาก็ว <och> <both> างอเบก่ะไปเลย <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมคะวางอุเบกขา แล้วโยมว่าฟังฟั ง, ฟงอ่าคลิปสั้นของพระอาจารย์นะคะที่ธรรมะบนภูเขาอะค่ะที่บอกว่ามีคนยินถามว่าถ้าเราจะทงเังไงไม่ถู ก, กับลูกอันนี้ของกรณีของโยมไม่ใช่ลูกนะคะแต่โยมชอบที่พระอาจารย์บอกว่าก็คิดจะว่าลูกไม่ใช่ของเราคือเขาเป็นลูกแค่เฉพาะร่างกายเราทําเขาเท่านั้นอือันนี้โยมรู้สึกมันเห็นภาพเลยเออจริงเนาะมันก็แค่ร่างกายใ จ, ใจเข้ามาจากบุญจากบาปที่เขาทาไว้ ใช่ค่ะมันก็เลยทําให้ลมรู้สึกเห็นภาพรวมแล้วมันรู้สึกปล่อยวางจากคลิปอันนั้นเลยจริงค่ะโยมก็ต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะก็าสามารถใช้กับทุกอย่างได้ไม่ใช่นอกจากลูกแล้วคนที่เรารักก็จะเป็นใครก็เหมือนกันค่ะค่ะแม้จะเป็นแบบเชื้อสายเดียวกัน<จ>อะไรแบบนี้ด้วยค่ะใจเขามันเป็นใจที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบางครับได้ค่ะ สาธุค่ะพระอาจารย์วันนี้โยมมีเท่านี้ค่ะไม่ไม่อยากกวนเวลาพระอาจารย์นานเจ้าค่ะในวันนี้สลิงทอนหายไปสลิงทอนยังไยังไม่ได้เข้าใช่ไหมคะแสดงว่าช่วงนี้งานเขายุ่งมากมากนะครัอาจารย์ท่าอย่างไงไ ม, ไม่ไม่ต้องตามาก็สอบ ถ, ถามดูคิดว่ า, าไม่งงโยมก็กราบพระอาจารย์แทนเพื่อนด้วยเลยนะคะน้องน้องแจนด้วยไม่เหมือนน้องแจนก็ไม่น่าจะเข้าค่ะไม่เป็นไรําด้วยเฉไม่เป็นไรยังไงพระ เขาก็เขาก็ระลึกถึงพระอาจารย์สมบูรณท้าท้าวันไหนโยมไม่ได้เข้าโยมก็กับพระอาจารย์อยู่ในใจตลอดเวลานะคะพระอาจารย์ค่ะขอบพระอาจารย์ทัดขันแข็งแรงนะเจ้าค่ะค่ะสาธุค่ะกูเน่งเชิงกูเน่งต่อโอเคสามเวลาเลยเวลาใช่ไหมไม่เป็นไรนิดหน่อยไม่เป็นไรยังาได้ต่อเวลาได้มี พุตบอลเขายังต่อเวลาได้เย่ี่อาจารย์เมตตาค่ะอาจารย์ก็เข้ามารอบหนึ่งตอนตอนแรกอ่าพอดีว่าปิดไฟลิงลิงก็จะเข้ามากับพระอาจารย์ค่ะเขาบอกว่าเขจะมาสาธุก็บอกโ่าวันนี้นะนอนดึกก็เลยดูแล้วก็ให้ไปนอนอันนี้ก็คืออ่อ หนูเห็นสิ่งที่ที่พาเข้าไปที่วัดนะคะพระอาจารย์อ mm hmm. ตอนแร ก, แรกตั้งแต่นู่นมาด้วยความที่เป็นเด็กแต่เขาก็นิ่งขึ้นเยอะ mm hmm. จริงๆแล้วว่าที่ที่เป็นอาหลานชายเด็กนะคะ mm hmm. เขามีสภาพที่จะเป็นแบบเหมือนสระที่ัานนะคะพระอาจารย์ mm hmm. เพราะว่าเล่นโทรศัพท์เพราะแม่เลี้ยงเนาะ mm hmm. หนูก็เลยไปไม่รู้จะทํายังไงก็คือเอาไปวัด mm hmm. เหมือน <Yeah. S 2> บาบัด ฝึกสติฝึกสติฝึกสติคือตอนแรกๆที่ไปตอนตอนแรกเลยนะคะผ้าจา์จริงๆแล้วนะเขาไม่ได้อยู่นิ่งเลย <c oughs> ต้องออกมาข้างนอกอยู่ตลอดไอพี่แ ก, แก้วเกยงหัวล้อเลยโอตาล้วอยู่แต่ทุกวันนี้พอพาไปปุ๊บวันเสาร์มาก็จะบอกว่าไปวัดไหมเขาจะชวนทันทีอ่า ตัวเล็กเบอกว่าไปทูจ้าอ่ะโอเคไปเพราะว่าหนูไปอยู่แล้วไปนี่จะรู้หน้าที่ทุกสิ่งทุกอย่างเลยแล้วก็มาเอ่อก็ไม่ได้คาดหวังค่ะพระอาจารย์ว่าเขาจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือว่าเขานั่งได้หนูก็ทุกคนก็เลยดีใจว่าอ๋อคือพาไปเนี่ยเราเห็นจริงๆว่าเขาเขาสามารถที่จะ นั่งนิ่งแล้วก็สงบได้แต่บางครั้งก็นอนนะคะยังอย่างน้อยเขาก็เขาก็ไม่วิ่งไปวิ่งมาแต่ว่าเพลงเวลามเพลงเวลอมสอนเข้าไปในตัวคนอื่นก็นั่งนิ่งนิ่งเขาก็เลยต้องนั่งนิ่งตามไปค่ะพระอาจารย์เขาก็จะสังเกตดูนู่นนี่นั่นอะรับนะปอนบางทีเนี่ยหนูก็นั่งนั่งอยูแต่ว่าไม่ได้หลับตาเขาก็ไม่จะตกวะแย่หลับตาเขามองอย่างอ้าวหลับตาก็หลับตากันเลยว่า อ, อ๋อ สิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือว่าเราไม่ได้คาดหวังก็แค่หวังว่าเขาดีขึ้นมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอะค่ะพระอาจารย์ทำทำไปจะได้หมืไม่ได้ก็อีกเรื่องนึงทได้ค่ะอยู่ที่ตัวเข า, ข า, ตเขาแต่ตอนนี้เขารู้หน้าที่นะคะพระอาจารย์เราไมาเขียนอะไรเองทั้งหมดเลยก็โอเคค่ะญ า, าเขาก็ดีใจ หลายๆคนก็คิดว่าเขาจะไม่ไม่มีทางที่จะอยู่นิ่งได้แต่ด้วยความที่เราก็ต้องอดทนกับเขาด้วยนะคะพระอาจารย์ตะลอเลยไปหมวกก็โอ้โใจก็ปุ๊บไปปุ๊บมาอยู่เหมือนกันว่าจะยังไงดีอะไรประมาณนี้นะค่ะพระอาจารย์ด้วยความที่เขาก็รู้ว่าทุกทุกคนทําแบบนี้ครับก็สังเกตแล้วเขาก็นั่งได้ประมกถามเขานะว่าเข้าใจไหมเขาบอกว่าเขาไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าใจแต่บางอย่างเขาก็ ถามเราว่าหมายถึงอะไรอ่าอันนี้เป็นเด็กผู้หญิงนะคะผู้ชายเนี่ยจะไม่รู้ค่ะพระอาจารย์แต่ก่อนนอน<ม>ที่เนี่ยบอกว่าย่ายังไม่ได้ทูจ้าเลยแต่เขามาสวดมนต์อ่าเขาสวดมนต์ก่อนนอนแล้วเขาก็เข้าไปนอน<ม>เขาบอกว่ามาจ้าพระอาจารย์ไ ม, ไม่เห็นเขาว่าเนีไม่เห็นเข้าสูไม่ได้ค<ม>่ะเอ่อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ที่ทําให้ให้หนูค่ะอ่า ดีขึ้นก็คือในเรื่องของอการที่เราจะต้องมีความอดทนกับหลายๆคนที่อยู่ในบ้านดีมากครับพระอาจารย์คือธรรมะช่วยช่วยได้จริงๆเพราะว่ามีความเมตตามากสนใจความเมตตาครับค่ะพระอาจารย์ตั้งครั้งที่บางทีก็เหมือนกําลังนั่งสมาธิเขาเปิดประตูพุ่งเข้ามาหนูก็ตกใจด้วยเหมือนกันนะไปละ อ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรเหมือนเราจะโมโหเราก็ไม่โมโหครับพระอาจารย์เขาก็คงไม่รู้ได้นะมีสติสติมันทันมันก่อนจะโมโหเรามีสติดูทันก่อนมันก็เลยไม่ไโมโหค่ะพระอาจารย์เราก็เอ๊อตอนแรกก็จะทําไมจะต้องเข้ามาตอนนี้อ้าวเขไม่รู้นี่ก็ไม่เป็นไรก็อ่ะโอเคทําหน้าที่ของเราต่อไปอะคะ่ะพระอาจารย์เอ่ออีกสิ่งหนึ่งคะ่ะพระอาจารย์ อันนี้เนี่ยจะเกี่ยวกับในเรื่องของการที่เรายังยังก็เป็นเรื่องของสติด้วยเหมือนกันหรือว่าสมาธิด้วยไหมคะอาจารย์ีน เ, เกี่ยวกับคนในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ทั้ง2องอย่างสเกสมาธิมันเป็นคู่กันไงเป็นคู่กันใช่ไหมคะอาจารย์ถ้ามีสเตสมาธิมันก็จะตามมาใ<า>ใจก็จะเย็นลงใจก็จะไม่วุ่นวาย อารมณ์ก็จะไม่อารมณ์ก็จะลดน้อยถอยลงไปอ่าอันนี้เป็นเรื่องของการรู้ทันไหมคะรู้ทันอารมณ์รู้ทันสติไหมคะพระอาจารย์ก็สติไงพอมีสติเราก็จะรู้ทันพอพอจิตเราจะมีอารมณ์ขึ้นมาเราก็รู้ทันเราก็หยุดมันได้ทันทีค่ะรู้ทันพอพารู้จะโกรธปับ๊บอ่าวก็หยุดมันเมื่อก่อนนี้ไม่รู้ทั น, นมันไปมองคนที่ทําให้เราโกรธแต่ตัวโกรธที่มีในใจเรามองไม่เห็นน เดี๋ยวแต่เดี๋ยวเรืสติเราดึงกลับเข้ามาให้ดูที่ใจเราอดูที่ใจเราด้วยดูที่คนที่เขาทำให้เราโกรธด้วยอ่ารู้ว่าเราจะโกรธ ล, ล้ ว, วรู้ว่าโกรธไอดีเราก็หยุดมันไปพระอาจารย์อันนี้ก็คือเป็นเป็นในเรื่องของสติใช่ไหมครับอาจารย์สมาธิสติกับสมาธิก็คือว่าดีขึ้นครับ เหมือนกับมองไปอ้าแล้วแต่ก็แล้วกันเหมือนเป็นมองเป็นในอากาศนะคะเห็นพาตอบหลายๆคนอันนั้นก็เป็นปัญญาได้เห็นว่าเป็นเป็นอากาศเป็นอนัตตาไปนันก็เป็นปัญญาอ๋อค่ะพระอาจารย์อแล้วแต่ก็แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าควบคุมไม่ได้แล้วอ่ะเราทําหน้าที่อะไรก็ทําไปก็แล้วกันหนูก็ว่าอเป็นปัญญาเป็นปัญญาเห็นทุกอย่างเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนนั้นดินฟ้าอากาศ อ่าแต่ถ้าในเรื่องของการที่มันมีปัญหาแล้วคุยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นในเรื่องของของปัญญาด้วยเหมือนกันญญกใช่ไห้ปัญาถ็ต้องคุยกันที่มีปัญหาอะไรก็มามีค้อนมาแก้ไขกันไปผิดถูกในชั่วงเรื่องของปัญญาอ่าเพราะว่าถ้าได้คุยแล้วก็คือเบาใจอทุกคนรู้แล้วก็เราก็ท<ะ>ําได้ไม่จะ ไ, ได้ไม่เข้าใจผิดกันบางที่มันเก็บไว้ในใจมมันไม่เข้าใจ อ่ามาพูยังไงกับการเข้าใจมันก็เลยโลง่งล่งใจไปค่ะค่ะพระอาจารย์ก็ไม่มีอะไรค่ะหนูก็จะปฏิบัติต่อไปค่ะพอาจารย์ให้ให้ดีขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะหลานก็จะปกติคับอาจารย์ทุกคนนะคะย่าสาธุเจ้าไปนี้ขึ้นสุกัญญาเจริญขึ้นสุกัญญาคุณเข้ามาครั้งแรกรู่แบบนะค่ะหลวงพ่อเข้ามาหลัยครั้งหลายครั้ มาที่อยู่ที่ราบุรีใช่ไหมเพชรบุรีต้องค่ะเพชบุรีโอเคเปลี่ยนชื่อต้องมาเป็นชื่อนะจำไม่ได้ใช่ไหมคะก็อันนี้มีอะไรแล้วางจริงๆเข้ามาชามันก็ได้ฟังจากที่อาอาจารย์สอนที่พี่เขาแล้วแล้วบ้างก็พอเข้าใจแล้วก็ต้องไปปฏิบัติรู้เห็นด้วยตนเองค่ะแล้วก็หนูยังไม่เข้าใจในรอบที่แล้วเพราะว่า หนูไม่ค่อย ไ, ไ, ไ, ได้ฟังค่ะอาจารย์รู้ว่าหนูพูดอยู่คนเดียวแต่นี้หนูเลยจะถามว่าที่โซดาบันยังเป็นผู้มีความทุกอยู่อ่าเขาทุกเช่นไรแล้วเขามีการจัดการทุกนั้นอย่างไรครับโซดาบันยังมีความทุกข์กับกับแฟนอยู่ยังอยากมีแฟนอยู่ยังอยากให้แฟนรักเขาอยู่พอแฟนไม่รักเขาเขาก็เสียใจทุกข์ใจแล้วเวลาแฟนจากเข้าไปเขาก็ทุกข์ใจ เขาต้องมาพิจารณาดูว่าแฟนนี้เป็นเป็นเป็นร่างกายที่ไม่สวยไม่งามมีอาการ32บางทีเขาจะได้เลิกเลิกเริกอยากจะมีแฟนอยู่คนเดียวได้พราะอยู่กับแฟนมันก็ต้องเปความทุกข์ทุกขลักทุกข์กพ่อห่วงทุกข์พ่อปวดมันมีหลายสาเหตุด้วยกันถ้าพระสงฆ์จะว่นนานะเห็นว่า ก, การมีแฟนเป็นทุกข์ต่อไปเขาจะเลิกในการบอกอให้เห็นว่าแฟนไม่น่ารักไม่น่ า, นาดู ร่างกายเขามีอาการ32อันนี้จะเลื่อนขั้นขึ้นไปสู่พระสะกิดาคามีแล้วเขาพระนาคามีตามลาดับต่อไปถ้าพอเป็นพระนาคามีจะไม่รักแสนไม่รักใครต่อไปเขาเห็นร่างกายเป็นเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามอันนั้นก็จะไม่ทุกข์กับใครแล้ะ เรามาทุกกับตัวเองนะต่อไปว็มาทุกกับตัวเองทุกกับจิตใจของตัวเองจิตใจยังจิตใจยังมีการถือเนื้อถือตัวอยู่ถือว่าตนเองเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ค่ะดูดูเองทุกวันนี้ก็ถ้าในเรื่องของแฟนเรื่องของคู่ครองตอนนี้ไม่คิดที่จะมีแล้วแล้วละคะแล้วเจ้าค่ะก็ดีก็อาจจะ ก็ยังไม่แน่ต้องทดสอบพิสูจน์ไปเรียนดูก่อนจะไปเจอคนที่ถูก อ, อกถูกใจขึ้นม า, า จ, จะเปลี่ยนใจก็ได้ก็ครับก็จ แ, แต่ถ้าเห็นอาการสราลีสองแล้วก็จะ ม, มักจะไม่เปลี่ยนใจแล้วได้เห็นใครน้าตาดีขนาดไหนก็พอเห็นเห็นตับไตไส้พุมเพาก็ไม่ไม่น่ารักแะ ต้องเห็นแบบนั้นถึงจะถึงจะตัดได้อย่างจริงจังอย่างแท้จริงอ่าแต่โสดเาบันก็จะไม่มาทุกเรื่องของความตายร่างกายเช็เบร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยจะตายโพราาบันวางเฉยได้ไแต่ยังไม่ทุกข์กับคนอื่นอยู่ยังยังไม่ทุกข์กับแฟนยังอยากจะมีแฟนแล้วพอได้แฟนมาก็ต้องทุกข์เวลาแฟน เราหรือเวลาแฟนเขาไม่ไ ม, ไม่ไม่ทาตามที่เราอยากให้เขาทำเลยก็จะทำให้โกรธได้ก็ต้องหาวิธีเ่ิงมีแฟนให้ได้การจะเ่ิเงมีแฟนก็ต้องมองเห็นร่างกายของแฟนไม่สวยไม่งามใช่ค่ะก็ใจนะใ่ค่ะโ okay. อเคอ่านต่อก่อนนะ ผู้ั่งกาาวัฒการเจ้าค่ะอันนี้ท่านสุดท้ายคุณชอบอ่าขอเลื่อเวลาหน่อยเด็กล้มีแลวไมครับรายอ่ไม่มีครับก็ได้ทำตามที่พระอาจารย์สั่งสอนว่ามีอะไรเกิดขึ้นให้รู้เฉยๆครับก็รู้เวลาที่เวลอยากกินต้องรู้เฉยๆหรวอเป่าใช่บ้างไม่ใช่บ้างครับ <laughs> แต่ยังยังไม่รู้เฉยๆพอเห็นอะ้รอยากจะ ก, กินก็ยังนั่งคว้าวับนะครับก็กลับไปทําต่อครั บ, บาาอาจารย์ก็มองเห็นอหมองเห็นเป็นปฏิกูลหน้าอาหารพอเข้าไปในร่างกายแล้วมันกายเป็นปฏิกูลไม่หมดนะใช่ไหมครับตอนนี้ก็เลิกกาแฟอะไรหมดแล้วครับอยู่คนเดียวแล้วครับโอเคดีอีกอย่างงวลาจะเล่กชั่วข่าวพอเดินเจอคนใหม่ถูกใจก็อาจจะ พระอาารย์รู้ใจทุกอย่างผมไม่พูดอะไรพระอาจารย์ก็รู้ครับเพราะที่มันได้นรรลัยของความเบื่อมันไม่ใช่ได้เพราะเห็นนสุภาพราะนะถ้าเลยเพราะเห็นอัสุภาเนี่ยมันจะเริกทางทาวอนเลยไม่เถียงครับโอเคไม่เป็นไ ร, รพูดพูดตื่นสติไว้ท่านเลยนะครับน้อมนําไปปฏิบัติบ้างเล็กสื่เสมอครับโอเคอ่น <Okay. S 2> ึแล้วก็กลาบไปตังที่พระอาจารย์อยู่เลยครับอ่า ไปที่ <3 S 1> คุณร้านต่อเลยคุณล้าไม่กี่คำถามวันนี้กราบนรมาสการ์คร่ะพระอาจารย์มีทั้งหมดสามคำถามจากทางเฟซบุ๊กและยูทูบเจ้าค่ะกราบนรมาสการ์อาจารย์ครับพเพื่อนอยากจะร่วมบุญกับคนที่เรารู้ว่าเขากระทําทผิดศีลเพื่อนต้องการให้เราช่วยทําบุญให้เราควรจะเตือนและพูดความเป็นจริงให้พเพื่อนทราบไหมครับก็อยู่ที่ว่าเขา จะถูกหลองลวงหรปล่าถ้าแล้วก็จะถูกหลองลวงก็ถ้าบอกเขาหน่อยก็ดีแต่ก็ต้องระวังว่าบอกเขาแล้วคาดจะไม่เชื่อเราก็ได้นะเอบางทีเขาอาจจะยังเชื่อคนนั้นก็อยู่ก็ต้อดูว่าควรไม่ควรอันนี้แล้วแต่เหตุการณ์กันแล้วกันถ้าไม่ไ ม, ไม่ไม่คว ร, รก็อย่าไปยุ่งกับเขาก็าอยากจะถูกหลอกก็ปล่อยเขาถูกหลอกไป แต่ถ้าเขาถามเรานี้ก็บอกเขาได้บอกคนนี้น่าเชื่อถือไหมอะไรเงี้ยเรากจะพูดตามความจริงได้คํถาถามต่อไปสามีต้องการทานปลาสดจึงสั่งให้ภรรยาไปซื้อปลาที่ตลาดแม่ค้าจึงฆ่าปลามาให้ไม่ทราบว่าสามีภรรยาและแม่ค้ามีบาปแตกต่างกันอย่างไรไหมครับบาปเท่ากันหมดเลย ทำเองก็ดีใช้ก็เลยก็ทาให้ก็ดีนะบาเปเหมือนกันคาถามสุดท้ายจากคุณสิริมาน้อมกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะคำว่าไม่ควรครบคนที่เป็นงูพิษหมายความว่ายอย่างไรและเป็นลักษณะคนแบบไหนควรใช้หลักธรรมใดในการปฏิบัติต่อเคสนี้คะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะคนที่ไม่มีสิง่งเงวคนที่ไม่รักษาสี่ห้านี่ก็เป็นเหมือนงูพิษ พอเราคบกับเขาดีไม่ดีเขาอาจจะบังกัรเราก็ได้ทํางานเราก็ได้ถ้าเขาไม่ชือเขาเขาเอาเขาเข า, เขายังฆ่าสัตว์อยู่ยังรักทรัพย์อยู่ยังบุกรุกผิดประเภทนี้อยู่ยังโกหกเราลงอยู่ถ้าเราไปคบกับเขาเดี๋ยวเขาก็จะมารักทรัพย์จากเราไปโกหกหลอกลวงเร า, เรามายุ่งกับแฟนเราดีไม่ดีเขาอาจจะฆ่าเราเพื่ออาสมบัติของเราไปก็ได้ถ้าเขารู้ว่าเรามีสมบัติอะไร นคนหล่านี้ไม่ควรจะคบค้าสมาคมด้วยถ้าเราไม่ว่าเขาเป็นคนใจบาปโอเ ค, อเคนะคหมดแล้วนะแต่วันนี้เวลาก็พอสมควรนะก็ขอยุติการสนทนาธรรมไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านจะนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่ ง, งขึ้นไปเถอ